นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับนายอุสมานนี่แกเป็นจอมขมังเวทเป็นคนไทยเชื้อสายแขกมีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักไัยเวทวิทยาคมและบรรดาพูดผีปีศาจใหญ่น้อย เนื่องจากแกเป็นหมอผีตัวกลั่นเคยเล่นงานผีที่ชอบเข้าสิงคนมานักต่อนักหวายปลุกเสกยาวสองสอกในมือแกนี่มีอนุภาพยังกระดาบอัยฉิยะเข้าสารเสกของแ ก, ก่ระสงค์อนุภาพร้ายแรงคลังจริงๆขับไล่ผีเฮี้ยนๆได้จริงสมคํายกย่องของวงการหมอผีจนได้รับฉายาว่าอาจารย์อุสมานผีเห็นคราม หมายถึงผีเห็นแะเดินมาแต่ไกลก็กลัวแล้วไม่กล้าอยู่รอหน้าหนีเตลิดเข้ารกเข้าป่าไปเร็วเท่าไหร่ก็ปลอดภัยเท่านั้นคนที่มาหาอาจารย์อุสมานวันนี้ชื่อลุงถมลุงถมนี่เป็นหนุ่มใหญ่วัยเฉียดหกสิบแล้วอดีตเคยหล่อแต่ปัจจุบันรูปร่างเหมือนกับกระปุกตั้งชาย แต่ก็ยังมีไฟอยู่อยากจะได้สาวรุ่นรุ่นเป็นเมีย อ, อีกสักคนก็เลยมาขอแรงอาจารย์อุสมานให้ช่วยลงสเสน่ห์สาริกาลิ้นทองคือไปพูดอะไรออกไปสักคำสองคำสาวๆจะงวยงงยังก็ต้องมนแล้วก็โอเคกับแ ก, กโดยดีคนที่แนะนำสักพกุลของอาจารย์อุสมานให้ลุงถมรู้ชื่อในเนีย้ยในเนี้ยนี่เปิดร้านขายกาแฟป่าต้องโอขไข่ลวก หาขายมาตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยกลางคนแล้วเสร็จแล้วก็ยังหาเมียมาช่วยค้าขายไม่ได้สักทีแต่พอได้รับการช่วยเหลือจากยอดหมอผีอุสมานก็ควา้าหญิงไทยหน้าตาดีคุณดีเป็นเมียได้อย่างน่าอัศจรรย์ส่วนตัวลุงถมคนเนี้ยเมียคนล่าสุดแกหอบผ้าหนีตามคนงานทําสวนน้องแกไปอย่างน่าเจ็บใจเพราะว่า มันเอาทองหยองหลายบาทที่แกซื้อให้ติดตัวไปด้วยลุงถมนอนเอาตีนก่หน้าผากช้ำใจอยู่เป็นนานก่อนที่จะได้รับคำแนะนำจากนายเนีย้ยแล้วก็เดินทางข้ามตำบลมาที่สำนักของอาจารย์อุสมานแต่ยังไม่เจอตัวเนื่องจากแกไปไล่ผีที่ภาคเหนือกำหนดกลับเย็นนี้ระหว่างที่เก้เก๊กังๆังนั้นก็มีโทรศัพท์มาจากนายเนีย้ยบอกว่า ลุงลุงถมใครก็ไม่รู้มาถามหาลุงสองสามครั้งแล้วมันชอบมากันตอนทบคั่มแฉันถามว่ามีธุระอะไรกับลุงหรือเปล่าก็เงียบไม่ยอมบอกเอาแต่เที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่ได้อ่ะอะไรของมึงวะเที่ยวไล่เที่ยวคือไอเนีย้ยเออก็ก็เที่ยวไปเที่ยวมานะ่ะนี่ก็ใกล้พเพลเพลใกล้คั่มเต็มทีแล้วได้เวลาที่มันจะมากันอีกแล้วมั้ง รูปร่างหน้าตาเป็นไงว่ามันมากันกี่คนได้บอกให้ชัดๆหน่อยอะมากันสามคนนะลุงแต่ละคนตัวใหญ่บเบอเลยผิวสีทองแดงหน้าตายังกะก้อนหินยิ่งลูกตายิ่งน่ากลัวมีอำนาจสะกดจิตยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกศพตามันทีไดเสียวู้ไปถึงไขสันหลังอ่ะฉันว่ามันเหมือนกับพวกย ม, มาบาลจะมาเอาชีวิตมนุษย์อ่ะเหรอเอ อ, เ อ, อขอบใจแว่แน้วที่ช่วยสงขา หลังจากนั้นเสียงรถกระบะสี่ล้อเล็กอ่าที่เร่งความเร็วจากถนนซอยเลี้ยวเข้ามาจอดบนลานดินหน้าเรือนไม้อย่างคล่องแคล่วก่อนตะวันจิงพรบร่างที่ก้าวลงจากที่นั่งคนขับนะ่ะเป็นอาจารย์อุสมานในชุดกางเกงขาวเสื้อดำคล้องความเป็นกึงเทพกึงมารเพราะว่าร่ำเรียนมาทางศาสตร์มืดแต่ว่าใจดีมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือคนมีทุกข์เดือดร้อน โดยใช้มนดำพิชิตสายดำแบบชนิดเกลือจิ้มเกลือลุงถมเห็นการเกล้ามวยละหนวดคราวยาวเหมือนการังนกกระจับก็รีบปราดเข้าไปยกมือไหวเพราะคนลักษณะนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากยอดหมอผีอุสมันอา้าวใครกันเนี่ยอ้วนเป็นถังเบียเดินได้นะอ้ะอาวมามามาขึ้นไปคุยกันบนบ้านก่อนเออผมผมชื่อถมครับ ในเนียเ่ยคนแนะนำให้มาเอ อ, เ อ, อรู้แล้วผีพรายมันไปบอกฉันตั้งแต่เพิ่งจะออกจากเชียงรายแล้วอาจารย์อุสมานแกสะพายยามของขลังก้าวขึ้นบันไดเรือนใต้ถุนสูงมีบันไดาพาดอยู่กับนอกชานหน้าบ้านสิทธิ์ในสำนักก็รีบเอาน้ำร้อนน้ำชามาตั้งบนโต๊ะรับแขกแล้วเรียนในราบะลุงถมนะ่เที่ยวไปเที่ยวมาสองน้าวันแล้วตั้งใจจะขอพบอาจารย์ให้จงได้ อาจารย์มาเหนื่อยๆก็ยังใจดีนั่งฟังเรื่องที่ลุงถมต้องการความช่วยเหลือทุกท่อยกระทงความที่แรกก็ยิ้มร่าอารมณ์ดีแต่ว่าตอนหลังๆนี่สีหน้าเคร่งขรึมไปถนัดใจเออรำพังไอ้เรื่องทําเสน่ห์ให้สาวงวยงงมันไม่ใช่เรื่องอยากแต่ปัญหามันอยู่ที่ชายลึกลับทั้งสามคนที่มาหาเองนั่นมากกว่า เท่าที่ในเนี้ยเขาบอกมาเนี่ยสงสัยมันจะไม่ใช่คนธรรมดายอย่างเราๆซะแล้วเออมันเป็นคนร้ายหรือพวกปนหรครับอาจารย์แค่นั้นมันเรื่องชี้ผงฉันสั่งกุมารทองหายตัวไปจัดการเดี๋ยวเดียวก็อยู่หมัดข้อสำคัญนะ่ะสงสัยว่าจะไม่ใช่มนุษย์พูดตรงๆก็น่าจะเป็นยมบาลมาจากเมืองนรกนั่นแหละเอออาจารย์ยมบาลมาทาไมกันนะครับ ผมอายุยังไม่ถึงวัยปลดกเกษียณสักหน่อยอ่ะอ้าวไหนผมไม่รู้อะไรซะแล้วความตายมันไม่เลือกเพศเลือกวัยหรอกคนหนุ่มก็อาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้สุดแท้แต่บุญกรรมที่เคยสร้างสมมาถ้าคนแก่ส่วนใหญ่ตายเร็วทำไมชั่วโมงนี้มีแต่คนแก่ท่วมประเทศละ่ะมีแต่ข่าวคนหนุ่มคนสาวตามสื่อต่างๆเห็นหมะ ล้มตายวันหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยหนุมน่มๆสาวๆทั้งนั้นนานทีปีหนถึงจะได้ยินข่าวคนแก่ตายสักคนสองคนอ้าวแล้วหนุมน่มๆอย่างผมถึงคราวอายุสั้นพลันตายหรือยังไงล่ะครับน้อยน้อยหน่อยในถมเองนี่ป้าเขาไปเกือบหกสิบน่ะหนุ่นนมเสมืเมื่อไรล่ะแม่พอได้ข่าวจากในเนีย้ยฉันก็เพิ่งสังเกตเห็นรังสีมริตยูบนหน้าในถมชัดเป๊ะเดี๋ยนี้เอง เออราศีอะไรครับหมายความว่ายังไงครับคนเรานะ่ะมีราศีอยู่ทั่วทุกตัวคนละอย่างที่เขาพูดถึงคนดวงดีบุญมาว่าสนาขึ้นทํานองวันหน้าตาสว่างแจ่มใสมีราศีจังนะแต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าหากว่าใครดวงขาดชะตาถึงขาดราศีบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะหมองคล้า ใครพบเห็นก็จะรู้สึกเหมือนกับเอาดินก้นหม้อมาถูทามอมหน้าตัวเองแต่ทงางศาสตร์มืดเขาเรียกรังสีมฤตยูก็คือราศีแห่งความตายมาจับใบหน้านั่นเองอู้ก็หมายความว่าไอ้รังสีนี่มันมาจับหน้าผมแล้วครับเนี่ยเออใช่แต่ว่ามาถึงสำนักคนอย่างอาจารย์อุสมานแล้วทางรอดอยังพอมีอยู่แล้วแล้วแล้วผมจะทำยังไงครับ บอกมาเดครับผมยอมทำทุกอย่างนะครับเออเดี๋ยวฉันจะโทรศัพท์ติดต่อกับส ป, ปร์เร่เทียนเขามีบ้านอยู่ข้างปา่าช้าท้ายซอยใกล้ๆแค่นี้แหละเขาจะเอารถกุดังมารับตัวในถมไปที่ปา่าช้าให้ลงไปนอนในลวงที่เคยบรรจุศพผีไตโหงโอ้ยจะไม่น่าวาเสียวขนาดนั้นแหละจนันทำใจให้กลา้กลาๆหน่อยสีในถม เพราะว่าโลงชนิดนี้ย ม, มาบาลท่านเคยมาเอาวิญญาณผีไตห่วงไปเมืองนรกมาครั้งหนึ่งแล้วไม่มีการแวะมาเป็นซ้ำสองเด็ดขาดในถมจะปลอดภัยอยู่ในโลงยันเชา้ายมมาบาลมาตามตัวครบสามครั้งแล้วยังไม่เจอตัวท่านก็จะไปเก็บวิญญาณที่อื่นก่อนละเว้นวิญญาณในถมไม่ชั่วคราวอาจจะห้าวันเจ็ดวันหรือเป็นเดือนๆถึงจะย้อนมาใหม่โอ รอดตายแค่แป๊บเดียวเองเลยครับใครบอกเวลาในมิติเมืองผีมันต่างกับเมืองมนุษย์สองเดือนของเราเท่ากับหนึ่งวันของเขาระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็เร่งทาบุญสุนทานหรือว่าออกบวชเติมเต็มบุญกุศลให้มากเข้าไวเหมือนกับต่ออายุเราเองด้วยแรงบุญเอาไว้รอดตายจากตอนนี้ก่อนแล้วค่อยไปกราบเรียนหาหรือกับหลวงพ่อสุมพาน ท่านเป็นพระดีพระขลังท่านสามารถจะชี้ทางออกบอกทางถูกเราได้นะตกลงครับผมจนตรอกขนาดนี้ทายังไงผมก็ยอมทุกอย่างแล้วครู่ต่อมารถกูดังบรรทุกโลงศพของทางวัดที่ขับขี่โดยสัปเหร่อเถียนก็แล่นมารับในถมไปยังกูดังเก็บศพข้างป่าช้าอันเป็นธรรมเนียมของวัดในจังหวัดชนบทไกลปืนเที่ยง ซึ่งยังไม่มีสุสานทันสมัยก็จะต้องมีโกดังเก็บศพไว้คู่กับป่าชะภายในโกดังมีโรงที่ใช้แล้วหลายใบเนื่องจากตอนเผาจะเผา เ, ผาเฉพาะศพเก็บโลงไว้บริจาแคแก่คนยากคนจนที่ไม่มีเงินซื้อโรงใส่ศพญาติพี่น้องเอาเข้ามาเข้ามาบรรยากาศมันน่ากลัวหน่อยนะเพราะเป็นที่เก็บโลงศพสารพัดผี อาจารย์อุสมานท่านบอกว่าโลงศพนสมศักดิ์เนี่ยน่าจะปลอดภัยดีเพราะว่าโยมมาบานเขามาเอาวิญญาณไปเมืองนรกแล้วเหลือแต่โลงอ่ะไม่มีอะไรสิงสู่อยู่หรอกเออแล้วย้ายโลงไปไว้ที่บ้านสัปเหร่อได้ไหมละ่ะเสียค่าศพเท่าไหร่เนี่ยก็ยอมสู้โอ้ถ้าผมอยู่บ้านคนเดียวก็พอไหวแต่นี่มีทั้งลูกทั้งเมียแม่ยายปอตายอี ต, อตังขยง เขาไม่คุ้นชินกระสอบแล้วก็ลงศพเหมือนกับผมซึ่งเป็นสัพเพรอครับเขาอาจจะตกใจจนผวาแปดตลบอยู่ในโรงที่นี่นะดีแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนตรงหน้ากูดังมีอะไรผิดหูปิดตาก็บอกได้นะครับเอาเอาไงก็เอาขอบใจมากที่อยู่เป็นเพื่อนนะสัพเพรอเอขอค่าป่วยการแค่พันบาทเองครับไม่มากไม่น้อยโอ้โห คืนเดียวเอาต้องพันอยู่เ ห, อ ร, เหรอสับปะเรออ๋อมันก็เหมือนจ้างพยาบาลมาเฝ้าคนไข้ห้องพิเศษไงล่ะครับพยาบาลเขายังเอาเยอะกว่านี้อีกนะนี่ผมยังต้องเอาก็อี้ผาใบมากางนอนตากยุงหน้ากาดังเก็บศพเผลอหลับได้ซะไรผีเฮี้ยนเฮี้ยนบางตอนน่กะเล่นทีเผลอตอนสับเรอหลับไม่มีสติท้องคาถาอะไรไม่ทันโดนบีบคอตายาง่ายๆครับอ้าว แล้วฉันเข้าไปนอนอยู่ในโรงศพไม่ตายตามไปด้วยเหรอโอ้ยไม่มีทางครับผมบอกแล้วไงว่าผมจะทางตาตื่นเป็นยามให้ทั้งคืนมีอะไรก็ช่วยทันสบายใจได้เข้าโรงไปเร็วๆนะฮะเดี๋ยวยมมาบานผ่านมาเห็นมันจะยุ่งลุงถมแกกัดกรามจนแก้มนูนเป็นสันรับหมอนจากสับปะเลอเอาลงไปหนุนนอนในโรงศพ ยอสับปะเลอก็ขมีขมันปิดฝาโงทันทีแต่งแง้มไว้นิดๆพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจากนั้นก็ออกไปนอกโกดังปล่อยให้ในายถมจมอยู่กับความมืดในโรงโดดเดี่ยวเพียงลำพังรสชาติของการเข้ามาอยู่ในโกดังเก็บศพซึ่งเต็มด้วยโรงวางซ้อนกันเป็นชั้นชั้นเป็นสิบแถวโดยมีโรงของลุงถมอยู่ข้างหน้าโรงทั้งหมด การวางลงชนิดนี้มันน่าเสียวสยองแล้วไอ้การลงไปนอนอยู่ในโรงยิ่งน่าเสียวยิ่งกวา่าใจแกเต้นตุมตามแทบจะ ก, กระดอนออกมาข้างนอกอกลืมตาพลงอยู่ในความมืดความรักตัวกลัวย ม, มาบาลจะเอาไปเมืองนรกแท้ๆก็ทำให้แกใจกล้าบ้าบินถึงขนาดนี้เหงื่อการแห่งความหวาดกลัวนี่ไหลอาบร่างตลอดเวลาจนหลังเสื้อนี่เปียกไปหมด ใครที่คิดว่าแกขี้ขาดแล้วปอดลอยไม่เข้าเรื่องลองแวะไปนั่งเล่นในป่าช้าต่างจังหวัดสักคืนอย่างป่าช้าชานเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีสภาพรกชัดเหมือนป่าช้ารุ่นเก่าดั้งเดิมนี่ท่านั่งอยู่ได้สักสองชั่วโมงตามลำพังก็ถือว่ายอดคนแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าการอยู่คนเดียวในถิ่นของผีอย่างก็ดังเก็บศพนี่จะเกิดจินตนาการถึงสิ่งที่น่ากลัวไปสารพัด หนังผีที่เคยนั่งดูนั่งกลัวมาตั้งแต่ตอนยังเด็กมันจะผุดขึ้นในมโนภาพทีละเรื่องสองเรื่องอ่าเห็นแล้วอยากจะเผ่นออกจากโรงได้แต่เผอิญความกลัวโดนย ม, มาบาลเอาตัวไปมีมากกว่ากลัวผีแกก็เลยกล้ามกลืนผืนนอนใจเต้นโครมโครมจนกระทั่งแหววเสียงสับเบอร์กนครอกครอกทำลายความเงียบอ้าวเฝ้ายามปภาษาไรกันไว้สับเบอร์แล้วกันสิ ดันหลับปุ๋ยกลนครอกครอ ก, ครอกไปแล้วลุงถมแกกลด่าในใจเพราะว่ากองหนุนที่ช่วยให้อุ่นใจนี่ไปสบายซะแล้วส่วนแกยิ่งปิดเปลือกตาลงจินตนาการมันก็ยิ่งน่ากลัวต้องฝืนทางตาจ้องมองความมืดในโรงศพพร้อมกับความอกสันฝันแขวนที่ครอบงำแกอยู่ตลอดเวลาและแล้ว เสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เริ่มดังขึ้นภายในกูดังอันมหือมาฟังดูคล้ายๆมีใครช่วยกันฉุดลากลงให้เคลื่อนครูดครูดมาตามพื้นดินค่อยๆยขยับเข้ามาใกล้ลงที่แกนนอนอยู่ทีละนิดทีละนิดอ่าที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ใช่ดังขึ้นเพียงแห่งเดียวเพราะมีลงศพวางซ้อนกันอยู่หลายแถวแต่ละแถวก็เริ่มเคลื่อนย้ายลง แกนอนตัวแข็งเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งปรากฏว่ามีการเคลื่อนลงถึงสามสี่ใบแล้วไอ้ที่ร้ายจนแกนึกโมโหขึ้นมาก็คือพวกที่ออกแรงช่วยกันฉุดลากลงยังทำเป็นกระซิบกระซาบทำนองว่าอย่าอกระทึกไปเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้ที่อยู่ในลงใบนั้นมันจะรู้แกวไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าปฏิบัติการต้อนรับน้องใหม่นี่เปิดฉากขึ้นแล้ว ผีเฮี้ยนระดับจ่าฝูงก็เริ่มเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักค่อยๆหลอกค่อยๆหลอนอขยาวขวัญในสันสรณฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนเป็นๆที่จำใจลงไปนอนอยู่ในโลงในเหงื่อแตกยังกระสายฝนประสาทความรู้สึกทุกเส้นขมึงเกลียวเนื้อตัวเกรงแล้วเกรงอีกจนบิดๆจะโดนตะคริวกินแกก็เริ่มกระซิบกับตัวเองว่า สงสัยผีที่นี่มันจะน่ากลัวยิ่งกว่ายมพบาลอีกสิ่งเดียวที่ลุงถมยังเชื่อว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเกิดจากการกระทาของมนุษย์เนี่ช่วยให้แกยังคุมสติอยู่ได้แล้วก็ส่งเสียงแอมไอพอทวทวมให้คนข้างนอกโลงรู้ว่ามีคนนอนอยู่ในโรงใบนี้แต่ปรากฏว่าฝาโรงของแกนี่นมันเริ่มขยับใครคนนึงกำลังเปิดฝาโรงใบนี้ แกยังไม่ทันเห็นว่าผีนะมีรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวขนาดไหนจะหลอกหลอนได้ขยาวขวัญสั่นประสาทแค่ไหนไอ้การค่อยๆดึงฝาออกจากโลงทีละนิดก็ทำร้ายหัวใจลุงถมจนย่อยยับแกแหกปากร้องเอะอะได้คำเดียวก็มีอาการลมใสเพราะตกใจจนทะลักจุดแตกเรอออกมาดังเอืกใหญ่ก่อนจะสิ้นสติไปในเดียวนั้นเป็นอันว่าพ้นทุกข์พ้นร้อนไปที ต่อให้ผีเฮี้ยนขนาดไหนทาไม่รู้ไม่เห็นสย่างก็ทําทอะไรเก็บไม่ได้เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นสั ป, ปเหร่เป็นคนมาเปิดผ้าหลงให้ลุงถมออกจากโกดังเก็บศพมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ข้างประช้านอกกดังโดยที่ไม่พบเห็นลุงใบไหนเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างที่ได้ยินแต่ว่าต้องจ่ายค่าเสี่ยงให้สั ป, ปเหร่ไปพันหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับหมู่บ้านอย่างโล่งอกโล่งใจที่รอดพ้นเงื้อมือย ม, มบบาล ลุงถมก็รีบกลับไปไต่ถามคนในบ้านของแกเกี่ยวกับบุรุษลึกลับผู้น่ากลัวตามที่รู้จากในเนยวทางมือถือสิ่งที่อยากรู้มีเพียงเมื่อเย็นวันก่อนพวกน่ากลัวนะมันมากันอีกหรือเปล่าลูกหลานในบ้านก็บอกว่ามาคือพวกเขาเนี่ยได้ข่าวว่าสวนยางของแกขาดคนงานกรีดยางก็เลยดันด้นมาสมัครมาหลายหนแล้ว ลูกหลานก็เลยให้ไปพักค้างแรมที่เรือนพักคนงานพอรู้เท่านั้นลุงถมก็โมโหจัดจนกวนออกหูหนอยแน่มนุษย์ตัวเป็นๆมาของงาน ท, ทําแต่แท้ไอเนี้ยตัวดีดันสงสัยว่าเป็นโยมาบาลโทรส่งข่าวจนแกกลัวแล้วก็ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์อุสมานให้เป็นนอนในโลงผีถูกผีหลอกจนตกใจจับไข้หัวโขนเออนี่แกกันในเนีย้ย คงจะต้องเห็นดีกันเป็นแน่นับแต่นั้นลุงถมกับในเนี้วก็เป็นไม้เบื่อไ ม, ไม้เมาไม่กินเส้นกันครับเรื่องสยองของลุงถมก็มีเพียงแค่นี้ล่ะครับในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนโรงแรมหรูระดับห้าดาวไทยเราจะเรียกกันว่าโฮเตล แขกที่เข้าพักในโฮเทลส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติเจ้าของกิจการก็เลยต้องจ้างเชฟฝีมือดีเป็นคนปรุงอาหารเชฟก็ต้องมีลูกมือที่ขยันละเอียดรอบรู้เรื่องเครื่องปรุงเป็นผู้ช่วยเฮียชิกหรือว่าชื่อไทยคือนายเจดเนี่ยซึ่งต่อมาเฮียชิกก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพิชิตเป็นลูกจีนเกิดในเมืองไทย รอนวัยกันทำงานเป็นลูกมือเชฟโพเตนอยู่สี่ห้าปีก็จับทางได้ว่าเชฟเนี่ยปรุงอาหารด้วยสูตรอย่างไรแล้วก็นิสัยคนจีนชอบค้าขายเองก็เลยลาออกมาเปิดร้านอาหารไม่ไกลาจากท้องสนามหลวงมากนะักปีนั้นอาคารพานิชคือตึกแถวเนี่ยยังไม่แพงเหมือนปัจจุบันเฮียชิกก็เก็บเงินสมัยเป็นลูกมือเชฟซื้อตึกแถวริมถนนได้คูหาหนึ่ง เปิดบริการคอเล่าโดยเฉพาะเนื่องจากนักดื่มนี้ไม่กลัวราคาแพงถ้าหากว่ากับแกล้มรถเด็ดถูกปากจานหนึ่งสามสี่สิบาทก็กล้าสู้ปีนั้นทองคำเนี่ซื้อขายกันบาทละสี่ร้อยเหล้าฝรั่งตราขาวนี่ขวดละเจ็ดสิบบาทแม่ขงยอดุราของไทยขวดละสิบเอ็ดบาทถือกันว่ากับแกล้มแพงหูฉีท่ทีเดียว แต่ว่าการันตีด้วยตำแหน่งผู้ช่วยเชฟโคเตนรูพอเล่ากระเป๋าหนักก็เลยแห่มาอุดหนุนกันแน่นร้านทุกวันในเดิมนี่เป็นเด็กหน่มจากที่ราบสูงคือลูกมือประจำครัวของร้านที่แรกในเดิมนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับนายตีลูกชายของเฮียชิกนายตีก็เลยพาไปดูหลังร้าน ก็เกิดสนใจการปรุงอาหารประกอบกับมีแววเอาดีได้ทางเป็นลูกมือทดลองฝึกงานสองเดือนก็ไปได้สวยก็เลยได้งานทำมีเงินเดือนใช้ตั้งแต่เรียนจบมัธยมตอนนี้เองในเดิมเนี่ยได้รู้ว่าวัตถุดิบที่เอามาทำกับแกล้มอยู่บนดาดฟ้าตึกแถวนี่เองเท่าแก่เอาเข้าเปลือกโปรยไว้เกลือนดาดฟ้าแล้วก็ มีตกข่ายซึ่งติดกลไกลจากในตัวอาคารกดเพิบเดียวติดนกพิราบเป็นฝูงนั่นก็คือกับแกล้มจานเด็ดหงฟ้าอบซอสเหล้าแดงของโปรดที่คอเล่าชื่นชอบทำไรายได้เข้าร้านอย่างเดียววันหนึ่งเป็นพันๆบาทครั้งกระโนนนกพิราบท้องสนามหลวงและเสาชิงช้าหน้าวสุทัศนมีจำนวนมืดฟ้ามวดินแต่ไม่มีใครนิยมกิน เนื่องจากเห็นว่ามีเชื้อโรคเยอะตายเพราะไข้ทรพิษสายพันธุ์ที่ระบาดกับนกเนี่ยมีให้เห็นอยู่เป็นประจำแต่ว่าเฮชิกสามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีที่ฝึกมาจากเตี่ยซึ่งเรียนรู้จากต้นสำรับสมัยอยู่เมืองจีนใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนกท่องฝูงที่ดักได้บนดาดฟ้าก็ตายอย่างเงียบเชียบเป็นภาระให้ลูกมืออย่างในเดิมก็นำไปลวกน้ำร้อนถอนขนให้เรียบร้อย ในเดิมได้เห็นการฆ่าแกงกันต่ำตาก็าเกิดสลดสังเวชใจจนบอกไม่ถูกซ้ำยังต้องช่วยเท่าแก่เอานกไปปรุงเป็นกับแกลมวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยตัวในเดิมมาจากครอบครัวที่อยู่ในศีลในธรรมตื่นเช้าตักบาตรทาบุญพอวันพระวันโกนก็เข้าวัดถืออุโบสถศีลไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตอนนั้นร้านอื่นละแวกเดียวกันในส่วนใหญ่จะซื้อของสดจากตลาดบางลําพูมาปรุงเป็นอาหารผิดกับร้านของเฉียชิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ว่าเป็ดไก่หรือว่าสัตว์ชนิดไหนแกจะต้องซื้อมาตัวเป็นเป็นแล้วลงมือชือดเองแล้วก็ยังบอกกันในเดิมบอกหรือยังไม่รู้อะไรของสดมันต้องสดใหม่ชือดกันวันนั้นเลยเนื้อถึงจะอร่อยชวนกิน ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ําถ้าเชื่อทั้งเป็นเนี่ยเนื้อมันจะหวานอร่อยที่เมืองจีนในร้านใหญ่ๆเขาเอาสัตว์มาให้ลูกค้าดูก่อนว่ายังเป็นเป็นอยู่นะลูกค้าถึงจะติดใจามาอุดหนุนบ่อยๆอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับรู้ไวซะด้วยเดชบุญที่ว่าเป็นตายรายดียังไงในเดิมก็ขอทําหน้าที่ชําำระอย่างเดียวเฮียชิกก็เลยต้องเป็นธุระค่าสัตว์เองทุกตัวซึ่งแกก็ค่าอย่างชํานาญ ประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จในเดิมก็ต้องรับภาระต่อยันบ่ายกว่าจะมีโอกาสพักกินข้าวมื้อกลางวันแล้วก็อยู่ช่วยงานในครัวจนถึงห้าทุ่มครึ่งถึงได้ปิดร้านเป็นลูกย่างอยู่สี่ห้าปีพออายุครบเกณฑ์ทหารก็ไปรับหมายเกณฑ์ก็อธิษฐานในใจว่าถ้าจับได้ใบดำไม่ต้องรับใช้ชาตินี่จะกลับบ้านเกิดไปบวชทดแทนค่าน้านมแม่ ปรากฏว่าจับได้ใบดำจริงๆก็เลยทำตามที่ตั้งใจเอาไว้พออุปสมบทแล้วก็ได้ไปจำมันสายอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีบวชครบหนึ่งพรรษามีพระที่วัดจะออกจาริกทุดง n g สามสี่รูปภิกษุเดิมก็คิดว่าอยู่วัดป่าทั้งทีไม่ออกทุ d o n เลยก็ดูจะอะไรอยู่ก็เลยขอโอกาสติดตามท่านเหล่านั้นไปด้วยระหว่างที่รอนแรมกลางป่าใหญ่ไผ่กว้าง บำเพ็ญเพียรอยู่หลายรรษามีทีท่าจะเอาดีทางเจริญธรรมกรรมฐานได้แล้วอเผอิญตอนไปบินทบาต ท, ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งไปเจอผู้หญิงที่เคยร่วมบุญกันมาจากชาติปางก่อนศบตากันแวบเดียวก็เกิดความรักขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายสหธรรมมิกที่ร่วมทุดงไปด้วยกันก็หาอุบายทำมาช่วยแก้ไขยังไงก็ไม่สาเร็จต้องย้อนไปลาศึกที่วัดต้นสังกัดแล้วกลับมาอยู่กินกับผู้หญิงคนนั้น หวนคืนสู่ความเป็นคารวาตามเดิมธรรมเนียมของชาวที่ราบสูงนี่ใครก็ตามที่บวชหลายพรรษาพอศึกออกมาจะมีคำนำหน้าชื่อว่าทิศในเดิมก็เลยเป็นทิศเดิมไปตั้งแต่ปีนั้นทิศเดิมในครั้งคาใจเรื่องขออนุญาตเท่าแก่บวชพรรษาเดียวแต่หายเงียบไปถึงหลายปีผิดศัจจะที่ลั่นปากเอาไว้ ก็เลยขออนุญาตลูกเมียไปหาเท่าแก่ชิกที่กรุงเทพเพื่อจะชี้แจงให้ทราบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มาช้าไปไม่กี่เดือนเพื่อนที่ชื่อไหนตีเล่าให้ฟังคร่าวๆว่านับตั้งแต่ทิศเดิมหายเงียบไปเออเตี่ยวอ่วก็ได้ลูกมือคนใหม่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเหมือนลืดหรอกไอเรื่องปรุงอาหารเนี่ยมันอยู่ที่น้ำหนักมือเป็นสำคัญอาหารจานเล็กต้องหยิบเครื่องปรุงเท่านี้ จานใหญ่ก็ต้องเพิ่มไม่พอดีกันต้องลูกมือเก่งๆอย่างเนี้ยอย่างเลือกถึงจะไปได้สวยงานในครัวก็เลยตกหนักที่เตีย๋ยเป็นส่วนใหญ่จนสุขภาพทรุดโทรมอย่างหนักเพราะว่าอุตสาหขยายกิจการเป็นสองขูหาจะให้คนไปตามตัวลื้อก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนเตี๋ยก็เลยล้มป่วยตายไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองอ่ะเหรอขอโทษทีแต่เพื่อนผงเอ่าค่าเผอิญเอเอไม่ต้องออกตัวหรอก หรือบดเป็นพระวัดป่าออกทุดงอยู่ป่ามาหลายปีก็ดีแล้วหรือเพิ่งศึกมาได้มาถึงสองปีคงมีวิชาอะไรดีๆอยู่มั้งคืนนี้นอนค้างที่ร้านอ้วนหน่อยตั้งแต่เตี่ยตายนี่ร้านปิดมาร่วมสองเดือนแล้วอ้แล้วไม่มีพ่อครัวช่วยทำอาหารขายหรือไงอะ่ะก็ยังมีอยู่แต่ว่าเตี่ยเขาไม่ชอบวิมือหาว่าทำอาหารไล่แขก ตกดึกมานาะวิญญาณเตี่ยมาเอะอทุกคืนเลยจนพ่อครัวลาออกไปสองสามคนแล้วฮะนี่แปลว่าเท่าแก่กลายเป็นผีเฮี้ยนหรือไอตีพูดล้อเล่นนะป่าวะเนี่ยใครจะเอาเตี่ยมาพูดเล่นวะตอนที่มาหาพ่อครัวนี่เขาว่าหน่ากเกลียดหน้ากลัวมากแต่ตอนมาหาลูกๆนี่เตี่ยเข้าฝันแค่นั้นอนะ่ะเข้าฝันให้เห็นไม่รู้เป็นผีแบบไหนผอมสูงอย่างอาสาวโทรเล่ ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าที่ใส่ในขาดรุ่งริ่งยิ่งกว่าภคิริว้วแล้วบอกบอกว่าหิวห่วยใจจะขาดนะอ้วก็ทําบุญตักบาทอุทิศไปให้ทําไปให้แล้วเตี๋ยก็มาบอกว่าไม่ได้รับตอนมาให้เห็นตัวเป็นๆนี่พ่อครัวลาออกไปสองสามรุ่นจนไม่มีใครกล้ามารับจ้างที่ร้านส่วนลูกหลานเนี่ยอว้วโดนหนักกว่าเพื่อนเลยมาให้เห็นในฝันเกือบทุกคืนจะประสาทกินอยู่แล้ว ทิศเดิมนศึกษาหลักธรรมคำสอนมาพอสมควรรู้ทันทีว่าเท่าแก่ชิกตายไปเป็นเปรตแล้วเพราะว่าถึงแก่กรรมก่อนสิ้นอายุทั้งหมดอายุเมื่อไหร่บาปเวรที่แก่สร้างไว้จะส่งวิญญาณลงนรกอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากสั่งลูกมือคือเขาเนี่ยให้ช่วยดักนกจับสัตว์ต่างๆมาให้แกเชื่อดแบบตั้งใจที่จะเชื่อเองคือถึงพร้อมในการสร้างบาปด้วยกายวาจาใจแล้วก็ฆ่าไปแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนตัว ต่อให้เทวดาลงมาจากสวรรค์ก็ช่วยพ้นกดแห่งกรรมขั้นตกนรกไปไม่ได้ลํำพังทาบุญตักบาตรกับพระบ้านพระเมืองฝ่ายขามมาวาสีซึ่งไม่เคยปฏิบัติจิตเจริญกรรมฐานจะเป็นสะพานส่งแรงบุญไปให้ใครในเมืองผีได้เนื่องจากน้อยนักที่ศีลจะบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านส่วนทิศเดิมเนี่ย ถึงจะสึกออกมามีครอบครัวจะศีลห้าข้อในยังรักษาอย่างเคร่งครัดไม่เคยด่างพร้อยปกติก็ตักบาตร ท, ทาบุญสุนทานนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาเหมือนกับตอนเป็นพระป่าทุดดงพอที่จะเป็นสะพานบุญให้กับเปรตเท่าแก่ได้แน่นอนอืมเอาอย่างนั้นก็เป็นอันว่าตกลงนะเดี๋ยวข้าจะอยู่ช่วยเท่าแก่สักพักนึงก่อนเองสบายใจได้นะไอตี อ, อขอบใจ ค่าใช้จ่ายไปกลับนี่แล้วก็การกินการอยู่ที่นี่เองแม่ต้องห่วงอ่ะค่ารับเป็นธุระให้หมดห่างกันไปหลายปีกิจการร้านเหล้านี่เจริญกว่าเดิมมากมีตึกแถวสองคูหาเปิดบริการทั้งชั้นบนชั้นล่างส่วนนายตีกับครอบครัวะญาติพี่น้องนี่เขาปลูกบ้านอยู่เองต่างหากเพียงแต่ระยะนี้ปิดกิจการชั่วคราวเพราะว่าไม่มีพ่อครัวประจําร้าน ก็เลยให้เพื่อนก่าวคือทิศเดิมนอนค้างที่ห้องพ่อครัวชั้นบนของตึกแถวของสดของแห้งมีพร้อมในตู้เย็นจะทำกินเองก็ได้หรือว่ากินข้าที่อื่นก็ได้ในตีก็ยัดเงินใส่มือให้หลายร้อยเป็นค่าใช้ใจ่ายคืนแรกที่ร้านเหล้าทิศเดิมนอนแต่หัวค่ำเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลหลายปีที่ผ่านมาในกรุงเทพชั้นในในเจริญขึ้นมาก เลิกกลางมุ้งนอนแล้วเปลี่ยนเป็นทำมุ้งลวดเหล็กดัดติด ก, กับหน้าต่างกันยุงทิศเดิมเปิดหน้าต่างรับอากาศภายนอกแทนการเปิดพัดลมให้เปลืองไฟแสงจันรสว่างเข้ามาในห้องพอมองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับจุดเกียงน้ำมันก๊าซตอนอยู่ชนบทกระทั่งเคลิ้มหลับไปตามประษาคนนอนง่ายไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามทิศเดิมก็รู้สึกตัวลืมตาตื่นเมื่อผิดสังเกตกับแสงจันที่หน้าต่าง ซึ่งเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างติดติดดับดับยังไงพิโกนอยู่อันเป็นสัญชาตญาณความเคยชินสมัยเป็นพระธุดงอยู่กลางป่านี่จะนอนหลับเป็นตายเหมือนกับคนทั่วทั่วไปไม่ได้สติสัมปชัญญะจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งยามหลับยามตื่นเพอเหลือบมองความผิดปกติที่หน้าต่างสิ่งที่เห็นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ทําเอาทิศเดิมเสียวูบตั้งแต่หัวจะรดเท้า เหมือนกับถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากภาพที่เห็นเต็มตานะเป็นหน้าผีเปรตซึ่งใหญ่ยังกับฟ้าองค์ลอยอยู่นอกหน้าต่างแต่มหึมาจนบทบังแสงจันร์ได้สนิทมันกำลังอยู่ในอิรยาบทก้มลงมองคนในห้องสลับกับยืนขึ้นไอตอนยืนในแสงจันส่องผ่านร่างที่มีแต่โครงกระดูกสูงโย่งแย่งเหมือนเสาโทรเลขแสดงว่าเป็นผีเปรตเท่าแกชิกอย่างไม่ต้องสงสยัย เดชบุญคุณพระช่วยที่ทิศเดิมเคยเห็นความลี้ลับน่าสะพึงกลัวในป่ามาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งการปฏิบัติจิตทำสมาธิก็เลยมีอาการเพียงขนลุกเรียวที่อยู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาเจอผีเปรตโดยไม่นึกไม่ฝันขณะสิ่งลี้ลับกลางป่านี้ยังโผล่มาให้เห็นเป็นเงาตะคุ่มเท่านั้นอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทิศเดิมเจอของจริงมีผีเปรตมาสดงร่างให้เห็นจริงๆ ก็พยายามสงบจิตสงบใจร้องบอกไปรู้รู้แล้วรู้แล้วเท่าแกกำลังเดือดร้อนหิวโหวอย่างหนักใช่ไหมอย่าเพิ่งมาสําดงร่างกอกวนเลยพรุ่งนี้ฉันจะให้ตีมันจัดเครื่องสังฆทานไปถวายพระอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลไปให้นะ ท่านใดนั้นเองเสียงเปรตเท่าแก่ชิกกกรีร้องหวยหวนเสียดลึกถึงขั้วหัวใจแม้ว่าจะเป็นการกรีร้องด้วยความปิติยินดีก็ตามจากนั้นเสียงร้องอันหวยหวนเศร้าสลดนั้นก็ดังไปยังทิศที่มีป่าช้าของวัดแห่งหนึ่งอันเป็นที่สิงสู่ของเปรตเท่าแก่ส่วนทิศเดิมนอนหันหลังให้หนาต่างจนเคลืหลับไปตามเดิม เช้าวันรุ่งขึ้นรอจนนายตีขับรถเก่งแวะมาที่ร้านทิดเดิมก็เล่าเรื่องผีเปรตให้ฟังโออเลือกเก่งนี่ว่าพวกพ่อครัวตั้งหลายรายเจอแบบเลือดเพนออกจากร้านแทบไม่ทันโอยเป็นใครก็อยู่ไม่ไหวไหรายตีเตี่ยเองน่ากลัวยังไงดีขนาดข้าเคยเป็นระ้ารุดงเห็นแวบแรกยังใจหล่นไปอยู่แถวตาตงเลยเออมาเฮรีบไปหาซื้อเครื่องสังฆทานกันเร็วครับใกล้เพนแล้ว รอพระตามวัดท่านฉันเพนเสร็จกำลังจะสวดมนต์พร้อมๆกันหลายรูปถ้าถวายสังฆทานตอนนั้นน่าจะได้บุญแรงเออเ อ, อดีงั้นก็ไปกันเลยรถอ้วดจอดไว้หน้าร้านเนี่ยทำทุกอย่างตามที่ให้สัจจะกับผีเปรตแล้วคืนนั้นทิศเดิมก็ค้างแรมอยู่ที่ห้องชั้นบนตึกแถวเหมือนเคยนั่งทำสมาธิแผ่เมตตาและส่วนกุศลผลบุญไปให้เท่าแก่ชิกตามสัญญาที่ให้ไว พอถอนจิตจากสมาธิลืมตาขึ้นอยู่ในสภาวะจิตปกติอีกคำรบหนึ่งมองไปที่ข้างเตียงใกล้ๆกันหน้าต่างก็เห็นคล้ายๆมีอะไรขยับอยู่ไหวๆเหมือนกับคนโบกมือส่งสิกอะไรสักอย่างเข้าใจว่าเป็นเงาตะคุ่มของเท่าแก่ส่งสัญญาณให้รู้ว่าได้รับส่วนกุศลแล้วก็โล่งใจหายกังวลล้มตัวลงนอนจนเคลิมหลับไปตอนกลางดึกเสร็จแล้วก็ฝันว่าเท่าแก กำลังแหกมุ้งลวดเหล็กดัดจะเข้ามาในห้องให้ได้ท่าทางน่ากลัวมากจนทิศเดิมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งทบทวนความผวอนยังไม่ทันดีความคิดจะแล่นไตรตรองอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็เห็นสิ่งที่ทำเอาตกใจจนเหงื่อแตกทั้งที่อากาศกำลังเย็นสบายเมื่อพบร่างเท่าแกชิกยืนจังก้าอยู่ข้างเตียงเพียงแต่เปลี่ยนจากสภาพเปรตเป็นปีศาจหน้าตาหน้ากลัว อาลุกแดงยังกระแสงไฟอันเป็นครั้งแรกที่ประจันหน้ากับผีในระยะใกล้ห่างกันไม่ถึงสองเมตรและก็ไม่ใช่ความวันเนื่องจากเขาลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงอย่างมีสติครบถ้วนแล้วก็แข็งใจเอ่ยถามผีเท่าแก่มาทำไมอีกอะเท่าแก่ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วนี่นะผีเท่าแก่ชิกนิ่งเงียบอยู่คู่หนึ่งอ้วพึงได้รับ พ้นจากความเป็นเปรตแล้วค่อยยังชั่วหายหิวหน่อยแต่บาปกรรมยังเหลืออีกมากบอกอติลูกกว้วนให้ขยันทำบุญส่งให้หน่อยลือก็อย่าเพิ่งรีบกะมีแต่ลือเท่านั้นที่ส่งบุญมาถึงอ้วได้ขอบใจนะที่อุตส่าห์แวะมาช่วยอ้วกล่าวขาดคำผีเท่าแก่ก็หายวับไปกับตาเหมือนทุกอย่างที่เห็นเป็นการนึกเอาเอง แต่ว่าเสียงหมาสัญจรตามข้างถนนที่พากันโกงคอหอนอย่างหวยหวนรับกันเป็นทอดทอดไปจนกระทั่งถึงป่าช้าของวัดในย่านนั้นทำให้รู้ว่ามีผีมาสำแดงร่างจริงๆแน่นอนหากไม่เคยนั่งกรรมฐานสมัยเป็นพระธุดงค์หลายปีปานนี้ตกใจไปแล้วขนาดว่าคุมสติได้อยู่ยังนั่งใจเต้นตมูตมเตมือแตกเต็มหน้า เพราะผีไม่ใช่ของสาธารณะที่ใครจะพบเห็นจนคุ้นชินตามันคือคนที่ตายไปแล้วแต่ยังมาปรากฏร่างให้เห็นได้อีกต้องคนที่บำเพ็ญตบะธรรมจนสำเร็จวิชาทางจิตชั้นสูงเท่านั้นจึงจะพ้นไปจากความกลัวผีได้เช้า ว, วันรุ่งขึ้นเมื่อไหนตีแวะมาพูดคุยด้วยทิศเดิมก็เล่าให้ฟังทุกอย่างตามความจริงไอ้หาเตียยังมาให้ลือเห็นอีกเหรอว่าแล้วกัน ไหนว่าคุยกันรู้เรื่องดีแล้วไงก็เท่าแก่เขามาดีเขามาแสดงร่างให้ดูว่าเขายังทุกข์ทรมานอยู่ตอนนี้อืมข้าไม่ใช่เนื้อนาบุญเหมือนตอนบวชเป็นพระแล้วนะสึกออกมาทํากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพลังจิตก็ไม่แก่กล้าเท่าเดิมอะ่ะเองก็ขยันทําบุญให้แกหน่อยส่วนข้าก็จะช่วยแผ่ไปให้เท่าแก่เขาตอนเนี้ยแกเหมือนคนป่วยหนักเพิ่งออกจากห้องฉุกเฉินก็ต้องพักฟื้นอีกนานกว่าจะดีขึ้น นี่ขนาดถวายสังฆทานชุดใหญ่มีพระสงฆ์รับสังฆทานครบสี่รูปยังช่วยอะไรไม่ได้กะวะคือตอนมีชีวิตนะเท่าแก่เขาเคยเข้าวัดฟังธรรมสมหยไรละ่ะตั้งหน้าจะฆ่าสัตว์วันหนึ่งเป็นร้อยร้อ ย, อยตัวการอุทิศบุญที่ได้ผลนะ่ะฝ่ายรับก็ต้องรู้จักโมทนาใหม่คือทำจิตให้ยินดีรับส่วนกุศลด้วยสงสัยเท่าแกจะต้องแวะมาเยี่ยมใคอีกนะเดี๋ยวข้าจะช่วยอธิบายให้เข้าใจเอง เจอกันจังๆสองขนซ้อนนี่ชักใจถึงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเออเออเอาไงก็เอากันเตียข่าก็เหมือนเตียเองอนะนะข่าทุ่มช่วยเต็มที่เสียเท่าไหร่ก็สู้หลายคืนต่อมาสภาพหน่ากลัวของผีเท่าแก่ชิกก็ดีขึ้นบ้างพอสมควรไม่ถึงกับดีขึ้นมากมายอะไรนักเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรบทบังตาทําให้ไม่ปิติยินดีในการทําจิตใจให้เกิดอนุโมทนาใหมา่ ในบุญกุศลเท่าที่ควรเหมือนกับใครเอาของดีๆมาให้ก็รับไว้อย่างเสียไม่ได้แต่ยังอิ่มหนำขึ้นมาบ้างไม่อดโซอย่างตอนเป็นผีเปรตแล้วก็ยุติการมาสำแดงร่างรบกวนทิศเดิมไปรอรับส่วนบุญอยู่ในปราชาไปตามมีตามเกิดฝ่ายสองเกลือทีนี้ก็หมดกังวลเรื่องผีเท่าแก่ชิกแล้วในตี๋ก็ออกปากขอร้องเพื่อนอย่างจริงใจเฮ้ hey. เลือกลับมาเป็นพ่อครัวที่ร้านทีได้ไหมอาจจะให้ไหว้ก็ยอมละวิชาความรู้ของเตี่ยนะ่ะมีตะลึ้ได้ไว้คนเดียวลูกๆทุกคนมนมันบัวจะใช้เงินเงินสบายไม่เคยทํางานในครัวเลยอะ่ะหรือพาลูกเมีย อ, อพยพมาอยู่กรุงเทพดีกว่าว่าจะลงทุนซื้อบ้านให้อยู่ใกล้โรงเรียนหรือขึ้นรถเมลทอดเดียวก็ถึงร้านเงินเดือนว่าให้เต็มที่เลยว่าไงพอจะช่วยกันไหวไหมอืมก็ดีเหมือนกันถ้ามีลูกแค่คนเดียว อีกคนยังอยู่ในท้องเมียถ้าได้ดูแลใกล้ชิดก็สบายใจด้วยกันทุกวัยเออตกลงเพื่อนเป็นอันว่าทิศเดิมก็ลาเท่าแก่ไปบวชหลายพรรษาแล้วสึกออกมาอยู่กินกับเมียอีกสองสามปีแต่แล้วบุญกรรมที่ทําร่วมกันมาแต่ชาติติดปางก่อนก็บรรดาลดนให้ต้องย้อนกลับมาทํางานที่ร้านแห่งเดิมเป็นคำรบสองในตําแหน่งใหญ่เป็นพ่อครัวตัวจริงมีลูกมือช่วยงานในครัวอีกสามชีวิต แต่งดการขายเล่ายาปลาปิ้งไม่ฆ่าสัตว์เองเพื่อให้เนื้อหวานถูกใจลูกค้าปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าฝีมือพ่อครัวระดับเชฟโฮเตลปรุงรสเองทำใส่ถาดวางโชว์ในตู้กระจกหน้าร้านมีลูกค้าติดใจรถมือก็แห่มาอุดหนุนกันแน่นร้านทุกวันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ต้องขายเครื่องดองของเมานานหลายสิบปี แล้วก็อยู่ยงคงทนจนถึงปัจจุบันนี้อันเป็นยุคที่รุ่นลูกของทิดเดิมรับหน้าเสือเป็นเชฟมือดีแทนพ่อสำหรับลุงเดิมปีนี้แก่แก่ชราอายุ70เสร็จแล้วสุขภาพยังแข็งแรงเหมือนคนวัย50แล้วก็ฝากบอกโดวยว่าการทำอาหารทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรสมือเป็นสำคัญถ้าไม่จำเป็นก็อย่าได้ฆ่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เพื่อจะเอาชีวิตละเลือดเนื้อของมัน มาเป็นความอริตอร่อยของเราลำพังซื้อจากตลาดสดที่เขามีไว้ขายก็พอแล้วอย่าคิดว่าการฆ่าสัตว์เล็กๆจะบาปน้อยเพราะถ้าฆ่าวันละหลายตัวแล้วก็ทำทุกวันแรงบาปจะรวมตัวกันเป็นกรรมหนักอย่างเรื่องเท่าแก่ชิกที่เล่าให้ฟังวันนี้ครับต่อให้พ้นจากความเป็นผีเปรตก็ต้องไปตกนรกนานจนลืมโลกทีเดียวละครับ น้ำเนี่ยมีคุณค่าแก่มนุษย์อย่างที่สุดนะท่านผู้ฟังสิ่งใดมีค่าก็มักจะมีคำว่าน้ำนำหน้าเสมออันทิเช่นน้ำใจก็คือความใจดีมีคุณธรรมน้ำคำก็คือวาจาอันไพเราะกล่าวแต่เรื่องดีมีประโยชน์แม้กระทั่งสิ่งที่มนุษย์ยุคปัจจุบันเทิดทูนเหนืออื่นใดก็คือเงินตราก็จะเรียกกันว่าน้าเงิน เพราะนำเงินเนี่ยมีอำนาจมากสามารถสลายได้ทุกสิ่งคนใจเด็ดนะเขาบอกว่าอย่างผ ม, มีเงินซื้อไม่ได้เพราะใช้เงินน้อยไปในการซื้อถ้าทุ่มเงินก้อนใหญ่จุใจนี่ในตาที่รีปลือนี่จะลุกพลงขึ้นมาทันทียอมถูกเงินซื้อไม่กล้าลังเลแม้แต่น้อยสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์น้ำประปาแล้วก็น้ำดื่มบรรจุ ข, ขวดนี่ก็จาเป็นมาก คนเราขาดน้ำเพียงสามวันก็จะถึงแก่ความตายขาดน้ำประ ป, ระปาชาระล้างร่างกายแค่อาทิตย์เดียวจะส่งกลิ่นน้องน้องซากศพกลายเป็นบุคคลสังคมรังเกียจไปทันทีการสร้างเขื่อนเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งก็จำเป็นมากเนื่องจากเมืองไทยยุคหลังๆป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับน้ำตามธรรมชาติถูกนักตัดไม้ทาลายป่าไปมาก ถ้าไม่มีเขื่อนช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้งเกษตรก ร, ะกรจะไม่มีน้ำช่วยในการเพาะปลูกชาวเมืองก็จะไม่มีน้ำไว้อาบแล้วก็เข้าเครื่องกรองน้ำทำน้ำดื่มบรรจุขวดออกขายแต่ไม่ว่าสิ่งใดในโลกก็ต้องยึดหลักทางสายกลางตามคำสอนในพระศาสนายามใดน้ำที่เป็นสิ่งมีค่าไหลมาเทมาแบบถล่มทลาย เหมือนเช่นปีพุทธศักราช2554ชาวบ้านค้อนประเทศย่อมมีอันเป็นไปประสบความเดือดร้อนอย่างหนักระหว่างเกิดมหาอุทกภัยเช่นเจ้าของสมยาใ ย, ยมะขามหญิงชาราโดนน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านอพยพตัวเองไปทำเพิงพักอยู่บนยอดต้นมะขามปกติเนี่ยมะขามนี่สูงจากพื้นดินหลายเมตร แต่ถึงช่วงน้ำเหนือไหลบ่าอย่างชนิดถลมทลายยอดมะขามเนี่ยอยู่เหนือผิวน้ำแค่เม็ดเดียวเดชบุญมีผู้สื่อข่าวจากทีวีนั่งเรือติดเครื่องยนต์ไปพบข้าวส่งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็น้ำดื่มให้แกกินกันไปจนเป็นที่มาของคำว่ายายมะขามอันโด่งดังในปี2554การหนีภยัยหนีน้ำท่วมไปอยู่บนที่สูงสูงก็ใช่จะปลอดภยัย สัตว์ต่างๆเช่นงูงเงี้ยวคี้วขอตะขาบแมงป่องมันก็หนีน้ำขึ้นยอดไม้เหมือนกันเวลาจะเอะกันบนนั้นก็ตัวใครตัวมันต้องโดดลงน้ำว่ายไปขึ้นต้นข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเจอดีอีกหรือเปล่าที่จังหวัดเดียวกันกับยายมะขามซึ่งหนีน้ำไปอยู่บนยอดไม้ครอบครัวลุงเพิ่มซึ่งมีสี่คนพ่อแม่ลูกปลูกบ้านอยู่อาศัยญ่านชาญอำเภอเมืองไปติดงักอยู่แต่ในบ้านกว่าสองเดือน เพราะว่าน้าท่วมชั้นล่างสูงสองเมตรอีกไม่ถึงศอกก็จะท่วมชั้นบนเดชบุญที่ระดับน้าหยุดอยู่ประมาณนั้นจะน้าขึ้นหรือน้าลงยังไงก็ลุกลามไม่ถึงพื้นกระดานชั้นบนพอทนอยู่ต่อไปได้แบบลาบากชนิดเลือดตาแทบกระเด็นอุ่นใจนิดเดียวตรงที่คนส่วนใหญ่ก็เจออีรอบเดียวกันก็เลยพอทำใจได้ลุงเพิ่มแกมีอาชีพเป็นชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน มีพื้นที่ทำกินของตัวเองเกือบยี่สิบไร่อยู่ติดทางหลวงชนบทบ้านใกล้เรือนเคียงก็เป็นเกษตรก ร, กรมีที่ดินทำกินเยอะพอตอนน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่นี่แกมองเห็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดในอยู่ไกลลิปเเลยอ่าเห็นคนนตัวเล็กยัง้ยงเม็ดถักวเขียวยังดีที่คนบ้านนอกชนบทมักจะมีเรือแจวเก็บไว้ใช้เวลาคนของทางการนาอาหารและน้าดื่มมาแจก พอแจวเรือไปรับของเข้าบ้านได้ทุกครั้งเรือของทางการเวลาไปเวลามานี่เป็นเวลาแน่นอนมีเครื่องขยายเสียงเป่าร้องให้รู้ล่วงหน้าได้ยินไกลไปเจ็ดกุ้งน้ําไม่หูหนวกสะอย่างเดียวยังไงก็เอาเรือออกไปรับของได้ทันตอนน้าเหนือเพิ่งจะไหลาบาลงมาระยะแรกๆ ก, ก, ก็มีคนร้องเรียนไปถึงทีวีบอกว่าทางระบายน้ําโดนมือดีปิดกัน้น โคศกนักอ่านข่าวชื่อดังลงทุนนั่งเรือไปตรวจดูที่ประตูน้าพนเทพซึ่งถูกคนมาปิดบานประตูไว้จริงๆโคศกชื่อดังก็ขอร้องให้เปิดระบายน้ำออกไปบ้างพอโคศกกลับไปแม่ทันรายมือดีก็ย่องมาปิดอีกปิดคราวนี้ประตูน้ำพนเทพถูกปิดตายถาวรตามคาสั่งใครก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าน้าไม่มีทางระบายน้ำพอไม่มีทางระบายมันก็เออทนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ลุงเพิ่มเอาปากกาแมจิกขีดเส้นไว้ที่เสาบ้านที่แรกก็เห็นระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแกก็ดีใจร้องตะโกนบอกลูกเมียเสียงลั่นบ้านเชียวเฮ้ยน้ำลดแล้วเว้ยตำว่าขีดปากกาเกือบห้านิ้วพวกเรารอดแล้วเว้ยแม่อีหนูรอดยังไงอะ่ะน้ำยังท่วมสูง น, นครึ่งน่องนะพ่อยหนูเอ้ยเรื่องนี้แค่ผงเดินลุยน้าไปรับอาหารของทางการได้ ย่างคนเอาเครื่องมาสูบน้ําโบกปูนปิดกัน้นประตูบ้านสูงสักสองสอกชั้นล่างก็ไม่โดนน้ําท่วมแล้วลงมาอยู่ได้สบายมากเออโล่งอกไปทีลูกสองคนของเราก็จะได้มีที่เดินเล่นมั่งเอาข้าววันรุ่งขึ้นประตูน้ําถูกปิดตายน้ําเหนือที่ไหลบ่าลงมาเป็นอุทกภยัยไม่มีทางระบายไปไหนประกอบกับพื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ําโดนน้าท่วมได้ง่าย เมื่อเจอขั้นมหาอุทกภัยและถูกมือดีปิดกั้นทางระบายเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งเมาหูรานก็อุบัติขึ้นระดับน้ำซึ่งลุงเพิ่มทำเครื่องหมายไว้สูงขึ้นทุกๆชั่วโมงพบค่าวันแรกที่ประตูระบายน้ำถูกปิดระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบคือบอย่างน่ากลัวของเดิมเคยท่วมอยู่ครึ่งน่องกลายมาเป็นท่วมเลยเขา่า ผ่านไปอีกสองวันท่วมสูงถึงเอวไอเรื่องจะหาอะไรมาสูบน้ำก็เป็นอันเลิกคุยได้สูบให้ตายก็ป่วยการเสียเวลาเปล่าจะหลบไปอยู่ที่อื่นก็เป็นห่วงทรัพย์สินซึ่งขนย้ายไปเก็บไว้ที่ชั้นบนเนื่องจากมิจฉาชีพที่เรียกกันว่าแก๊งแมวน้ำเริ่มออกอาลวาดแล้วก็มีแก๊งจกกระเปรดที่ว่านี้ทุกจังหวัดอันเป็นการซ้าเติมความทุกข์ยากให้แก่คนถูกน้าท่วมอย่างเหลือรับสี่พ่อแม่ลูกก็ คอยชะโงกหน้าต่างจับตาดูกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากอย่างหวาดเสียวเพราะมันมีแต่น้ำขึ้นไม่มีคำว่าน้ำลงให้เห็นเลยมองไปทางไหนก็เจอแต่น้ำกับน้ำเหมือนแผ่นดินกลายเป็นทะเลไปแล้วมันเวิงวางมองเห็นได้ไกลสุดสายตาถนนชนบทซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณสักสิบเมตรนิกลืนหายไปกับสายน้าซึ่งเป็นผืนเดียวกันหมดทะเลเป็นยังไงนาทีนี้สภาพ พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก็เป็นแบบนั้นบ้านทั้งหลังในกลายเป็นเรือน้อยลอยเท้งทงอยู่กลางทะเลไม่รู้ชะตากรรมมาวันไหนจะได้กลับเข้าฝั่งเืีอทีถึงวันที่สี่น้ำเหนือไหลบ่าอย่างหนักกอสวะและผักตบชวาโดนกระแสน้ำซัดสา ด, ดเข้าสู่ฝั่งลอยละลิว่วบนสิ่งที่เคยเป็นถนนเพลอไม่กี่อึดใจก็หายลับไปจากสายตา โดยมีชุดใหม่ลอยตามกระแสะน้ำมาแทนที่ลุงเพิ่มแกแจวเรือไปหาซื้อสิ่งของที่จำเป็นในตัวเมืองอันเป็นที่ดอนน้ำท่วมน้อยสามารถทำคันกั้นน้ำไม่ให้ท่วมถึงในร้านค้าได้ยกเว้นส่วนที่ติดแม่น้ำนยังลุ่มต่ำอยู่น้ำท่วมสูงมิดตึกแถวชั้นล่างต้องปิดทำการค้าจนกว่าน้ำจะลดลงสู่สภาพปกติ ขาไปแกก็แจวเรือทวนกระแสน้ำเชี่ยวกลากกินเวลาไปหลายชั่วโมงกว่าจะผ่านเส้นทางประมาณสักเจ็ดแปดกิโลเมตรไปได้ไปซื้อเหล้าบุรีและของใช้ในครัวที่จำเป็นเสร็จแกก็พายเรือตามน้ำกลับไม่ถึงชั่วโมงก็มองเห็นหลังคา บ, บ้านอยู่ลิบๆ บ, บรรยากาศตอนห้าโมงเย็นเหมือนยามโพล่เพลใกล่คำเพราะว่าขณะน้าท่วมใหญ่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว พระาทิตย์ตกดินเร็วกว่าปกติประมาณหนึ่งชั่วโมงนาทีนั้นแกยังมองเห็นทุกอย่างชัดเจนพอสมควรแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งกำลังลอยตุปป๊บปองอยู่ข้างลำเรือแวบแรกที่เหลือบไปเห็นแกก็นึกว่าโอ่งลอยน้ำลองเอาภายเขี่ยดูมีเสียงนองปุกเหมือนแกเขี่ยโดนหนังอุ้มน้ำจนพองอืดไม่ใช่ดังแก๊กแก๊กเหมือนไม้กระทบโอง่งที่หล่อได้ปูนซีเมนต์ครั้นเอาปายราน้ำ ให้สิ่งประหลาดลอยมาคู่ขนานกับลำเรือลุงเพิ่มก็าตาเหลือกเย็นว่าไปทั่วไขสลังเนื่องจากเจ้าสิ่งนั้นก็คือศพผู้หญิงกำลังขึ้นอืดบวมอลึงชึงจนลอยน้ำได้ศพ อ, อยู่ในสภาพนอนหงายพุงกระทิบวมชึงยังก ร, กระสอบข้าวสารโผล่พ้นน้ำตั้งหนึ่งศอกหน้าเกลียดหน้ากลัวซะไม่มีทีนี้กเรียกเอาพายยันร่างศพให้ลอยออกไปห่าง จากนั้นก็เร่งผีพายจำบึกจำบึกเหวหัวเรือไปทางขวาแกจ้ำเลี้ยวเข้าบ้านกลางทุ่งซึ่งบัดนี้เหมือนเรือลอยลำอยู่กลางทะเลความเร็วของเรือที่มีฝีพายตกใจอย่างหนักในพุ่งฉิวฉิวยังกระเราะหางยาวกินเวลาไม่กี่อึดใจก็เข้าเทียบอยู่ข้างขวาบ้านชั้นบนปินข้ามหน้าต่างเข้าบ้านไปเลยไม่ต้องพึ่งบันไดละเพราะว่าชั้นล่างน้ําท่วมมิดหัวไปนานแล้ว เดชบุญที่สติยังดีอยู่คว้าเชือกที่ลําเรือผูกติดจะกรอบหน้าต่างไม่ปล่อยให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำเจ้าลูกชายคนเล็กอายุสิบปักขวบกำลังเปรียวโจนข้ามหน้าต่างขนของในลําเรือส่งให้พี่สาวชื่อสม้มรับไปส่งให้หนางเมียนซึ่งเป็นแม่ปล่อยให้ลุงเพิ่มนั่งพักเหนื่อยตามลําพังแกฮุบปากเงียบเลยไม่กระโตกกระตากให้ลูกเมียรู้ว่าแกไปเจออะไรมา ข้างไฟเจ้าเชนลูกชายคนเล็กซึ่งอบพยพข้าวของจวนจะเสร็จอยู่แล้วอยู่ๆก็ร้องเอะอะยังก็แจ๊กตื่นไฟผ้ามีศพขึ้นอืดมาร้อยติดอยู่ข้างเรือนะนางเมียนผู้เป็นแม่ก็ถามกันว่าหาเอ็งว่าอะไรนะ่ะไอเชนศพพ่อแม่อุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยพิสมิจะโผล่น้าตางออกไปดูนะลุงเพิ่มก็เพิ่งหายตกใจหยกยก ก็เลยตกใจเป็นครั้งที่สองแข็งใจกระโจนไปยืนข้างๆลูกลองชะโงกไปนอกหน้าต่างเห็นศพผู้หญิงพุงใหญ่เบรอยังกะผีตายทั้งกลมติดอยู่ข้างเรือแจวจริงตามที่ลูกชายร้องบอกแกก็ต้องแสดงความกล้าหาญในลูกเมียอุ่นใจหายกลัวร้องบอกทุกคนบอกคงจะเป็นศพคนตกน้ำตายอะวัดก็ท่วมหนักช่วยอะไรไม่ได้เออเดี๋ยวพ่อจัดการเอง ลุงเพิ่มปีนหน้าต่างกระโจนลงเรือแก้เชือกที่มัดกรอบหน้าต่างออกทำบ่วงคล้องแขนศพแล้วแกวเรือให้ศพถอยหลังไปยังจุดที่เคยเป็นถนนอันเป็นทางน้ำกระแสน้ำจากแม่น้ำในตัวเมืองก็ไหลบ่ามาตามความยาวของถนนก่อนที่จะกระจายลงสู่ข้างทางท่วมเลือกสวนไรนาแก้จ้วงพายสู้กับความเชี่ยวของกระแสน้านำซากศพขึ้นอืดไปถึงจุดที่เคยเป็นถนนสาเร็จ เสร็จแล้วแกก็ปลดบวงเชือกปล่อยศพให้ลอยเลี้วเลี้วไปกับสายน้าเหนือไหลบ่าท่ามกลางสายตาลูกเมียที่คอยลุ้นคอยเป็นกําลังใจให้พ่อบ้านหลังจากเอาเรือเทียบหน้าต่างผูกโยงเข้าที่เขาทางลุงเพิ่มบวกระโจนเขาหน้าต่างเหมือนเดิมเอา้าพวกเราทุกคนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานให้เขาลอยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเยอะนะ บอกเขาว่าเราจะให้ศพมาอยู่ข้างบ้านคนเป็นไม่ได้เพราะเรากลัวผีเขาชอบคนพูดตรงๆจะได้ไม่แวะมาหาเราอีกโอ้โหยต้องบอกละเอียดขนาดนั้นเลยหรอพ่อก็เขาเป็นวิญญาณโลกวิญญาณไม่มีการพูดโกหกหรือว่า อ, อ้อมค้อมอะไรหรอกเขาชอบตรงไปตรงมาอยากพูดปดก็ทำไม่ได้วิญญาณดวงอื่นเขารู้หมดนะลุงเพิ่มแกเคยบวชเรียนมาสองรรษา ตอนไปนั่งทำสมาธิในปา่าช้าอาจารย์ที่วัดอบรมสั่งสอนอย่างไรยังจำได้ไม่รู้ลืมแต่ว่าไม่ได้เล่าให้ลูกเมียฟังเท่านั้นว่าเคยโดนผีในป่าช้ามันจัดหนักจนแกต้องเผ่นจีวรปลิวมาแล้วก็เลยไม่ก้าวหน้าในฝ่ายสมถกรรมฐานได้แต่ศึกษาทางปริยัตมีความรู้ทางธรรมพอทุมทว ม, ทวมการชักจูงศพให้พ้นไปจากทะเลน้าจืดหน้าบ้านทาให้ทุกคนลงอก มีกระจายหุงข้าวต้มแกงเป็นอาหารมื้อคำ่ำส่วนพ่อคือลุงเพิ่มก็ได้เล่าโรงติดมือมาครึ่งโหลเปิดซดอย่างอร่อยในอารมณ์จุดบุรีสูบพ่นควันปุ๋ยปุ๋ ย, ย, ย, ยตามประสาขียาแต่ไม่กล้าสูบรวดเดียวหมดมวลเอาแค่พอแก่ยากเหลือครึ่งมวลก็ใส่ตลับตลับยาอมเก็บไว้สูบมื้อต่อไปอีกลูกเมียก็ปล่อยพ่อบ้านหย่อนใจตามสบาย กินข้าวกินปลากันอิ่มหนำตอนครบคำแม่บ้านคือนางเมียนก็เก็บถ้วยจานชามลงมาไดาไปล้างน้ําในบ้านก่อนจะถึงชั้นล่างซึ่งระดับน้ําท่วมมิดหัวแล้วขณะล้างจานก็มีตะเกียงช่วยให้แสงสว่างอยู่ข้างตัวมองเห็นผืนน้ําที่ชั้นล่างชัดพอสมควรนางเมียนก็เลยเห็นอะไรอย่างหนึ่งเข้าเต็มตาแวบแรกนางเมียนก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเอง แต่พอขมิ้นมองจนชัดแจวหัวใจก็หล่นจอมไปอยู่ใต้น้ำแข้งขาอ่อนร้องอุทานออกมาแทบไม่เป็นภาษาทีเดียวตาเท็นช่วยปะปะปะผีผีลอยมาอีกแล้วแรงตกใจทำเอานังเมียนสะดุ้งจนตัวลอยขึ้นบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้ไปนั่งตัวสันผัพผับผับอยูิที่หัวมันได้ชีโบชีเบไปตรงจุดที่เห็นความสยองปากอ้าพะงาพะ ง, า พ, งาพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เจ้าเชนคนเก่งลงไปยืนเกาะราวบันไดชะโงกดูแลยกตะเกียงขึ้นสองสว่างอีกแรงหนึง่งพอเห็นเหมือนแม่เห็นมันก็สะดุ้งตัวลอยเหมือนนางเมียนแต่ก็ยังพอพูดได้ก็ร้องบอกพ่อกับพี่สาวศบเม็ดตอนเย็นมันลอยทวน้้ำก็มาอยู่ที่บ้านชั้นล่างอะพ่อหาอึดใจต่อมาสี่พ่อแม่ลูกก็ยืนเบียดเป็นกระจุกอยู่ในห้องนอน เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดว่าศพขึ้นอืดลอยทวนน้ำได้สแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาน่าจะเป็นผีตายท้องกลมสแสดงความเฮี้ยนเจตนาจะให้ช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าต้องการจะขย่าวขวัญขั้นจัดหนักหลอกให้จับไข้หัวโกรนก็ยังไม่รู้ลํำพังการมีศพลอยมาอยู่ในบ้านชั้นล่างก็ทำร้ายจิตใจสี่พ่อแม่ลูกจนบอกไม่ถูกแล้ว เดชบุญว่าตอนนั้นลุงเพิ่มแกกระดกเหล้าโรงไปเกือบครึ่งขวดแล้วเลือดลมยังฉีดพล่านด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ประกอบว่าเคยบวเรียนสองมัสาก็เรียกสติคืนมาได้ก่อนใครเพื่อนเอออย่เพิ่งเ อ, อะไปบางทีอาจจะเป็นศพอื่นนะเว้ยรูปร่างมันคล้ายๆกันคนตกน้ำตายมันก็เหมือนๆกันนังนแหละเพราะกินน้ำเข้าไปจนพุงบานยังกับคนท้องแก คงจะไม่ใช่ผีเฮียนสำแดงเด็ดลอยทวนน้ำมาหรอกเดี๋ยวพ่อจะไปจัดการเองโอ้ยมือพ่อยังเย็นเก็บอยู่เลยตัวก็ยังสั่นพับๆมันจะไหวไพ่อไหวเลยสั่นแบบนี้เขาเรียกสั่นสู้นะเว้ยเหมือนกับปลุกพระสู้ผีฮะลุงเพิ่มปลอบใจลูกเมียให้มีขวัญและกำลังใจดีขึ้นตัวเองก็กัดฟันเดินลงบันไดาขาสั่นพับๆมา ไปส่องดูด้วยไฟฉายพอเห็นชัดก็เสียวาดไปทั่วไขสหลังเพราะว่าศพที่ขึ้นอืดที่เห็นกับศพเมื่อเย็นน่ะมันตัวเดียวอันเดียวกันเลยแกแข็งใจทําใจดีสู้เสือเพื่อลูกเมียขึ้นบ้านไปหน้าต่างลงเรือแจวเข้าบ้านชั้นล่างแบบตัวคตตัวงอเพราะว่าระดับน้ำต่ำกว่าพื้นกระดานชั้นบนเพียงแค่หนึ่งเมตรเศ ยังดีที่นำเรือไปจอดเทียบร่างศพได้แกก็ทำบ่วงเชือกคล้องแขนผีเฮียนอย่างเดิมก่อนที่จะลากจูออกมาแล้วพาไปส่งถึงทางน้ำที่กำลังไหลบ่าพอปลดบ่วงเชือกออกศพขึ้นอืดจนพุงกะทิโผล่พ้นน้ำมาตั้งศอกก็ลอยลิ้วลิ้วไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วยังกเรือหางยาวติดเครื่องส่วนลุงเพิ่มก็เร่งผีพายจาบึกจาบึกกลับมาบ้าน เข้าทางหน้าต่างเช่นเคยลูกเมียมองฝ่าความมืดนอกหน้าต่างก็เห็นเรือเป็นเงาดำตะคุ่มมาจอดเพียบข้างขวาเรือนก็ร้องถามเป็นเสียงเดียวกันมันไปพ้นบ้านแล้วใช่ไหมพ่อเออทีนี้พร้อมใจกันตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้เขานะเขาหน้าเวทนาหาที่พึ่งไม่ได้วัดก็น้ำท่วมหมดขอให้ลอยไปถึงแม่น้าเจ้าพระยาเร็ว จังหวัดอื่นน้ำยังไม่ท่วมหนักเขาจะได้เจอวัดเป็นที่พึ่งเมื่อลูกเมียทำตามเสร็จสับบุญกุศลเคยทำไว้เท่าไหร่อุทิศให้ศพลอยน้ำจนหมดสิน้นไฟลุงเพิ่มก็ยังไม่วางใจในเหตุการณ์ก็คว้าวไฟฉายไปส่องดูทั้งสี่ทิศแปดทางตอนลงจากบันไดขั้นที่ 4, สี่ส่องดูระดับน้ำชั้นร่างเห็นร่างอ้วนอืดลอยทวนน้ามาจ่ออยู่หน้าปากประตูเป็นสาสาม ที่นี้ความกล้าหาญก็บินปลอไปจากจิตใจเนื้อตัวสั่นเป็นเจ้าข้าวหูตาเลือกยังกับคนใกล้ตายแต่สติยังอยู่กับเนื้อกับตัวได้ยินเหมือนกระสบลอยน้ำพูดออกมาเบาๆเองยังไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลเอาแต่บอกคนอื่นตัวเองยังอยู่เฉยเคยบวชเรียนมาแล้วมีบุญเยอะอุทิศหน่อยสิ ข้าจะได้เจอที่พึ่งเร็วๆไดออ้ได้ไ ด, ได้เดี๋ยวอุทิใหยเดี๋ยวนี้เลยละจะไม่จะประคุณเลยแกก็หลับตาพนมมือตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลตามที่ผีร้องขอพอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เห็นผีลอยตามน้ำลิว้วลิ้วไปเองโดยไม่ต้องเหนื่อยเอาเรือลากจูงไปส่งอีกลุงเพิ่มแกก็นั่งพักที่บันได รอจงกระทั่งใจที่เต้นตูมตูมเหมือนพระตีกรองเพลนค่อยๆสงบลงเต้นเป็นปกติแล้วถึงได้ลุกขึ้นไปพบหน้าลูกเมียแต่ทีนี้แกปิดปากเงียบไม่กระโตกกระตากใครๆรู้เนื่องจากผีลอยน้ำเฮียนเป็นพิเศษถ้าลูกเมียรู้ว่าแอบมาทวงติงเป็นคำรบสามอาจจะผวาหนักจนสติแตกได้ค่ำคืนนั้นถือเป็นคืนสยองขวัญสันประสาท สี่พ่อแม่ลูกหลับตานอนไม่หลงทั้งีบเดียวคอเงี่ยวหูฟังเสียงแปลกปลอมคืนยันรุ่งรอจนแสงเงินแสงทองสาดส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายภายในบ้านเริ่มมีความสว่างขับไล่ความมืดออกไปสี่พ่อแม่ลูกถึงได้เริ่มใจชื้นกล้าทิ้งตัวลงนอนหลับเป็นตายด้วยความอ่อนเพลียที่อดนอนกันทั้งคืนหลังจากความสยองที่เจอศพขึ้นอืดลอยน้าเข้าบ้าน ลุงเพิ่มกับลูกเมียก็ยังวาดผวากับวัตถุที่ลอยน้ำได้นี่เป็นเดือนๆแม้กระทั่งเรือชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาหูตาก็หลอนตัวเองเห็นเป็นศพลอยน้ำอยู่ร่่าไปมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554กว่าน้ำเหนือจะลดระดับลงจนเห็นหน้าดินกินเวลาถึงสองเดือนเศษ ขนาดมองเห็นปลาช่อนมาวางไข่ใต้ต้นชมพูหน้าบ้านลูกปลาเป็นร้อยร้ ย, ยพันพันแหวกว่ายเรืองร่ากันกันกบน้ำซึ่งหยุดนิ่งกับที่แลกลายเป็นน้ำขังไม่มีการไหลขึ้นไหลลงทีนี้ก็เป็นบ่อกเกิดของยุงที่ร้ายกว่าเสือแห่มารุมกัดทุกคนในบ้านเป็นปูงฝูงรวมทั้งสัตว์อันตรายที่หนีน้ำมาพึ่งที่สูงเช่นงูตะขาบแมงป่อง ก็เข้าบ้านไม่เว้นแต่ละวันนอกเหนือไปจากความผวาผีลอยน้ำเดชบุญคุณพระช่วยที่มีผีอ้วนมาสแสดงความเฮี้ยนคนเดียวครอบครัวลุงเพิ่มก็เลยไม่มีใครตกใจเกินขนาดถึงขั้นจับไข้หัวโขนสักคนครับนี่ก็คือเรื่องที่นายเชนลูกชายลุงเพิ่มเป็นคนเล่าให้ฟังครับ สับ ป, ปะรดนี่เป็นผลไม้ที่สร้างความเจ็บปวดให้ชาวไร่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าราคาของมันจะต่ำติดดินตอนที่พ่อค้ามาตกเขียวถึงไร่แต่ว่าจะแพงติดเพดานเมื่อไปถึงในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเจ้าของไร่คือนายสถิตนี่ตัดสินใจนำสับ ป, ปะรดบรรทุกปิกอัพเต็มคันรถไปขายเองเพราะว่าตกเขียวลูกละห้าสิบปัง แต่ถ้ายอมเสียค่าน้ำมันเอาไปขายในเมืองนี่จะได้ถึงลูกละสามสี่สิบบาทส่วนต่างผิดกันราฟ้ากับเผิวถ้ายอมขายแบบลดแลกแจกแถมไม่กลัวกำไรน้อยเร่ขายไม่กี่วันมีกี่พันลูกก็หมดเกลี้ยงวันเงินหลายหมื่นเข้ากระเป๋าอย่างสบายปู่กับหลานสองคนที่อยู่เฝ้าไร่ชื่อนายแสวงกับปู่กร่ง พักอาศัยอยู่บนเรือนไม้ใต้ถุนสูงคอยดูแลสับประรดที่ยังไม่ได้ตัดอีกหลายสิบไร่อาหารการกินก็สามารถอยู่ได้นานสิบกว่าวันไม่ต้องปั่นรถซาเล้งเข้าหมู่บ้านซึ่งระยะทางไกลกันเกือบยี่สิบกิโลเมตรถนนที่ตัดผ่านป่าก็ยังเป็นทางเขวีครุขระธุรกันดานสิ้นดีซาเล้งบุโรทั้งทนการสมบุกสมบันไม่ไหวอาจจะหลุดกระจายเป็นชิ้นชิ้นเสในระหว่างทางก็ได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2525วันนั้นนายแสวงตื่นแต่เช้าลงจากบ้านใต้ถุนสูงซึ่งปลูกอยู่บนเนินเขาเตี้ยเตี้ยถ้าใครเคยไปสวนสัตว์เขาดินวานาจะนึกออกว่าเนินเขาที่นี่สูงเท่าเขาดินในสวนสัตว์นั่นเองส่วนภูเขาตัวจริงก็โอบล้อมอยู่โดยรอบเนินเขาอีกทีหนึ่งการปลูกป่าฝ่าดงลงไปยังตีนเนินเป็นเรื่องปกติของการทาธุระตอนเช้า เนื่องจากทำซ่วมบนเนินเขาไม่ได้เพราะว่าเนื้อดินที่หุ้มเนื้อหินไว้มันบางมากหนาไม่ถึงครึ่งเม็ดในมือเขามีจอบขนาดเล็กถือติดมือไปด้วยเพื่อจะกุดดินทําเป็นซ่วมหลุมแบบยุคโบราณสมัยอยุธยาเขาเดินฝ่าพงหญ้าสูงท่วมเอวจนถึงจุดที่หมายตาไว้แต่ว่าตรงนั้นนมีอะไรอย่างหนึ่งทาให้ในแหวงลืมเรื่องซวมเป็นปลิดทิ้ง ปรากฏว่าที่ตีนเนินมีกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่ใบหนึ่งวางสงบนิ่งอยู่มีเชือกวางผูกมัดอย่างแน่นหนาะความใหญ่ของมันประมาณกล่องใส่ตู้เย็นใบจิ๋วขนาด4คิวเช้าตรู่วันนี้เป็นวันต้อนรับปีใหม่2525แม่ใครหนอใจดีส่งของขวัญใบบรมมาให้จะว่าเป็นนายสนิทเจ้าของไร้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าใช่ เขาก็จะต้องเห็นรถปิกอัพของนายสถิตจอดอยู่แถวตีนเนินใครวันนี่จะกลายเอาของขวัญมาส่งให้เราถึงที่นี่อในแหวงแหวกพงหญ้าจนถึงกล่องกระดาษใช้มีดสั้นที่แนบปิดเอวตัดเชือกวางออกจากกันขวากล่องซึ่งไม่มีอะไรมัดไว้กล่องแงมอ้าขึ้นทันที ปรากฏว่าเขาเจอถุงดำใบใหญ่ถนัดใจวางสงบนิ่งอยู่มีเชือกวางมัดปากถุงแน่นเอียดน้ำหนักของมันหลายสิบกิโลนายแสวงต้องทุ่มพลังยกออกจากกล่องสุดแรงเกิดแล้วก็ใช้มีดตัดเชือกเป็นคำรบสองพริบตาที่ปากถุงถูกเปิดทางออกนายแสวงถึงกระเรแซแสะแถอยหลังไปหลายก้าวปากอ้าตาคลางเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในถุงดำนั่นก็คือซากศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้น สองแขนสองขารวมกันอยู่ที่ก้นถุงหัวกับลำตัวทับอยู่ข้างบนคาดว่าตายหงมาสองทมวันแล้วกลิ่นเหม็นเน่าโชยเตะจมูกอย่างแรงเกือบจะทำไม่อ้วกแตกสภาพอันหน้าเสียวสยองทำเมาขนหัวลุกให้ใครเอาศพผีตายหงมาทิ้งไว้ที่ไร่เราวะโอ้หน้ากลัวจังพอตั้งสติดได้ก็เพ่นหน้าตั้งไปฟ้องปู่ที่เรือนใต้ถุนสูง ปูแกลงเพิ่งจะตื่นนอนกำลังมวลบุรีใบจากจะจุดสูบก็ตกใจที่เห็นหลานชายร้องเออะโอวยวายมาจากตีนเนินไอ้ปูเกิดเรื่องใหญ่แล้วปูนายแสวงวิ่งขึ้นบันไดามานั่งหอบตัวโยนที่นอกชานข้างๆปูหน้าตาซีดยังก็ถูกผีหลอกปูแกลงเนี่ยคนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็จุดบุรีใบจากสูบพ่นควันขมงอะไรมึงไปเจออะไรมาศพตายหงอะปู โคตรน่ากลัวเลยข่าทิ้งยังไม่หนำนะ้ามันยังจับหั่นเป็นชิ้นๆด้วยปูฮะเอ็งพูดอะไรของเ อ, งอ็งน่ะยิงปูศบถูกหั่นเป็นชิ้นเหลือแต่ตัวโดเดีะเฮ้ยไหนพาข้าไปดูสิเออเอาเสือเผืนเก่าติดมือมาด้วยสองปู่หลานนี่แทบจะเหาะลงบันไดชวนกันไปดูศพตายโหงอย่างรีบด่วนเพราะว่าที่นี่เป็นไร่สับประรดนี่ไม่ใช่ป่าช้าฝังศพ นาทีนั้นลมพัดจากตีเนเดินก็หอบเอากลิ่นเนื้อเน่าลอยขึ้นมากระทบจมูกปูกแกลงว่าแน่ๆยังแทบอ้วกเลยความเหม็นเพราะไม่มีความเหม็นใดในโลกจะเหม็นเท่ากับศพมนุษย์ปูกแกลงเอาผ้าขาม้าที่เขียนเอวขึ้นมาปิดจมูกขณะสำรวจดูซากศพรู้เพียงเป็นแค่ชายวัยกลางคนแต่หน้าตาโดนสับจนแหลกยับไม่เป็นสารรูปไม่รู้ว่าหล่อเหลาหรือขี้ริ้วขี้เ ล, ละกันแะน่ ร่างท่อนบนยังใส่เสื้อกล้ามอยู่ท่อนล่างไม่ได้ใส่เนื่องจากขาถูกหั่นขาดด้วนไปแล้วทั้งสองข้างเอ็งคลี่เสือออกเร็วเข้าแล้วช่วยกันยกซากศพไปวางบนเสือ้อแล้วทาไมต้องหาที่นอนในคนตายอีกกระปรูเออหนะ่าเอ็งอย่าเซอะข้าต้องการเอาเสือ้หอห่อศพไม่ให้อุจจารป้องกันแมลงวันตอมเอามีดตัดถุงดําหุ้มหัวหุ้มท้ายเสือ้อไว้กลิ่นจะได้ไม่ลอยตามลมไปถึงเรือนบนเนิน อ้าวลูกยังงั้นทำไมไม่ขุดหลุมฝังให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยล่ะปู่ยังจะอวดฉลาดอีกขืนเอาศพลงหลุมแลี่ถ้าตํารวจก็รู้เข้าเขาก็จะนึกว่าเราเป็นคนฆ่าลักฝังกรบเกลื่อนร้องรอยตารางจะถามหาทั้งปู่ทั้งหลานนะมึงเข้าใจยังพูดจันพลางก็เอาเสือและถุงดําห่อศพไปพลางพอเสร็จแล้วในแสวงก็ถามอย่างสงสัยแล้วเราจะทิ้งไว้ตรงโคนไม้อย่างนี้เองนะปู่ กล่องนั่นก็ด้วยเดี๋ยวรอให้เจ้านายเขากลับมาก่อนแล้วค่อยหาหรือกันอีกทีว่าจะเอาไงดีเจ้านายเราไปขายสับ ป, ประรดตั้งอาทิตย์กว่าแล้วใช่ไหมเนี่ยเออยังมากอีกวันสองวันก็กลับถึงไร่แนะ่ไปกันเถอะวันนั้นทั้งวันดูเหมือนจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าผิดปกติเพราะว่าสองปู่หลานรู้อยู่แก่ใจว่าที่ตีนเนินมีอะไรวางสงบนิ่งอยู่ บรรยากาศอันสงบสงัดของไร่สับประรดบริเวณรอยต่อระหว่างเมืองจันทร์กับเมืองระยองเปลี่ยนเป็นบรรยากาศวังเวงเหมือนกับป่าช้าผีดิบใครก็ลืมไม่ลงว่าภาพสยองของศพถูกหั่นชิ้นมันน่ากลัวขนาดไหนมันกำลังขึ้นอืดแล้วถ้าขึ้นเต็มที่เมื่อไหร่มันจะเหม็นทะลุโลกทีเดียวอีกทั้งชวนในนึกถึงเรื่องผีผี ส, งสางๆอย่างน่าระทึกตอนนั้นพลเพลเข้าใต้เข้าไฟ สองปู่หลานก็ย่างเนื้อเค็มด้วยเตาฟืนเป็นกับแกล้มกินกับเหล้าปลานั่งดื่มกินอยู่ที่นอกชานใกล้บันไดบ้านมองลงไปยังตินเนินตอนนั้นผิวไม้เริ่มขมุกขมัวความมืดเริ่มปกคลุมวิหกนกกาก็บอยบินกลับรวงรังไปครู่ใหญ่แล้วแสงจันทร์คืนแปดค่ำเริ่มทอแสงมาลังมาเลืองแทนที่แสงอาทิตย์ ลมหนาวจากทิศเหนือก็พัดกรูเกลียวปกติสองปูหลานจะนั่งล้อมรอบกองไฟแก้หนาวก่อนเข้านอนแต่ว่าค่ำนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมลานดินรอบเรือนไม้ใตถุนสูงคล้ายกับมันจะไม่ปลอดภัยเหมือนเคยเนื่องจากหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมันก็หนีไม่พ้นเรื่องศพสยองเอ๊ฉันสงสัยจังเลยปู ใครกันนะฆ่าคนตายสยองขนาดนี้แต่ยังอุตส่าห์ขนศพใส่รถเอามาทิ้งในเขตไร่ของเราอืมมันฉลาดไม่ใช่เล่นเจตนาของฆาตรกรคงอยากจะให้เราฝังศพแทนมันอย่างที่เองคิดจะฝังแต่แรกกัแหละเพราะถ้ามันฝังเองนี่ร่องรอยก็ต้องผิดหูผิดตาทางเราก็คงต้องขุดคุย้ยดูให้รู้แน่ว่าสิ่งที่ถูกฝังคืออะไรพอรู้แล้วก็ต้องเพนไปแจ้งตำรวจ อ้าวแล้ววางทิ้งไว้เฉยๆแล้วไปแจ้งตำรวจไม่ได้หรือไงปูมันก็คงเดาใจฆ่าออกเช่นเดียวกันว่ากลัวจะตกเป็นผู้ต้องหาต้องวางศพทิ้งไว้ก่อนรอให้ตำรวจมาชนะสูตรพลิกศพในภายหลังถึงตอนนั้นมันก็เปิดแนบไปถึงไหนตอนไหนแล้วเออแล้วที่สำคัญเนี่ยมันโกรธแค้นคนตายอะไรนักหนาฆ่าแล้วยังสับหน้าสะเละเป็นโจกเลย แถมหั่นแขนขาจากร่างมันโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มนาคนตายนะ่ะคงจะสร้างความแค้นให้ไอขาตะกรไว้ไม่ช่เล่นคนเราทำไมเจ็บแค้นสุดขีดไม่ทำกระสบถึงขนาดนั้นหรอกปู่แกขาดคณีอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อปี2525ในเมืองไทยยังไม่มียาบ้าอารวาดอย่างปัจจุบันแม่ปู่ฉันคิดไปคิดมานะฉันอยากจะเอาเสือห่อศพนี่ไปทิ้งไว้ที่ปากทางเข้าไร่จังเลยปู่ ปล่อยให้วางอยู่ตีนเนินยังงั้นน่ะมันเสียวสหลังยังไงก็ไม่รู้เองอย่าแขว่งตีนหาเสียนและแหวงการเอามันขึ้นสาเล้งปั่นไปอีกเกือบยี่สิบกิโลนี่กว่าจะถึงถนนหลวงปากทางปะเหมาะมีใครผ่านมาเห็นข้าวนี้เราจะซวยไม่รู้จบเองจะบอกเขาได้ยังไงวะไม่ได้ค่าในเมื่อมีศพเป็นหลักฐานอยู่บนรถสาเล้งเองใจยเย็นๆไว้ก่อนเถอะ บอกแล้วไงรอให้เจ้านายเขากลับมาก่อนถึงตอนนั้นค่อยคิดอ่านแก้ไขกันอีกทีไม่ใช่ว่าชั้นใจร้อนอะไรหรอกปูบอกตามจงก็ได้พอนึกถึงทีไรว่ามีเสือห่อศพอยู่ที่ตีนเนินนะ้มันก็อดนึกถึงเรื่องพูดผีปีศาจอะไรไม่ได้อืมฉันกลัวก็รู้ไงข้ถึงได้นั่งซดเล้ามืดมืดไม่จุดตะเกียงเหมือนเคย คือการอยู่ในความมืดแบบธรรมชาตินี่มันช่วยให้สายตาเราในคุ้นชินกับความมืดมองเห็นโน่นเห็นนี่ดีกว่าอยู่ในที่สว่างแล้วมองออกไปในความมืดถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเราก็จะเห็นมันก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวปูแก่งแกมวลใบจากจุดบุรี่สูบไอตอนจุดไม่ขีดมีแสงไฟสว่างวาบขึ้นนิดในแสวงเห็นเป็นเงาดําตะคุ่ม ตามหรือเป้นบนใบหน้าปูที่เหี่ยวเหี่ยวนี่ดูเผลๆในนาทีสยองรู้สึกเหมือนมีผีจริงๆมานั่งอยู่ตรงหน้านายแสวงในรีบมองไปทางอื่นก่อนที่จะพวาปูของตัวเองแต่ว่าการเหลือบมองไปคราวนี้เขาเห็นอะไรบางอย่างกำลังทำพลุพลุโผ ล, ลอยู่แถวพงหญ้าตีนเนินกอหญ้าไหวตัวไปมาอย่างน่าสงสัย ซ้ำยังมีเสียงสวบสาบเหมือนคนกำลังเดินบุกขวาบพงหญ้ามาแต่ไกลจำเป็นหรือเกินที่นายแสวงจะต้องนั่งนิ่งเงียบคอยจ้องมองแล้วก็เงีย่ยหูฟังเสียงประหลาดอย่างใจจดใจจอ่ออะไรเอ็งทำท่าเหมือนกับฟังเสียงอะไรอยู่มไม่รู้สิปู่มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงที่เราเอาเสือหอศพไว้อ่ะจะว่าหมาป่าบนภูเขาแห่มากัดกินศพก็ไม่น่าใช่ ถ้าเป็นหมาป่ามันจะต้องมีเสียงเห่าหอนนะเฮ้ยเ อ, อ็เองหูแววมังพระทรไม่แววหรอกปูถ้าอย่างนั้นเอ็งรีบไปหยิบไบไฉแล้วตักข้าวสารติดมือมาสักหนึ่งกระปปองนมข้าวสารนอ่นมาทำไมอะปูข้าจะทำข้าวสารเศษเอาไว้เผื่อเหนียวเฮ้ยปูมีกระถาปลูกเศ ข, ข้าวสารนั่งเมื่อไรอะไม่มีหรอก ก็แค่อธิษฐานเร่งคุณพระคุณเจ้าขอให้เข้าสารมีฤทธิ์อำนาจป้องกันผีเท่านั้นเองแค่นี้ก็สักสิทธิ์แล้วโอ้เละเทะปูอย่าไปเสกให้เปลืองข้าวดีกว่าเข้าสารยังเหลือน้อยอยู่ด้วยในแสวงก็คลาไปในความมืดกว่าจะหาไฟฉายเจอ ก, ก็กินเวลาไปหลายนาทีหูยังได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากตีนเนินอ่าค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา จนใกล้จะถึงลานดินหน้าเรือนไต่ถุนสูงอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมึงงัวไปมดหัวทําอะไรอยู่นะ่ะฮะมองเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มเดินเข้ามานี่แล้วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวปู่หาเจอแล้วกําลังใส่ทานอยู่ไม่ทันแล้วไอหอกแหวงมันอะไรก็ไม่รู้มันโดดตบหายก็ไปในติดไต่ตถุนเรือนเดี๋ยวนี้ลอะอะไปใช้มาแล้วปูปูก็คว้าขวดเหล้าเข้ามาหนีบไว้ เดินพล่านไปมาอยู่บนนอกชานนอกชานนี่เล่นไปรอบตัวเรือนสามารถที่จะเดินดูได้ครบสี่ทิศแปดทางโดยไม่ต้องลงจากบ้านในสแสวงก็ส่องไฟฉายเดินนาหน้าปู่แกลงก็หนีบขวดเล้าเดินตามหลังไปติดๆ ต, ตรงช่องพื้นกระดานช่วงหนึ่งซึ่งเว้นวักทิ้งช่องว่างไว้สำหรับกวาดเศษขยะทิ้งได้ถุนในสแสวงเอาไฟฉายส่องดูตรงนั้นครู่หนึ่ง ก่อนที่จะหันไปกระโดดเกาะเอวปูเหมือนเด็กตกใจปูมันอยู่ใต้ถุนเนี่ยเฮ้ยปูผลักนายแสวงลงไปนั่งเก้เกในแสวงยังตกใจไม่หายผวาเข้ามากอดปูอีกปูไอตัวที่ว่าเนี่ยมันเอาเสือคลุมหัวเดินงุมงามงุมงามอยู่ใต้ถุนเนี่ยอุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยเฮ้ยตามึงวาดหรือเปล่าจริงจริงปูได้ยินเท่านั้นปูซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ปรากฏว่าจูจ่ๆขาปู่ก็สั่นภาพภาพได้เองโดยไม่ต้องสั่งฝ่ายนสแสวงก็กอดขาปูตัวสั่นงันงกเหมือนความกลัวทั้งโลกจะมาสมอยู่ที่เขาคนเดียวเดชบุญที่ปู่มีประสบการณ์สูงสมัยหนุ่มๆเคยลุยมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าก็สามารถระงับความตกใจด้วยการมีสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็ร้องบอกหลานชายมึงปล่อยกูที่ไอแหวงกูจะไปหยิบดาบเอาไปสู้กับมัน มันไม่ใช่มนุษย์มันนาอย่างเราเนะลำพังอีดาบนี่จะเอาอยู่เอ้าปู่เอ้ยยังไงก็ดีพ่ามือเปล่าส่วนเองอะขวานผ่าฟืนอยู่ตรงไหนเองไปเอามาเร็วเข้าสิ่งหน่ากลัวได้ถุนสงบนิ่งไปพักหนึ่งแล้วเหมือนรออย่างเชิงอะไรของมันก็ไม่รู้สองปู่หลานก็แล่นเข้าบ้านหาอาวุธถือติดมือเพื่อความอุ่นใจไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นหมูขึ้นเขียงถูกเชือดเชือหรอก เมื่อมีดาบมีขวานถือติดมือกำลังใจก็ดีขึ้นท่ามกลางความสงัดเงียบตอนสี่ทุมทั้งสองได้ยินชัดเจนว่าเสียงน้ํามันดังขึ้นตรงไหนจากแสงไฟฉายที่ส่องไปยังจุดนั้นก็เห็นถนัดทีเดียวว่าพื้นกระดานถูกกระทุ้งจากด้านล่างจนปุ่นฟุ้งกระจายไม่ต้องถามก็รู้ไอ้คนที่มีเสือกลุมหัวนี่มันพยายามตั้งใจกระทุ้งอย่างแรงอจนตะปูเพเยะขึ้นจากที่เดิม เสร็จแล้วมันก็ยังย้ายที่ไปกระทุ้งกระดานแผ่นอื่นอื่นอีกเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกันพักใหญ่ร่วมหนึ่งชั่วโมงจนเวลาผ่านไปห้าทุ่มเสร็จศพเฮียนถึงได้หมดรินหมดเด็ดยอมล่าถอยจากสมรภูมิในถุนบ้านส่วนสองปู่หลานซึ่งป้องกันที่มั่นอย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดพอได้ยินเสียงโดนหายลงไปยังตีเนินก็หมดปิสงแข้งขาอ่อนเปียกทิ้งตัวลงนั่งเอาหลังพิงผาบ้าน เหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจอหอบทําท่าจะตายเสียให้ได้รอจนเสียงไก่ป่ามันขันดังเชื้อแจ้วมาจากพุ่มไม้ในพรงไพรเป็นสัญญาณว่าอีกไม่ช้าพระอาทิตย์จะเริ่มอุทยัยแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าแล้ววิหกนกกาก็จะโบยบินออกจากรังสองปู่หลานถึงได้ถอนใจอย่างโล่งอกผีมันเพาะตอนมืดค่าเท่านั้นไม่อารวาตอนกลางวันแส ปูสดเล้าป่าอึกใหญ่กระตุ้นเลือดลมให้ฉีดพล่น้นนายแสวงก็สดสามอึกรวดประมาณสองโมงเช้าเสียงรถปิกอัพของนายสถิตเจ้านายก็ครางกระหึ่มขึ้นที่ลานดินหน้าเรือนร่างสูงโปร่งกระโจนลงจากรถอย่างกระฉับกระเฉงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สองปู่หลานเต็มที่หลังจากช่วยกันขนสัมภาระลงแล้วปู่แก่งก็รายงานเรื่องหน้าขนหัวลุกให้เจ้านายทราบ นายสถิตเจ้านายก็รู้แต่เพียงมีศพหั่นเป็นชิ้นชิ้นอยู่ในห่อเสือที่ตีนเนินก็ตกใจจนขนลุกเรียวรีบลงไปดูศพในเสือเห็นแวบแรกก็อ้วกแทบแตกด้วยความเหม็นทะลุโลกชวนสองปู่หลานขึ้นรถไปแจ้งความที่โรงพักตกถึงตอนสายวันเดียวกันตำรวจหน่วยชนสูตรก็รุดมาพลิกศพตรวจดูอย่างละเอียดก่อนที่จะนำขึ้นรถกลับโรงพักพร้อมกับ เชิญคนทั้งสามไปสอบปากคำอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนแน่ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฆาตรกรถึงได้ยอมปล่อยตัวกลับไร่คำพังเพยว่าไม่มีอะไรใต้ฟ้าเมืองไทยที่ตำรวจทำไม่ได้ปรากฏเป็นความจริงในสัปดาห์ต่อมาไม่รู้ว่าสืบจากศพปีท่าไหนถึงได้รวบตัวนักฆ่าจอมโหดได้อย่างรวดเร็วทันอกทันใจนักฆ่านี่เป็นชายสูงอายุฐานะดี บังเอิญจับได้ว่าหัวหน้านแผนกบัญชีแอบตีท้ายกลัวตัวเองอย่างเจ็บแสบซ้ำยังยักยอกเงินสดไปหลายล้านบาทเสียเท่าก็เลยใช้อุบายล่อลวงมาฆ่าหันศพที่แรกจะแยกชิ้นส่วนไปทิ้งต่างจังหวัดแต่กลัวจะถูกจับได้ระหว่างทางก็เลยเก็บทุกชิ้นส่วนใส่ถุงดำบรรจุกล่องกระดาษแข็งมาทิ้งอำพรางคดีที่ไร่ของนายสถิตหลายวันต่อมาปู่แกงกับนายสแสวง ก็เข้าหุ้นรวมกันถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีห่อเสือนั้นปู่ก็กราบนำ้ำมการถามหลวงพ่อซึ่งเป็นพระดีพระขลังว่าเหตุฉนหนผีจึงอารวาดทั้งที่ตัวเองก็ทำดีด้วยทุกอย่างหลวงพ่อก็เมตตาอธิบายว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะอารวาดหรอกแค่อยากจะบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เผอิญสื่อสารกันไม่เป็นที่เข้าใจ และหลังจากทําบุญได้การถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเฮี้ยนก้องเยียบหายเข้ากรีบเมฆไปไม่เคยมาสำแดงร่างให้พบเห็นอีกเลยครับสมัยก่อนนั้นถ้าใครอายุเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งนี่คือแก่แล้วเนี่ยจะเรียกปู่ย่าตายาย ถ้าอายุน้อยลงมาอีกหน่อยคือตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปก็เรียกลุงกับป้าถ้าสามสิบถึงสี่สิบก็เรียกอาหรือไม่ก็นา้าถ้าต่ำพอสามสิบแต่ว่าดูแล้วอายุมากกว่าเราเราก็จะเรียกพี่อพี่อย่างเดียวบุคคลที่จะนำมากล่าวถึงนี้วัยสูงเกินสี่ห้าสิบแต่ยังไม่ถึงหกสิบแต่ก็พอจะเข้าข่ายเรียกลงุงเรียกป้าได้เหมือนกัน ลุงเพิ่มเนี่ยแกเปิดหน้าบ้านเป็นร้านขายของชำให้เมียคือป้าเมี่ยงดูแลหน้าร้านตัวเองเป็นพนักงานส่งไปรษณีย์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนส่งจดหมายแถวชานเมืองช่วยกันทํามาหากินพอมีรายได้ไม่ขัดสนจนยากอัธยาศัยใจคอของลุงเพิ่มเป็นคนสุขุมใจเย็นพูดน้อยอพูดน้อยแต่กินเหล้ามากเมียชื่อป้าเมี่ยงพูดมากจู้จี้ขี้บน่น เพราะว่าชีวิตนี้ยืนแกลลขายของหน้าร้านทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆแถมถูกลูกค้าพูดแซวกวนโอ้ยทุกบ่อยเกี่ยวกับความอ้วนของแกถ้าใครมีสกุลหน่อยก็จะแซวอย่างสุภาพประมาณว่าป้าเมียงต้องดูแลสุขภาพบ้างนะคะอ้วนกว่า น, นี้ไขมันจะจุกอ ก, อกหายใจไม่ออกเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่รู้จบนะคะ ส่วนพวกแม่บ้านปากตลาดก็จะแซวหนักหน่อยนั่นคนเนี่ยตู้กับข้าวอ่ะทําไมมันตันไปหมดอย่างนั้นน่ะรมเนียมคนค้าคนขายก็ต้องหวานอมขมกลืนจะโต้เถียงขึ้นเสียงกับลูกค้านี่ไม่ควรป้าเมี่ยงก็เลยเก็บกดต้องมาระบายออกกับผัวคือลุงเพิ่มซึ่งนั่งถองเล่าอยู่หน้าร้านด่าโน่นด่านี่สารพัดจะสรรหามาบนดา่าจูจ้จี้จุกจิก เดชบุญที่ผัวเป็นคนปากหนักอ่ะเองบนได้ก็เชิญบนต่อไปเหอะเขาจะกินเหล้านะว่าจะให้เมาฉ่ำเนี่ยกำไรจากการขายมีเท่าไหร่ก็ไหลลงขวดไปเกือบหมดสิ้นความจริงก็สมควรจะโดนด่าหาน้อยไม่สิเดียวอยู่มาวันหนึ่งเสียงบนด่างเงียบหายเป็นปลิดทิ้งเนื่องจากป้ามเมี่ยงเนี่ยจะหยุดพักผ่อนเดินทางไปทัศนาจรต่างจังหวัดขากลับเกิดอุบัติเหตุ รถทัวร์ประสานงากระรถสิบล้อมีผู้บาดเจ็บล้มตายนับสิบรายหนึ่งในจำนวนผู้ตายนี่ก็มีป้ามเมี่ยงรวมอยู่ด้วยยังดีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวดอนเมืองไม่ไกลจากบ้านในซอยย่านชานเมืองเท่าไหร่นะตกเย็นลุงเพิ่มก็รับศพเมียใส่ลงมาตั้งสวดที่วัดท้ายซอยที่แรกก็ตั้งใจว่าจะสวดครบสามคืนแล้วจะเก็บศพไว้ก่อนเนื่องจากเป็นการตายหง ธรรมเนียมโบราณก็ถือว่าถ้ารีบเผานี่มันจะเกิดอาถรรพ์เป็นเหตุให้ผีเฮี้ยนอารวขาขณะตั้งศบสวดคืนแรกยังมีเรื่องหน้าขนลุกขึ้นที่ศาลาตั้งศพระหว่างที่ลุงเพิ่มดูแลแขกเรืออำนวยความสะดวกเรื่องอาหารเครื่องดื่มบริเวณเต็น์ผู้มาไว้อะไรตอนนั้นพระทุกรูปเข้าประจำอยู่บนอาสนะเริ่มสวดอภิธรรมตามประเพณีโบราณมีแขกคนหนึ่ง เห็นป้าเมี่ยงคลานเข่าจากด้านหลังที่ตั้งศพออกมากราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าที่กำลังนั่งสวดอยู่แขกคนเนี้ยก็รู้จักป้าเมียงดีเป็นลูกค้าขาประจำเคยอุดหนุนสินค้ากันมาก่อนที่แรกก็นึกว่าตัวตาฝาดหันไปถามคนนั่งข้างๆปรากฏว่ากำลังนั่งตัวแข็งขนลุกสู้เพราะเห็นมันกันพอเริ่มสุบิบเกี่ยวกับความเหี้ยนผีป้าเมี่ยงก็หายวับไปกับตา หลังจากนั้นคนที่ได้ยินเสียงซุบซิบก็หันไปกระจายข่าวแบบปากต่อปากไม่นานข่าวความเฮี้ยนนี่ก็แพร่สะพัดไปทั่วเต็นต์รับรองแขกเมื่อรู้ถึงหูลุงเพิ่มมาเกิดความแตกตื่นในหมู่แขกผู้มีเกียรติลุงเพิ่มก็แก้ร้ายให้กลายเป็นดีบอกกับทุกคนว่าไม่ใช่ผีสางที่ไหนเป็นญาติผู้น้องของป้าเมี่ยงเขามาช่วยดูแลความเรียบร้อยบนศาลาตั้งศพหน้าตาเขา ค, คล้ายๆ ก, กันไม่เกี่ยวกับผีตายหรอก แขกเรือก็เชื่อในความอาวุโสของลุงเพิ่มความตื่นตระหนกก็ซาสาไปลุงเพิ่มรอจนแขกคนสุดท้ายออกจากประตูวัดไปแล้วก็ชวนพวกที่เมากวนเดียวกันไปกรึบกันต่อที่ม้านั่งหินขัดหน้าร้านโชห์วยของตัวคืนนี้ไม่มีป้าเมี่ยงออกมาขัดคอมากลวนด่าว่าเมื่อไร่จะหยุดแดกกันสักทีอ่าทีนี้สดเล่าได้ตามใจชอบความรักความอะไรในเมีย มีน้อยกว่าความอยากจะกินเหล้าแกได้รับฉายาจากเพื่อนว่าไอ้ไอ้เพิ่มเมาเผื่อหมาน่ะต้องกรึบจนอ้วกแตกละถึงจะยอมเลิกราเข้าบ้านหลับนอนคืนที่เมียตายไปเมื่อตอนสาสายลุงเพิ่มบักแจ้งขี้เมาก็สดเหล้ากันมาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนหน้าร้านก็ปิดไวงง้แง้มเพื่อความสะดวกในการลุกไปหยิบโซดาน้ําแข็งจากตู้แช่ พอสองยามตรงเสียงนาฬิกาตั้งพื้นแบบโบราณสูงท่วมหัวตีบอกเวลาเงี่ยงางเงียงางอยู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังสอดขึ้นเสียงเพลงดังสนั่นเหมือนเสียงขวดถูกกว้างลงกับพื้นจนแตกทําเอาห้าขี้เมาสะดุ้งไปตามๆกันขี้เมาคนหนึ่งก็หันไปถามลุงเพิ่มหน้าตาเหลือหรมีคนอยู่ในบ้านอีกอหรือ้เพิ่มไม่มี ขอยู่กับนังเมี่ยงกั่สองคนแต่ตอนนี้มันก็ตายหวงไปแล้วอ่ะอ้าวแล้วมมกปอกี้ใครกว้างขวดแตกดังเพลาะวะะเออลุงเพิ่มก็ดื่มหนักจนหัวหมุนคำพูดของเพื่อนก็ทำเอาได้สติก็ฉุกใจได้คิดรีบพละจากวงเล่าไปดูถึงหลังร้านแกใช้บ้านไม้สองชั้นเปิดหน้าบ้านทำร้านโชห่วย ก็ต้องเดินหลบหลีกสินค้าสารพัดกว่าจะถึงห้องซ้วมหลังร้านภาพที่เห็นพร้อมเมื่อกลิ่นแตะจมูกเป็นขวดน้ําปลาราคาถูกโดนมือลึกลับคว้างแตกกระจายอยู่บนลานซักล้างนอกตัวบ้านกลิ่นน้ําปลาก็อบอวนอยู่นอกร้านประมาณว่าผู้คว้างขวดไม่อยากจะให้ร้านโชว์หวยเหม็นกลิ่นน้ําปลาล้างทําความสะอาดยะก็เลยหิ้วขวดไปคว้างสักไกลถึงนอกบ้าน ลุงเพิ่มตกใจแทบสั่งเมาเนื่องจากนาทีนี้เหลือแกอยู่คนเดียวในบ้านต่อให้หัวขโมยมันก็ไม่ทำการอุกอาจอย่างนั้นก็ชักสงสัยว่าจะเป็นผีมือปำเมียงเอ้นางเมียงเองตายเป็นผีไปแล้วก็อยู่ส่วนผีด้วยมัดทำอะไรเ อ, อะอะกันอีกอะอะไม่ขคดท่าพูดพึมพำกับตัวเองเอาเสียงเป็นเพื่อนปลอบใจเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปร่วมวงเล่ากับกังที่เมาอีก ตกลงกันว่าว้าไม่สว่างไม่เลิกไม่มีอะไรหรอกสงสัยแมวไล่จับหนูวิ่งชนขวดน้ำปลาแตกเอ๊ะกินไปใครคุยอะไรค้างไว้ก็เชิญโม้ต่อไปได้เลยเพื่อนเออถ้าแมวมันทำเหตุก็ค่อยโล่งใจหน่อยนั่งสดเล่าพูดคุยกันอีกกลู่นหนึ่งน้ำแข็งโซดาก็หมดเรี่ยง ลุงเพิ่มในฐานะเจ้าภาพก็ลุกไปหยิบบริการเพื่อนร่วมกวนเพิ่งจะเอากระติกน้ำแข็งกับขวดโซดามาวางบนโต๊ะหินขัดยังไม่ทันพูดบอกเพื่อนให้กินต่อจูจ่ๆในมุมมืดของร้านก็มีเสียงตะหวัดไอ้ขี้เมาไปให้พ้นบ้านกูเดี๋ยวนี้นะเสียงมันดังทำลายความเงียบหลังเที่ยงคืน เสียงนี้ทำให้พวกขี้เมาเพาหวาจนแทบจะลืมหายใจจำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงของคนที่ตายไปแล้วพวกตัวเพิ่งจะกลับจากงานสวดศพตอนสามทุ่มที่ผ่านมาต่อให้คนใจถึงขนาดไหนก็หายใจไม่ตัวท้องจะว่าหูแว่วไปเองก็ได้ยินพร้อมกันทุกคนไม่มีใครกล้าแสดงความห้าวหานั่งซดเล้าได้อีกเะี่ยจะไม่ดีซะแล้วเดี๋ยวขัาขอตัวกลับก่อนดีกว่านะเว้ยสหายเพิ่ม เออขาก็ไปด้วยนะขี้เมาทยอยลากลับบ้านที่ะคนสองคนเผลอชั่วอึดใจโตหินขัดที่เคยเป็นวงเล่าก็เหลือแต่ลุงเพิ่มนั่งหัวโดอยู่คนเดียวเสียงที่ไม่มีตัวผู้พูดมันขยาวขวัญยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นทำเอาเชื่อสนิทว่าความตายชนิดตายห่วงเนี่ยมันเฮี้ยนมากกว่าผีที่ตายธรรมดาต่อให้เคยอยู่กินกันมานานเป็นสิบสิ บ, สบปี คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ผวาแทบจะไม่กล้ากลับเข้าบ้านต้องทำใจดีสู้เสือร้องบอกเสียงลึกลับเพื่อปรับความเข้าใจโดยด่วนรู้แนาะว่ายังอยู่รู้แล้วดึกป่านนี้แล้วไปพักผ่อนซะก่อนเดี๋ยวฆ่าเก็บร้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็จะขึ้นไปนอนด้วยกันตามเดิมในเ ย, ยห่วงไปเลยนางเมียงเอ้ย มีเสียงดังในความมืดโต้ตอบเพียงคำเดียวว่าเออแต่เท่ากับตกย้ำว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่ก่อนเนี้ยเป็นการได้ยินจริงๆไม่ใช่หูฝาดลุงเพิ่มตกใจจนขนหัวลุกสู้อ่าเหมือนเม่นตอนตกใจทําขนตั้งดีป้องกันภัยแต่ก็ไม่รู้จะหลบหนีไปไหนเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านตัวเอง แข็งอกแข็งใจเก็บหน้าร้านปิดประตูใส่กรอนเรียบร้อยก็รีบอาบน้ำขึ้นไปนอนที่ห้องชั้นบนภาวนาในใจขอให้ผีเมียกลับไปอยู่ป่าช้าซะเถอะไปอยู่แบบผีส่วนผีน่ะส่วนคนก็อยู่ส่วนคนตอนเดินไปยังเตียงนอนลุงเพิ่มขนลุกตลอดเวลากลัวจะเห็นป้าเมี่ยงนอนพุงอืดรอท่าเดชบุญเห็นแต่ที่นอนว่างเปล่าไม่มีใครนอนอยู่ ไอ้ครั้นจะเปิดไฟนอนทั้งคืนก็เกรงแสงนิออนจะทำให้เห็นผีชัดขึ้นต้องกลั้นใจดับไฟเข้านอนอย่างใจหายใจคว่ำทิ้งตัวลงนอนหัวถึงหมอนก็คลี่ประห่มคลุม้มโป่งเหมือนกับเด็กๆ เ, เ, เวลากลัวผีแต่อำนาจความหวาดกลัวมันทำให้นอนตาแข็งหลับไม่ลงหูคอยเงียบฟังเสียงแปลกปลอมทามันจะดังขึ้นมาแล้วก็การได้ยินล่วงหน้า ดีกว่าได้ยินอย่างกระทันหันแล้วช็อกตายเพราะตั้งสติไม่ทันเอหลังนอนได้ไม่ถึงสิบนาทีเสียงบานประตูซึ่งปิดใส่กรอนดีแล้วก็แง้มเสียงดังแอดเพราะบานพับขึ้นสนิ ม, มลืมหยอดน้ำมันจากหล่อลื่นลุงเพิ่มนักรั้นใจรอฟังเสียงแปลกๆในลำดับถัดไปทั้งนี้ไม่ได้หมายความมาอยากจะได้ยินแค่อยากจะรู้ล่วงหน้าจะได้ทาใจให้กลัวน้อยลงหน่อย ไม่ถึงกับหวาดกลัวจนใจเต้นเป็นพระตีกองเพลยอย่างเดี๋ยวนี้แกนอนเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวความรู้สึกไม่ต่างกับคนหลงทางอยู่กลางป่ารถเจอเสือลายพาดกรอนมันเดินหาเหยื่ออยู่ข้างๆเสียงฝีเท้าเดิน ก, กุบกับอุกกับไปมารอบๆห้องคล้ายๆค้นหาอะไรสักอย่างแต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอลุงเพิ่มรู้ได้เองโดยอัตโนมัติว่ามันกําลังค้นหาแก่ที่กําลังคลุมโปองอยู่อ่า พ่จริงจะกระชากปราหมทิ้งสัเมื่อไหร่ก็ทําได้เพื่อร้องใส่หน้าแกว่าจะเอจับตัวได้แล้วเหมือนกับการเล่นซ่อนแอบอ่าแต่ว่าบนบ้านเวลานี้ไม่มีมนุษย์ตัวเป็นๆอยู่เลยสักคนเดียวไอ้ตัวที่ ท, ทําทีเป็นเล่นซ่อนแอบก็ไม่แคล้วว่าจะต้องเป็นผีเฮี้ยนป้ามเมี่ยงอะไะใจลุงเพิ่มก็เต้นทีรัวจนหน้าสงสารค้นหาจนอ่อนใจแล้วมันก็หยุดค้นหาทิ้งตัวนั่งบนเตียง ยุติการทำไก่เอ็นตัวลงนอนบนเตียงข้างๆลุงเพิ่มที่นอนยุบหับลงด้วยน้ำหนักตัวเหมือนกับเท้าช้างขึ้นมานอนบนเตียงแสดงว่าต้องเป็นป้าเมี่ยงเจ้าของหุ่นช้างน้ำนั่นแหละตอนที่ยังเป็นคนลุงเพิ่มบอกแค่แอบรู้สึกเอื้อมกับหุ่นของเมียผิดกับตอนตายโหงเลยยังกลับมานอนที่เดิมนี่เป็นคนละเรื่องแกอยากจะสลัดผ้าห่มทิ้งแล้วแผ่นหนีตเตลิดเปิดเปิงให้สมกับความหวาดกลัว แตแกกลัวว่าการทําอย่างนั้นจะทําให้ผีขัดเครืองเ้าไล่กวดชนิดถึงไหนถึงกันสถานการณ์มันจะสุดหนักกว่าเก่าเป็นสิบเท่าแกก็เลยได้แต่นอนคลุมโป่งตัวสันภาพภาพต่อไปอันว่าความรู้สึกใดก็ตามถ้าคงอยู่กับเรานานเข้าจนเหลืออดเหลือทนมันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอย่างอื่นเพื่อจะหนีความรู้สึกเดิมๆที่กดดันอารมณ์จนสุดกั้นในรายของลุงเพิ่มก็เหมือนกัน แกกลัวสุดๆจนเปลี่ยนเป็นความโกรธเหตุที่ความโกรธมีอานาจเหนือความกลัวก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเกิดจากแกก็รู้สึกว่าร่างที่นอนเคียงข้างอย่างเงียบชีไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกคล้ายๆหายวับกลับไปอยู่ป่าท้าแล้วแกก็เลยเลิกโป่งผ้าออกเพื่อจะเอะอะโวยวายให้สมกับความโมโหแต่ที่ไหนได้พอเหลือบดูก็เห็นร่างอ้วนอืดยังนอนอยู่อย่างเกา่า แถมทะลกเสื้อโชว์พุงกะทิความปลอดลอยก็ย้อนมาเป็นเจ้าเรือนมุดหัวกลับเข้าโปงแท่ไม่ทันกว่าจะรุ่งเช้าแวววเสียงไก่ขันลุงเพิ่มก็ผวาแล้วผวาอีกไม่ได้หี่ปรับให้สมความอ่อนเพลียสักวินาทีเดียวยังไรก็ดีเสียงน่ากลัวยังดังอยู่ที่ชั้นล่างเหมือนป้าเมี่ยงกำลังเปิดหน้าร้านขายของตามปกติลุงเพิ่มก็ต้องมุดหัวอยู่ในโปงต่อไป กระทั่งแสงเงินแสงทองสาดเข้ามาอาทิตย์อุทยัยเริ่มไขแสงมองเห็นไอโน่ไอนี่ชัดเจนไม่ต้องพึ่งไฟนิออนบนเพดานเสียงประหลาดก็เงียบสนิทดีแล้วแกก็กล้าสลัดผ้าหม่มทิ้งไปข้างหนึ่งปลุดลุกจากเตียงอย่างโกรธแค้นเพราะว่าอาันชีไว้คืนยันรุ่งอ่ารีบวิ่งลงไปเข้าสวมปลดทุกข์ที่ห้องสวมหลังบ้านเดชบุญที่ไม่ต้องอาบน้าแต่งตัวไปทางานเป็นบุรุษปริศี เนื่องจากแจ้งให้หน่วยเหนือเขาทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมีสิทธิพักงานหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูแลงานศพให้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแม่เอ้ยตายแล้วทำไมยมาบาลไม่หลกักคอนังเมี่ยงไปให้พ้นพ้นทัทีวะปล่อยให้อลาวาดอยู่ได้คำคืนสยองผ่านไปโดยลุงเพิ่มไม่ช็อกตายยังสามารถเปิดหน้าร้านขายของได้ตามปกติในแบบสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่น เพราะว่าเมื่อคืนไม่มีโอกาสงีบหลับแม้สักอึดใจเดียวพระเพลกใกล้คำก็ต้องแต่งดำไปดูแลงานศพเมียตัวแสบที่บังอาจมาขยาวขวัญผัวทั้งคืนจนอยากจะหาหมอผีจับตัวไปถ่วงน้ำให้สมแขนงานสวดคืนที่สองมีแขกเดินทางมาไว้อะไรบางตาแทบนับหัวได้ว่ากี่คนเนื่องจากสวดคืนแรกในปั๊เมียงทาพิษสดงร่างให้แขกในงานได้เห็นหลายคน แค่เห็นระดับน้ำจิ้มในยังผวาเนี่ถ้าเจอจัดหนักยังลุงเพิ่มนี่จะสยองแค่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าที่รับนิมนต์มาสวดศพคืนก่อนนี้ใช้พระหนุ่มคืนนี้เปลี่ยนเป็นภิกษุอาวุโสสูงบวชนานเป็นสิบพรรษามีภูมิต้านทานโรคผีหลอกได้เป็นอย่างดีสามารถนั่งสวดอภิธรรมได้ครบทุกจบ ขี้มเมาแก๊งเดิมก็เหลือแต่คนที่ใจถึงไปนั่งซดเหล่าที่ร้านลุงเพิ่มแค่สองรายเมื่อเวลาเริ่มดึกสงังเกตคือเราเราห้าทุ่มเสร็จเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นในร้านอีกออกไปจากบ้านกูความน่ากลัวของเสียงเนี่ยเล่นเอาพวกขี้เมารีบเพ่นกลับบ้านโดยไม่ต้องรำลาอะไรให้เสียเวลาเหลือแต่ลุงเพิ่มนั่งหัวโดแบบปลอดลอยอย่างสุดซึ้ง อีกแล้วเหรอแม่จะปะกุนเนยได้เวลามาขยาวขวัญผัวอีกแล้วนะ่ะแม่ ม, มาหาจำเริญแกข่ม ค, ควรวญในใจอย่างหวยหวนแต่คืนนี้ผีไตหงใจดีว่าคืนแรกไม่มีการกว้างขวดแตกพลงเพลงอย่างเกรียวกรดแกตวาดดุดาพวกขี่เมาเพียงประโยคเดียวก็เงียบกริบซึ่งก็เป็นความเงียบที่น่ากลัวไม่ต่างอะไรกับทำเอะอ เพราะธรรมชาติของผีนี่ชอบแฝงตัวอยู่ในเงามืดเงียบๆจะโผล่พดได้เห็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงเพิ่มอาบน้ำเข้านอนอย่างสังกตายร้อนแสนร้อนก็ต้องนอนกลุมโปงเผอิญผีป้าเมี่ยงจะเห็นใจถ้าจะจัดหนักทุกคืนจนผัวตายไปอีกคนแล้วใครจะช่วยดูแลงานศพอีกตกลงคืนที่สองผีก็ชะลอการหลอกเปิดโอกาสให้ผัวได้นอนหลับเต็มตา เย็นวันรุ่งขึ้นจะได้ไปวัดอย่างสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงไม่อ่อนเพรียตกคืนที่สามลุงเพิ่มเข้านอนตามปกติศพถูกสับเปรเรนําไปฝังแล้วรอเวลาการขุดขึ้นมาเผาในอีกหกเดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันอาถรรพ์ผีเฮี้ยนลุงเพิ่มก็นิ่งนอนใจนอนตามสบายนึกว่าผีเมียเลิกตามรางควานแล้วที่ไหนได้นาฬิกาโบราณที่ชั้นล่างเพิ่งตีบอกเวลาเที่ยงคืนไปสดส ด, สดร้อน อยู่ย่มือเย็นเจี๊ยบยังกะน้ำแข็งก็สอดลอดโป่งผ้าดึงขาแกออกจากโปง่งไม่ต้องเห็นตัวผู้ดึงก็รู้ว่าเป็นผีไตโหงป้าเมี่ยงแกตกใจจนกรามแข็งร้องไม่ออกได้แต่กรอกตาไปมาอย่างตกใจสุดขีดเห็นปลายตีนเตียงมีร่างอ้วนอืดของเมียยืนต่งานอยู่แกก็ถามแม่คุณเอ้ยผัวดูแลศพให้อย่างดีแล้วยังจะมาจัดหนักอะไรอีกอะ ถามแบบหลับหูหลับตาถามนะขืนลืมตาดูอาจจะหัวใจห ย, ยุดเต้นเอาดือด้อแต่ว่าหูก็แว่วจากเสียงพูดจากผีพี่ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมาลาพี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันนตายเพราะหมดอายุไขก็เลยเกิดอุบัติเหตุทำให้อายุสั้นพลันตายคืนนี้ตายครบสามคืนแล้วย ม, มาบาลท่านมารอเอาตัวไปเมืองผี ฉันขออนุญาตท่านมาบอกลาเราทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่เนี้ยพี่อายุเพิ่งจะห้าสิบกว่าฐานะก็มั่นคงผู้หญิงอีกหลายคนนะ่ะเขาอยากจะได้ผัวแบบเนี้ยฉันยอมให้พี่หาเมียใหม่ไว้ดูแลตอนแก่นะเหรอเออใจดีอย่างนั้นเลยเออขอบใจมากที แ, แม่มาหาจำเริญนฉันไปละท่านเรียกแล้ว ชาตินี้ถ้าฉันเคยล่วงเกินอะไรไปก็ขออาโหสิกรรมด้วยนะเออเออาโหสิอโหสิไปดีทำไมกูเนยเสียงรำลาขาดหายไปอย่างฉับพลันนอกบ้านแววเสียงหมาหอนจากท้ายซอยดังไปยันปากซอยลุงเพิ่มทดลองรีตาดูในห้องนอนก็เห็นแต่ความว่างเปล่ารู้ว่าเมียคงจะถูกย ม, มาบาลเอาตัวไปเมืองผีแล้วแต่ยังขนลุกเกลียวไม่ยอมหยุด เนื่องจากหลายคืนที่ผ่านเจอแต่เรื่องขยาวขวัญซ้ำแล้วซ้ำเล่าประสาทความรู้สึกได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักหนาสาหัสแทบจะไม่อยู่เป็นผู้เป็นคนยอมรับว่าผีมันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้หลายสิบเท่าคนไม่เคยโดนผีหลอกไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าคนโดนผีหลอกนี่จะกลัวขนาดไหนเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของลุงเพิ่มตอนไวยชราไม้ใกล้ฝั่ง บอกเล่าให้ลูกหลานฟังพอเป็นอุทาหรณ์ว่าผีมีจริงใครที่เชื่อว่าผีไม่มีในโลกก็จงเชื่อต่อไปแต่อย่าไปพูดไปจับจ่วงล่วงเกินเขาเป็นอันขาดเพราะว่าผีเป็นกลุ่มพลังงานสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้อย่างลึกลับครับ นานมากแล้วที่ธนาไม่ได้กลับบ้านที่อุทยัยธนามาทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานอยู่ที่ห้างแห่งหนึง่งธนาห น, านีความยากจนมาทางานเพราะว่าแม่เลิกกับพ่อนานแล้วเมื่อตอนที่ธนาจบมสามแม่ไปรับจ้างที่ร้านขายบะหมี่ก็มีผัวใหม่เป็นเจ้าของร้านบะหมี่นั่นเอง แม่แย่งผัวเขาก็เกิดทะเลาะวิวาสกับเมียเขาอย่างรุนแรงตกเย็นแม่ก็พาพ่อใหม่เข้าบ้านธนาไม่พอใจแม่และพ่อใหม่เป็นอย่างมากชาวบ้านเขาต่างก็นินทาว่าร้ายว่าแม่ของธนานะ่ะชั่วช้าแย่งผัวชาวบ้านธนาก็มักจะได้ยินอยู่เสมอแม่กับพ่อใหม่ก็เปิดขายอาหารตามสั่งที่หน้าบ้านแม่ แต่ขายไม่คอดีเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ชอบที่แม่แย่งผัวชาวบ้านเขามาธนานั้นแม่ให้ช่วยล้างชุ่ถ้วยล้างชามแต่ธนาก็ไม่ทําตามหอบผ้าไปขออยู่วัดต่อมาธนาก็ได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงกับแม่นั้นเลิกขายของหันมาปลูกผักในที่ดินสามไร่ที่แม่มีอยู่พ่อใหม่นี่ไม่ใช่คนเกียจครั้นเขาเป็นลูกจีน แม่เคยมาตามธนากลับบ้านบอกว่าอยู่บ้านเราเถอะไปช่วยกันปลูกผักขายที่แม่ดิ้นรนทุกวันนี้ก็เพื่อธนาพ่อเลี้ยงเขาก็ไม่ได้รังเกียจธนาแม่ก็มีธนาเป็นลูกคนเดียวธนาก็ใจอ่อนกลับมาบ้านช่วยแม่ทําสวนผักเลี้ยงไก่แต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเมียและลูกของพ่อใหม่เนี่ยก็มาหามาหาพ่อใหม่ถึงที่บ้านของธนา มาบอกว่าลูกคนเล็กป่วยหนักจะไม่ไปดูดำดูดีเฉยหรือที่บ้านน่ะลำบากลูกสามคนกําลังเรียนนางก็อ้อนบอนให้พ่อใหม่ของธนากลับไปแต่แม่ของธนากลับพูดว่าเฮียถ้าเฮียกลับไปในที่จะฆ่าตัวตายพ่อใหม่ก็ลังเลบอกให้เมียเก่ากลับไปก่อนแล้วก็มอบเงินให้ไปห้าร้อยแม่ก็บอกว่านี่เฮียให้เขาหมดแล้วเราจะเอาอะไรใช้พ่อใหม่ก็บอก ว, ว่าไม่ปล่อยหรืออดตายหรอก เสียงเอะก็ทําให้เพื่อนบ้านมายืนฟังกันหลายคนธนาก็รู้สึกอายมากรีบเดินหนีเสร็จแล้วก็กลับออกไปจากบ้านแต่วัฒนามไม่ได้ไปอยู่วัดใกล้บ้านธนาไปขออยู่อีกวัดหนึ่งไปอาศัยอยู่สามสี่วันก็ไปขออยู่ที่บ้านพันรงเพราะว่าสนิทกับลูกชายของพันรงอ่าแต่ว่าลูกชายของพานรงคนเนี้ยไม่ได้เรียนหนังสือต่อ พันรงกับเมียก็สงสารธนาก็บอกว่าให้ไปสมัครเป็นเด็กปั๊มก็ได้ปั๊มเปิดใหม่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเขาคงจะรับธนาก็ไปทํางานเป็นเด็กปั๊มในตอนนั้นเลิกงานก็มานอนบ้านพันรงเงินเดือนออกเดือนแรกธนาก็แบ่งให้พันรงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้แม่อีกครึ่งหนึ่งจะเหลือไว้ซื้อข้าวกินให้ชนเดือนจะกินอย่างประหยัดจะไม่รบกวนห่อข้าวจากบ้านพันรงไปกินอีกแล้ว แต่ ว, ว่าตัวพันโรงกับเมียไม่เอาบอกให้เอาเงินไปให้แม่แล้วก็ให้ธนาเก็บไว้ใช้บ้างธนาก็มาหาแม่ในค่าของวันหนึง่งเอาเงินมาให้แม่แต่ว่าแม่กลับไม่หันมามองธนาทั้งที่ธนาเรียกแม่แม่มัวแต่ร้องไห้แล้วก็พูดกับพ่อใหม่ว่าเฮียจะไปเยี่ยมลูกเดี๋ยวเฮียก็ไม่ได้กลับมาพ่อใหม่ก็บอกกลับสิลูกมันนอนโรงพยาบาลตั้งนานแล้วจะไปดูมันหน่อย ธนาก็บอกแม่นี่ผมเอาเงินเดือนที่ผมทำงานได้มาให้แม่นะแม่ก็ยังไม่หันมาพ่อใหม่ก็ว่าคุยกับลูกเหมือนมังสีลูกอุสา์เอาเงินมาให้แม่ก็บอกว่ามันเอาตัวรอดแต่ฉันไม่ห่วงมันหรอกมันหนีไปมันไม่บอกสักคำฉันไปตามหามันที่วัดก็ไม่เจอปล่อยมอันเถอะตอนนี้ฉันเครียดเรื่องเฮียมากกว่าธนาได้ฟังก็เดินจากไปอย่างเห่าหงอย เพราะคิดว่าแม่นะรักพ่อใหม่มากจริงๆธนาเดินกลับบ้านพันโรงด้วยใจหอเหี่ยวพันโรงเขามีลูกสองคนเขาก็รักกันดีเมียพันโรงก็ขายน้ำแข็งใสที่โรงเรียนตกเย็นเขาก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีก็แต่ตัวละ่ะที่เหมือนกระกาฝววากไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาแต่บ้านนี้ก็ให้ความอบอุ่นกับธนาเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง วันหยุดเขาก็พากันปลูกต้นไม้บ้างตกแต่งดอกไม้นานาพันธุ์ดูมีความสุขดีธนาก็อดสะท้อนในหัวอกไม่ได้ว่าพ่อจริงๆกับแม่เนี่ยทำไมต้องเลิกกันหนาซ้ำแม่ก็ยังแย่งผัวเข้ามาครองซะอีกธนาไม่กลับไปบ้านอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นเด็กปั๊มอยู่พักใหญ่เมื่ออายุมากพอที่จะสมัครทำงานที่อื่นได้ธนาก็เข้ากรุงเทพ มาทำงานที่ห้างโดยเช่าห้องทุกถูกอยู่ด้วยเงินที่สะสมไว้ตอนที่ทำงานที่ปัม๊มเมื่อถึงช่วงที่ธนาคิดว่าอีกเดือนกว่าก็จะถึงเวลาเรียกทหารธนาก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปรอจับใบแดงใบดำหลายปีที่ธนาไม่ได้ย้อนกลับมาบ้านครั้งนี้ธนาตั้งใจจะเอาเงินก้อนให้แม่แล้วก็อยากจะไปกราบแม่สักครั้งไม่ว่าแม่จะสนใจตัวหรือเปล่า ธนามาถึงทางเข้าบ้านก็คําแล้วและเห็นแสงตะเกียงจากหลายบ้านเสียงหมามันเห่าหอนเมื่อเห็นธนาเดินมาตามทางลูกรังธนาก็หยิบก้อนหินเล็กๆป่าหมาที่เห่าหอนไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงธนาก็พึมพำเออตั้งหลายปีมาแล้วนี่ไฟฟ้ายังไม่มาอีกนะแต่กใจก็คิดว่าแถวบ้านตนนะี่ยังดูกันดานยังจะต้องโยกน้าบ่อใช้มันเดิม ธนามองเห็นแสงตะเกียงลอดออกมาจากข้างขวาขัดแตะด้วยไม้ไผ่แสดงว่าแม่คงยังไม่นอนธนาหยุดยืนที่บันไดก็เห็นว่าบันไดขั้นสุดท้ายน่ะมันหักธนาก็ว่าปล่อยให้มันหักได้ยังไงเนี่ยอยู่กันยังไงไม่ซ่อมไม่แซมเลยธนาก็ขึ้นมาหน้าประตูประตูก็เปิดออกโดยที่ธนาไม่ได้ผลักหรือว่าเรียกให้แม่เปิดปรากฏว่าแม่ยือนอยู่ข้างหน้าธนาก็ร้องเรียกแม่ ผมกลับมาหาแม่แล้วเออแม่รู้แล้วได้ยินแค่เสียงเองเดินแม่ก็จําได้น้ําเสียงของแม่นี่ยมันฟังดูมันเยือกเย็นยังไงชอบคนแม่ก็เดินไปนั่งตรงที่แม่เคยนั่งเป็นประจำส่วนพ่อเลี้ยงก็นั่งหันหลังชุนแหยอยู่ธนากราบแม่แล้วก็กล่าวขอโทษที่ทิ้งแม่ไปตั้งหลายปีแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก แม่รอได้แม้ว่าเองจะเป็นนานแค่ไหนแม่ก็จะรอเองธนาก็ยกมือไหว้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็หันมาพยักหน้าอมยิ้มให้อย่างใจดีแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ทํากับข้าวหุงข้าวให้กินนะเองไปอาบน้ํำซะก่อนไปน้ําในโอ่งยังมีเต็มโอง่งธนาก็บอกแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปหาบน้ํามาใส่โอ่งให้ใหม่นะเมื่ออาบน้ําเสร็จธนาก็ เห็นแม่ยกข้าวกับต้มยำไก่บ้านมาให้แม่ก็บอกว่ากินซะต้มยำไก่ที่เอ็งชอบอะธนาแปลกใจก็ถามว่าทำไมแม่ทำเสร็จเร็วจังแม่ก็บอกรีบทมเพราะว่าคิดว่าเอ็งต้องหิวพอกินข้าวกินน้ำเสร็จธนาก็หยิบเงินมาวางให้แม่เป็นหมื่นแม่ก็บอกว่าแม่ไม่อา้วรอกเอ็งเก็บไว้ใช้แล้วก็ทาบุญเถอะ ทำเผื่อแม่กับพ่อเลี้ยงเองบ้างก็ได้ใจธนาก็คิดว่าแม่นีนยังรักพ่อเลี้ยงมากอยู่เหมือนเดิมครันสายตาของธนาก็เหลือเพ่นเงาตัวเองที่ข้างขวาแสงตะเกียงมันส่องแต่เอ๊ะทไมไม่มีเงาของแม่หรือพ่อเลี้ยงทั้งที่ที่นั่งอยู่ไม่ห่างกันแม่ก็บอกว่ามุ้งที่เองเคยนอนน่ะแม่เก็บไว้ในตู้นะเดี๋ยวแม่จะกางให้ธนาก็บอกว่าเดี๋ยวผมกางเองก็ได้แม่ แม่ก็บอกว่าให้แม่ทำให้เองบ้างเถอะแต่ก่อนแม่ก็ปล่อยประละเลยเองแม่ตั้งนานธนาก็รู้สึกชื่นใจที่แม่พูดแบบนั้นธนารู้สึกรักแม่มากกลับมาบ้านครั้งนี้จะอยู่กับแม่ให้นานหน่อยถ้าจับได้ใบแดงจะต้องไปเป็นทหารก็จะอยู่จนกระทั่งจะถึงวันที่เขาเรียกตัวแต่ถ้าจับได้ใบดาก็จะอยู่กับแม่สักเดือนนั้วค่อยไปหางานทาใหม่ แม่กลางมุงเสร็จก็มานั่งข้างๆธนาจับมือธนาเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าเองไม่ได้เป็นทหารเองบวชให้แม่สักปัรษาได้ไหมธนาก็บอกได้สิแม่แต่ว่าผมอยากให้พ่อแท้ๆของผมมาสะพายบาดจังเลยไม่รู้ป่านนี้พ่อไปอยู่ที่ไหนแม่ก็บอกว่าพ่อเองนะเขามีเมียอยู่ไกลเขาคงไม่มาสนใจเราหรอกเองเป็นลูก ก็อุทิศให้พ่อเองได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนถ้าเองปฏิบัติดีพ่อเขาก็จะได้รับบุญอยู่ดีแแหละธนาก็หันไปทางพ่อเลี้ยงแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะให้เตี่ยวสะพายบาทนะบุญกุศลของผมก็จะแบ่งให้เตี่ยด้วยพ่อเลี้ยงก็บอกเออขอบใจนะขอบใจจริงๆธนาเพิ่งจะรู้สึกว่ามือแม่นี่มันเย็นชืดยังไงบอกไม่ถูก ธนาก็ว่าแม่ทําไมมือเย็นจังเลยนี่มันหน้าร้อนนะแม่แม่ไม่สบายหรือเปล่าแม่ก็บอกเวลาแม่ดีใจหรือตกใจมือมันก็จะเย็นแบบนี้วันเนี้ยแม่ดีใจที่เองกลับมาเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าไว้แม่ไม่ได้ใช้อะไรหรอกเองไปนอนซะเผื่อตอนเช้ามีอะไรจะต้องทําธนาก็นอนแม่ก็ถือตะเกียงเข้าห้องนอน ว่าเมื่อก็ปกคลุมพ่อเลี้ยงก็เดินตามแม่ไปธนานอนหลับสบายจนฟ้าสางธนาก็ลุกขึ้นเก็บมุ้งพับผ้าห่มให้เรียบร้อยก็จะลงไปล้างหน้าเข้าห้องน้ํามองดูไปรอบๆตัวเอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบเหลือเกินเอนี่แม่ไปไหนมองไปหน้าห้องที่แม่นอนก็มีแต่ยหยักย้ายเต็มไปหมดมองดูบนคือบนตู้ก็มีแต่ยายมังมูมเหมือนกับร้างมานาน ธนาไปผลักประตูห้องนอนแม่มองไปตรงที่นอนมุ้งนี่ถูกตลบไว้ด้านหนึ่งขาดกระรุ่งกระริ่งที่นอนบนเตียงไม้เก่าๆเต็ม ไ, มได้ฝุ่นเหมือนกับไม่ได้มีใครนอนมานานธนางงกับภาพที่เห็นเมื่อออกไปตรงระเบียงก็มีไม้เลื้อยขึ้นมาพันตามไม้ที่กัน้นไว้เต็มไปหมดในครัวถ้วยชามก็มีแต่ฝุ่นเตาไฟก็มีกา้าน้ําที่แม่เคยต้มน้ําร้อนให้พ่อเลี้ยงตั้งอยู่ เอ้ ه, นี่มันอะไรกันนี่ธนาก็รีบวิ่งไปถามเพื่อนบ้านว่าแม่ทําไมถึงปล่อยบ้านรกรุงรังผุพังแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นแม่เลยเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยตะเข่งกัยายพลอยก็บอกหิบหายแล้วตั้งห้าหกปีแต่มันยังอยู่อีกแล้ววะมีหน่าลหมาถึงหอนทุกคืนธนาก็ว่ามันหมายความว่ายังไงอะยายตาตะเข่งก็บอกอีรวยอีรวยมึงมานี่หน่อยสิ ตะเข่งร้องเรียกคนข้างบ้านอีกคนหนึ่งคนที่ชื่อรวยรุ่นเดียวกับแม่ของธนาก็รีบเดินมามีอะไรอตาเรียกแต่เช้าเจียวจะให้สนเข็มให้เหรอปล่ารอกเอ็งช่วยบอกธนามันทีว่าแม่มันเป็นยังไงมันบอกว่าเมื่อคืนมันคุยกับแม่มันยญ่พลอยก็บอกว่าใช่ใช่ข้าแล้วขนลุกไปหมดผู้หญิงที่ชื่อรวยก็บอกว่านี่ธนาเหรอโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วนี่ ธนาก็ยกมือไหว้ใจคอไม่สู้ดีที่เห็นอาการน้องคนทั้งสามนารวยช่วยบอกผมทีเธอะว่าแม่ผมอยู่ไหนแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับแม่หรือเปล่าครับนรวยที่ธนาถามก็บอกว่าเออแม่เองอะ่ะเขาตายมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เองหายไปเขาลือกันว่าเองเข้ากรุงเทพ เสร็จแล้ววันนั้นแม่เองเขาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเองเสียงดังในทํานองที่ว่าพ่อเลี้ยงเองจะกลับไปอยู่กับเมียเก่าชาวบ้านเขาก็ได้ยินกันแล้วกลองเงียบเสียงไปสองสาวันไม่เห็นเขาออกไปรดน้ําผักหรือตัดผักเลยข้าก็เลยย่องไปดูกล้องเงียบแต่มีกลิ่นเหม็นข้าก็เลยเรียกหลายคนขึ้นไปดูเห็นพ่อเลี้ยงเองนอนขึ้นอืดมีแผลถูกแทงหลายแผลอยู่ข้างเตียง แม่เองก็ขึ้นอืดเหมือนกันข้างตัวมีขวดยาฆ่ า, มาแมลงแม่เองเขียนจดหมายว่าให้เก็บศพไว้รอเองมาเผาตำรวจเขาว่าแม่เองคงจะแทงพ่อเลี้ยงตายแล้วกินยาฆ่ า, มาแมลงตายตามแม่เองนอนอยู่ข้างๆศพพ่อเลี้ยงเองน่นแหละศพแม่เองไปฝังไว้ที่วัดส่วนพ่อเลี้ยงเองในญาติเขาเอาไปแล้วไม่รู้ว่าฝังหรือเผาเออผีดุจะตายพวกข้ามไม่ได้หลับได้นอน ตอนที่เขาตายใหม่ๆเนี่ยพอครบสามวันนะมีเสียงทะเลาะ ก, กันแต่จับใจความไม่ได้สลับกับเสียงร้องไห้ของแม่เองธนาก็น้าตาไหลนึกย้อนไปว่าตัวไม่น่าจะทิ้งแม่ไปนานถ้าหากว่ายังอยู่ใกล้ๆแม่ทำงานที่ปั๊มแล้วกลับมานอนบ้านแม่อาจจะไม่รู้สึกถึงความว้าเหวเมื่อพ่อเลี้ยงจะไปแม่อาจจะไม่คิดสั้นถ้ายังมีลูกอยู่เคียงข้างตัวกลับมาช้าไปจริงๆ ธนาก็จัดการเผาศพแม่ชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันเต็มที่ธนาหาไม้มาซ่อมบันไดทําความสะอาดบ้านตัดหญ้าชาวบ้านก็ดีใจที่ธนาเข้ามาอยู่ในบ้านยามค่ําคืนก็ยังกล้ามาวางเบ็ดหาปลากันบ้างธนาจับได้ใบดําก็บวชให้แม่แล้วก็ไม่ลืมที่จะอุทิศกุศลให้กับพ่อจริงๆแล้วก็พ่อเลี้ยง ธนาศึกมาก็ปลูกผักขายไม่จากบ้านไปไหนอีกถึงแม้วันนี้แม่จะไม่อยู่แล้วแต่ธนาก็คิดว่าวิญญาณแม่คงจะอยากให้ตนอยู่บ้านแม้ว่าบางคืนธนาจะอดร้องไห้ไม่ได้ก็าตามธนาคิดว่าถ้าตัวมีครอบครัวตัวจะเป็นพ่อที่ดีจะไม่ให้ครอบครัวแตกแยกจะอยู่จะรักกันแบบลุงพันโรงกับเมียที่ธนาไม่ลืมที่จะไปกราบไหว้อยู่เป็นประจำเลยครับ เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณบุญช่วยเล่าให้ฟังคุณบุญช่วยบอกว่าระหว่างทางที่จะเข้าไปยังบ้านของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่มีต้นไซขนาดประมาณสามสี่คนโอบยืนตร a งานอยู่ข้างทางต้นหนึ่งซึ่งไซต้นที่กล่าวถึงเนี่มักจะถูกใช้เป็นที่สำหรับวิ่งเล่นของพวกเด็กๆในละแวกนั้นหมายถึงรวมทั้งตัวของคุณบุญช่วยด้วย เด็กๆที่อยู่ในวัยเดียวกันเกือบทั้งหมดชอบใช้บริการลานกว้างใต้ต้นไทรเป็นที่เล่นซ้อนหาบ้างเล่นขี่ม้าชิงเมืองบ้างแล้วแต่ใครจะนึกเกมอะไรขึ้นมาได้นอกจากนี้แล้วในช่วงที่ลูกไทรสุกสะพังไปทั้งต้นก็จะมีนกน า, นานาชนิดมาอาศัยอยู่ที่ต้นไทรที่ว่านี่เป็นจำนวนมากพักพวกที่เป็นเด็กผู้ชายสนๆก็ชอบใช้หนังสติกยิงนกทั้งหลายที่มากินลูกไทร แล้วก็เอานกที่ได้มาปิ้งหรือไม่ก็ย่างกินกันตามประษาะเด็กๆบรรดาเหล่าผู้ปกครองก็จะห้ามปรามเป็นประจำในเรื่องที่เด็กๆ เ, เล่นกันจนเกินขอบเขตสาเหตุที่ผู้ใหญ่ห้ามปรามไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขารําคาญหรืออะไรหรอกหากจะเป็นเพราะว่าเขากลัวกลัวเด็กจะตกลงมาจากกิ่งต้นไทรจนถึงขนาดหัวร้างข้างแตกหรือว่าอาจจะแขนขาหักก็ได้ ถึงแม้บรรดาเหล่าธรรมน์ได้รับคำสั่งที่เข้มงวดจากผู้ปกครองขนาดไหนจะด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครในกลุ่มยอมเชื่อคำพูดของผู้ใหญ่เหล่านั้นเลยซึ่งเมื่อพวกผู้ใหญ่พูดตักเตือนอพวกเขาหลายครั้งเข้ามันก็ทําให้ผู้ใหญ่เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะว่ากล่าวกันอีกต่อไปครั้นเป็นอย่างนี้พวกผู้ใหญ่ก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยผลก็คือลานกว้างใต้ต้นไทร ยังคงเป็นแหล่งชุมนุมของเด็กเช่นเดิมแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับลานใต้ต้นไทรนี้เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นพี่นวลลูกสาวลุงน้ำมาผูกคอตายกับต้นไทรที่เด็กอ่าที่คุณบุญช่วยกับพักพวกนี้ใช้เป็นสถานที่เล่นเป็นประจำสภาพศพ ของพี่นวนที่คุณบุญช่วยเห็นในวันนั้นมันช่างแตกต่างกับพี่นวนคนสวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นเชิงผมของหล่อนกระเซิงมาปลกหน้าผิวตัวซีดเหลืองขณะที่ดวงตาถลนแทบจะออกมานอกเบ้าและลิ้นก็จุกอยู่เต็มปากยามที่ศพต้องลมแรงมันก็แหวงไปแกว่งมาคล้ายกับว่าพี่นวนจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสภาพของพี่นวนจะดูน่ากลัวสําหรับใครหลายคน แต่สำหรับบุญช่วยนี่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับคนอื่นไม่เพราะว่าเธอไม่รู้จักกลัวพี่นวลไปทำไมในเมื่อพี่นวลแกก็ยังเป็นพี่นวลไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดอะไรแม้แต่น้อยส่วนต้นเหตุการณ์ตายของพี่นวลในครั้งนี้บุญช่วยแอบได้ยินมาจากพวกผู้ใหญ่คุยกันว่ามันมาจากที่พี่นวลไปรักชอบพอกับไอ้หนุ่มตางทินถึงขนาดทั้งสองแอบมีอะไรกัน แต่ถึงแม้ทั้งสองจะรักชอบพอกันขนาดไหนลุงน้าผู้เป็นพ่อของพี่นวลก็กลับขัดขวางตลอดเพื่อไม่ให้ทั้งสองได้ครองชีวิตร่วมกันสาเหตุที่ลุงน้าต้องทาอย่างนี้ก็เพราะแกะแอบรู้มาว่าไอ้หนุ่มต่างถิ่นคนนี้มันมีเมียอยู่ก่อนแล้วเหมือนอย่างคำโบราณกล่าวไว้ว่าความรักนะ่ะมันเหมือนโคถึกที่คึกพิโรดเมื่อพี่นวลถูกขีดกันจากผู้เป็นพ่อ ด้วยอารมณ์ชั่ววูบของหล่อนก็ทำให้หล่อนตัดสินใจหอบผ้าหนีตามชายต่างถิ่นคนนั้นไปโดยที่หล่อนหวังว่าการได้ไปใช้ชีวิตกับชายที่รักแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนหล่อนก็คงทนได้ขอให้มีเขาอยู่เคียงข้างก็เป็นพออาจจะเนื่องจากพี่นวล น, นี้ยังอ่อนต่อโลกไม่ทันคนเหลี่ยมจัดเพราะว่าหลังจากที่หล่อนได้ตัดสินใจมาอาศัยอยู่กินกับชายคนรักได้ไม่นาน ปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นในตอนแรกที่่อนและคนรักรู้จักกันใหม่ๆไอหมอนี่มันก็แสนจะเป็นสุภาพบุรุษไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันครั้นพอมันมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่นวลความดีที่เคยแสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นมันก็กลับเป็นแค่ภาพลวงตาที่ใช้เป็นกลอุบายหลอกพี่นวลเท่านั้นเอง แต่ถึงกระ น, นั้นพี่นวลแกก็ยังอุตส่าห์ทนอยู่กับการกระทำเลวๆของมันต่อไปอย่างกล้ามเกนฝืนทนกระทั่งวันหนึ่งพี่นวลแอบสืบรู้มาว่าผู้ชายคนที่หล่อนไว้ใจนอกจากจะไม่เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่คิดแล้วมันยังมีผู้หญิงอื่นอยู่อีกคนหนึ่งด้วยครั้นพอได้ความอย่างนี้แทนที่หล่อนจะเอะอะโวยวายตรงข้ามหลอนกลับไม่พูดต่อว่าต่อขานชายคนรักแม้แต่น้อย นอกจากจะเก็บความเจ็บปวดไว้ภายในใจความรู้สึกของพี่นวลในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้มันแสนจะสับสนเเก้ ว, ง, กวงไปหมดไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะปรึกษาใครที่ไหนดีแต่แวบหนึ่งในความคิดมันบอกหล่อนว่าหล่อนนะ่ะยังมีบ้านยังมีพ่อผู้ที่มีความรักให้หล่อนอยังเหลือเฟือคิดได้อย่างนั้นพี่นวลก็ลงมือเก็บข้าวเก็บของหนีจากชายคนรัก เพื่อจะกลับไปหาพ่อที่บ้านโดยหลอนหวังว่าทินพำนักที่หลอนเคยอศาศัยอยู่เนี่ยมันจะช่วยรักษาแผลใจอันเกิดขึ้นจากความผิผดพลาดครั้งนี้ของหลอนให้จางหายไปในที่สุดเมื่อไปถึงปากทางเข้าบ้านยังไม่ทันที่หลอนจะได้ไปถึงบ้านพี่นวลก็เจอกรลุงน้ำที่ปากทางเสียก่อนท่านทีที่หลอนเห็นชายผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดูหลอนมาแต่เล็กต่น้อย ลอนก็ผูเข้าหาทันทีด้วยใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาแต่แทนที่ลุงน้ำจะตอบสนองความต้องการของพี่นวนแกกลับเสือกใสไล่ส่งพี่นวนไปด้วยความโมโหโดยแกไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ในตอนนั้น่ะมันเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้คนที่กำลังจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้านั้นไม่สามารถจะหาทางดึงตัวเองให้หลุดพ้นหลุมดาอันนั้นไปได้เพราะได้ยินคากล่าวของผู้ให้กาเนิด หัวใจที่แสนจะบอบช้าอยู่แล้วของพี่นวลก็ถึงก็แตกสลายลงไปทันทีคราวนี้เห็นทีหลอนไม่มีที่จะไปจริงๆแล้วเมื่อชีวิตไม่มีที่ไปแล้วจะอยู่ไปทำไมคิดได้อย่างนี้หลอนก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวที่ต้นสทรใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างทางก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวการตายของพี่นวลที่บุญช่วยได้ยินมาทั้งหมด หลังจากที่ญาติของพี่นวลได้นำศพของหล่อนไปประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเรียบร้อยทุกอย่างใต้ต้นไทรก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือมีบรรดาเหล่าธรโมนไพรไปสมหัวกันที่นั่นคล้ายกับไม่เคยมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นแต่อย่างใดการที่เด็กๆ ก, กลับไปเล่นกันที่ลานใต้ต้นไทรอีกเช่นเคยมันอาจจะเป็นเพราะว่า ทุกคนยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นณนะใต้ต้นไสรแห่งนี้ก็ยังว่าละความคิดความอ่านของเด็กมันยังไม่มีขีดความสามารถพอจะรับรู้เรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องจิตวิ ญ, ญญาณอะไรต่างๆได้เคยมีเหมือนกันที่มีผู้ใหญ่ผู้หวังดีหลายคนพยายามหลอกเด็กว่าแต่าหากว่าเด็กๆมาเล่นที่ใต้ต้นไสรบ่อยๆเดี๋ยวพี่นวล จะออกมาเล่นกับเด็กๆด้วยแต่พอเด็กได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดอย่างนั้นบางคนก็หัวเราะออกมาเสียงดังก็ในเมื่อพินวนตายไปแล้วหล่อนจะขึ้นมาเล่นกับเด็กๆได้อย่างไงจนกระทั่งในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่บรรดาเด็กซนพักพวกของบุญช่วยทั้งหมดนี่เล่นซ่อนหากันที่ใต้ต้นไทรความจริงเวลานี้อ่าเด็กๆควรจะกลับบ้านแล้วแต่ด้วยความสนุกสนานก็ทําให้ทุกคนถึงกับลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะเลยทีเดียว ก็ลงมือเล่นซ่อนหากันบุญช่วยก็ได้เลงที่ซ่อนเหมาะๆไว้สำหรับตัวเองแล้วโดยที่เธอได้เลงไว้มันเป็นโพรงใหญ่ตรงโคนต้นไทรซึ่งบุญช่วยมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปแอบคงไม่มีใครหาเจอแน่นอนเนื่องจากปากทางเข้าโพรงที่พูดถึงนี่จะมีรากไส่ปกคลุมอยู่เต็มไปหมดถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้โดยเด็ดขาดว่าตรงนั้นมีโพรงอยู่ จนเมื่อเด็กๆ เ, เริ่มเล่นซ่อนหาบุญช่วยก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในโพรงที่ว่านี้จนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปจนผิดสังเกตเธอก็ค่อยๆ ค, คลานออกมาจากที่ซ่อนด้วยความระมัดระวังกลัวไอ้คนที่เป็นคนหามันจะมาเจอเข้าแต่พอออกมาสู่ภายนอกกลับพบว่าบริเวณลานใต้ต้นไทรนอกจากตัวเองแล้วเธอก็ไม่เห็นเพื่อนคนไหนอีกเลยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนมันหลอกให้เธอหลบ ส่วนพวกมันก็พากันหนีกลับบ้านไปก่อนหน้าโดยไม่ได้บอกให้เธอรู้ตัวไอ้พวกนี้คงจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วล่ะเธอก็รำพึงกับตัวเองเบาๆขณะที่สาวเท้าออกไปเพื่อเดินทางกลับบ้านของตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ร่างของบุญช่วยจะ ก, ก้าวพ้นลานใต้ต้นไทรพลันหูก็ได้ยินเสียงใครบางคนดังขึ้นอ่าเหมือนกับลอยมากับลมจากทางด้านหลัง จะกลับบ้านแล้วเหลือปูอยู่คุยกับพี่ก่อนสิพอบุญช่วยหันกลับไปดูก็พบต้นต่อของเสียงมันมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งสยายผมอยู่บนกิ่งายใหญ่อย่างสบายอารมณ์เวลานี้มันกำลังโพลเพลสายตาอาจจะมองอะไรไม่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นบุญช่วยก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการมองฝ่าความมืด เพื่อต้องการให้รู้แน่ชัดว่าผู้หญิงที่กำลังนั่งเล่นอยู่บนกิ่งไทรน่ะเป็นใครและเมื่อเธอพิจารณาอยู่พักใหญ่เธอก็ร้องอ๋อออกมาดังๆเพราะว่าใครคนนั้นน่ะเป็นพี่นวลคนที่เธอคุ้นเคยนั่นเองอ้าวไหนคนนวนคนนี้เขาบอกพี่นวลตายไปแล้วนี่แล้วทำไมหล่อนมานั่งอยู่บนกิ่งไทรได้ยังไงก็อย่างที่บอกไว้แต่เริ่มต้นแล้วว่าตอนนั้นบุญช่วยนะ่ะยังเป็นเด็ก ยังไม่รู้จักว่าผีเป็นยังไงความตายเป็นยังไงความไม่กลัวความไม่ประสีประษาของเธอมันทำให้เธอหันกลับมาแล้วก็เดินเข้าไปหาพี่นวลอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านแหมตกใจหมดเลยนึกว่าใครพี่นวลเองอะ่ะพี่มานั่งทําไมที่นี่มืดมืดค่ำค่ำอะ่ะทําไมไม่กลับบ้านหนูเห็นลุงน้ําแกร้องไห้บน่นคิดถึงพี่ทุกวันเลย บุญช่วยก็ถามด้วยความสงสัยปนซื่อตามประสาเด็กและทันทีที่พี่นวลได้ยินเธอพูดจบเธอก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่มีสาเหตุบุญช่วยยืนนิ่งตะลึงงนันด้วยความตกใจเพราะกลัวว่าคำพูดของเธอไปกระทบกระเทือนจิตใจของพี่นวลจนเป็นเหตุให้พี่นวลต้องร้องไห้ในสถานการณ์ที่เธอกำลังปรเชิญอยู่เธอก็ไม่รู้จะทำอะไรที่ดีไปกว่ายืนนิ่งนิ่งแล้วก็เงียบ เพื่อรอให้พี่นวลมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นพร้อมที่จะสนทนากับเธอต่อไปพี่นวลก็ยังคงสะอื่นอยู่หักหักก่อนที่จะพยายามปรับน้ําเสียงตัวเองให้เป็นปกติมากที่สุดเพื่อจะได้คุยกับบุญช่วยพี่กลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะปูเขาไม่ให้พี่ไปถ้าปูเจอพ่อของพี่ปูช่วยบอกแกด้วยนะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะพี่ขอโทษด้วยพี่มันเป็นคนเลว ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อยังไม่ทันที่หล่อนจะได้กล่าวอะไรต่อหล่อนก็ปล่อยโอไมอ่ครั้งส่วนตัวของบุญช่วยก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆเหมือนเดิมไม่เข้าใจว่าพี่นวนจะเสียใจอะไรกันมากมายลุงน้ำแกก็อยู่ที่บ้านทำไมไม่ไปหาทำไมต้องมานั่งร้องไห้ยอยู่ที่นี่ด้วยบุญช่วยยังคงคุยอยู่กับพี่นวนต่ออีกนานพอสมควร จนกระทั่งเกิดความรู้สึกเหมือนว่ามีลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาปะทะใบหน้าทันใดนั้นเองประสาทและความรู้สึกทุกส่วนของร่างกายของบุญช่วยก็ขาดห่วงไปโดยที่เธอไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยจนมารับรู้อีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงใครบางคนกําลังร้องไห้แล้วก็เสียงใครอีกคนกําลังส่งเสียงคุยกันจอกจ๊กไปหมดและพอบุญช่วยลืมตาขึ้นมาก็ต้องพบกับความประหลาดใจ เพราะว่ารอบๆข้างของเธอเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเนื่องจากความกระหายน้ำนี่มันมีมากเอจนทําให้เลิกใส่ใจเรื่องรอบข้างทั้งหมดยังไม่ทันที่ใครจะหาน้ําให้เธอดื่มแม่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดก็ถึงกับโผ่เข้ามาด้วยความดีใจเอ่ยก็แค่เธอตื่นขึ้นมาจากที่นอนเฉยๆทําไมต้องมีคนมามุงดูกันมากมายขนาดนี้อ้าว แล้วนี่เธอมานอนอยู่ในห้องของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ในเธองงไปหมดละและเรื่องที่สร้างความงุนงงให้กับเธอก็ได้รับการเฉลยจากปากพ่อว่าในตอนเย็นที่บุญช่วยไปเล่นซ่อนหาที่ลานใต้ต้นไทรบุญช่วยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อแม่ก็เกณฑ์คนในหมู่บ้านออกตามหาจนเมื่อเวลาเกือบตีสามถึงได้พบบุญช่วยนอนหลับอยู่ในโพรงต้นไทรโดยขณะที่พบ บุญช่วยนั้นใครๆก็คิดว่าบุญช่วยนะ่ะตายไปแล้วทั้งนั้นเพราะว่าร่างกายมันเย็นชืดเหมือนกับคนตายยังดีที่พอมีลมหายใจรวยรินเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับคนที่ตามหารู้ว่าเธอยังมีชีวิตยอยู่ไม่อย่างนั้นป่านนี้พ่อแม่คงจะจัดการชาปนากิจไปแล้วอย่างแน่นอนหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่พ่อได้เล่าให้ฟังบุญช่วยถึงก็อึง้งด้วยความมึน ง, งงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา แต่เธอก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับได้ไปเจอพี่นวลมาเพราะว่าเธอตั้งใจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงน้ำฟังเพียงคนเดียวเท่านั้นครับโทรศัพท์มือถือยุคบุกเบิกนี่สนนราคาแพงลิบโลกเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ตอนนั้น พัฒนาจากการแสดงในหนังฝรั่งเรื่องเจมบอล007เนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะที่หัวหน้าเหล่าร้ายกำลังเริงร่ากับบรรดาสาวสวยริมสระว่ายน้ำข้างคลาริฮา์ตรูก็มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นสาวสวยก็วิ่งไปรับสายแล้วถือเฉพาะหูโทรศัพท์ไม่มีสายยื่นส่งให้จอมอิทธิพลซึ่งเดินเกรไปมาอีกฟาหนึ่งของสระนะ ปรากฏว่าเขายกหูขึ้นคุยจ้อได้อย่างน่าอัศจรรย์น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมในโรงภาพยนตร์สมัยนั้นโทรศัพท์อะไรว่าไม่มีสายต่อมาไม่นานนักวิทยาศาสตร์ก็ร่วมมือกับนักประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์ไร้สายขึ้นมาในโลกรูปร่างครั้งแรกก็เหมือนกระเป๋าหนังที่เรียกกันว่ากระเป๋าเจมบอนมีฝาปิดเปิดด้านบนถ้ามีเสียงกริ่งเรียกเข้าดังขึ้น ก็เปิดหฝากระเป๋าโรยกหูไร้สายขึ้นรับได้เลยรุ่นแรกนี่สนนราคาเรือนแสนคนร่ำรวยหรือว่านักธุรกิจใหญ่กระเป๋าหนักเท่านั้นละ่ะถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองเนื่องจากไม่ใช่สนนราคาเครื่องจะแพงลิบโลกอย่างเดียวอัตราค่าบริการต่อหนึ่งนาทีก็แพงหูฉีเกือบสิบบาทในยุคที่เหล้าหงทองขวดละสี่สิบาทเท่านั้นคนกระเป๋าแห้ง ต่อให้ได้โทรศัพท์รุ่นนี้มาฟรีก็ไม่มีปัญญาใช้ด้วยว่าค่าโทรนี่ตกชั่วโมงละห้าหร้อยบาทเผือเผือโทรเดือนละสาสิบชั่วโมงนี่จะเป็นหนี้ไปอีกนานทีเดียวต่อมาก็มีบริษัท ต, ต่างชาติผลิตโทรศัพท์ไร้สายแข่งทำการตลาดกันหลายเจ้าต่างฝ่ายต่างพัฒนาตัวเครื่องให้เล็กลงเปลี่ยนจากกระเป๋าหิ้วแบบกระเป๋าเกมบอลเป็นใช้มือถือได้ จึงเปลี่ยนสรรพนามจากโทรศัพท์ไร้สายเป็นโทรศัพท์มือถือตั้งแต่บัด น, นั้นต่อมาคนไทยก็ชอบหดคำพูดยาวๆให้สัน้นเหลือเพียงมือถือคำเดียวไม่ต้องพูดคำว่าโทรศัพท์ก็เป็นอันรู้กันว่าหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามระยะแรกๆมือถือในยังแพงหูฉีเครื่องหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นอย่างถูกๆก็ตกเครื่องหนึ่งห้าหกมื่นก็ยังคงเป็นเครื่องใช้สาหรับคุณร่ารวยอยู่ดี สนนราคาค่าโทรก็ตกนาทีละเจ็ดบาทค่ารักษาเครื่องอีกเดือนละห้าร้อยบาทขนกระเป๋าไม่หนักฟังแล้วก็ต้องผวาแล้วกระทั่งเมื่อยี่สิบปีก่อนประมาณพุทธศักราชสองพันห้า้อยสามสิบปดมือถือลดราคาลงมาเหลือรุ่นท็อปประมาณห้าหกหมืน่นรุ่นทั่วไปก็พอหยิบสวยได้ราวๆสี่ห้าหมืน่นชาวกรุงก็เริ่มใช้มือถือมากขึ้น สนนราคาค่าโทรเหลือนาทีละสามสี่บาทนี่พอสู้ไหวขยันรับสายให้มากกว่าโทรออกก็อยู่ได้สบายซ้ำยังมีของมือสองวางขายตามหน้าศูนย์การค้าเครื่องละหมื่นต้นๆก็ทำให้คนเบี้ยนน้อยหอยน้อยมีโอกาสได้ครอบครองมือถือกับเขาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มีไว้รับสายอย่างเดียวถ้าโทรออกจะใช้คำจำกัดความในการสนทนาให้รู้เรื่องกันภายในเวลาสั้น ไม่เกินสองสามนาทีสิบกว่าปีผ่านไปไวเหมือนโกหกมือถือรุ่นใหม่ออกแข่งขันทำการตลาดปีหนึ่งหลายรุ่นราคาก็ลดลงลดลงตลอดเวลารุ่นท็อปเหลือเพียงสองสมหมื่นรุ่นทั่วไปก็เจ็ดแปดพันรุ่นประหยัดห้าพันตอนนี้เองที่ร้านขายมือถือเซ็กซ์แอนแฮนผุดขึ้นมายังกระดอกเห็ดเนื่องจากมือถือรุ่นใหม่ ผลิตตีตลาดรุ่นเก่าเป็นว่าเล่นปีหนึ่งออกมาหลายรุ่นพวกนิยมของไม้แกะกล่องนีซื้อแทบไม่ทันต้องเลหลังให้ร้านเอาไปขายเป็นมือสองบางรุ่นซึ่งเดิมทีราคาประหยัดอยู่แล้วเหลือไม่ถึงพันคนไรายได้น้อยก็ซื้อหามาใช้ได้ใครใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะทีนี้กลายเป็นเฉยไปแล้วตกยุาา้าสมัยใครเห็นข้า้า อ, อมยิ้มอย่างนึกขัน ก็จำเป็นต้องซื้อโทรมือสองมาใช้กับเขาบ้างโทรเดือนละไม่กี่ครั้งก็ยังพอทนไหวท้าความเรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นวักเป็นเวนก็เพื่อจะกล่าวถึงชายวัยเฉียดหกสิบคนหนึง่งแกประกอบอาชีพสุจริตอย่างซื่อตรงไม่เคยคดโกงใครนิสัยใจคอใจบุญสุนทานชอบตักบาตรทุกเช้าตรู่เข้าวัดฟังธรรมตามการอันคว ร, รเผอิญประจวบเหมาะไปทาธุรกิจติดต่อกับคนขี้โกง เจ้าเล่เพทุบายสารพัดเมื่อปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ฝรั่งเขาเรียกวิกฤตต้มยำกุ้งลุกลามมาสร้างความวิบัติให้แก่เมืองไทยอย่างใหญ่หลวงบริษัทขนาดเล็กของชายวัยเฉียบดึกพลอยโดนหางเลขกเขาด้วยระบบการเงินหมุนเวียนชักหน้าไม่ถึงหลังฟังเส้นสุดท้ายที่ทาให้ธุรกิจต้องล้มครืนลงก็คือคู่ค้า ซึ่งเป็นนักธุรกิจซาตานชักดาบชายวัยดึกนี่จนสิ้นเนื้อประดาตัวที่นี้ชายวัยดึกคนเนี้ยอายุแก่มากแล้วแกไม่ประสงค์จะให้เรื่องเล็กนี่เป็นเรื่องใหญ่อ่าหรือว่าถูกคอร์รัว่าบ้านน้ําเป็นตัวแก่แล้วยังพูดจากโกหกใช้ไม่ได้แกเล่า ว, ว่าตอนผสมชีวิตถาถมเขาใส่ลุงแก่อายุมากนี่แกแกเกินกว่าจะหางานทําใหม่ได้อีกแล้ว เดชบุญที่ยังมีบ้านพร้อมที่ดินย่านเมืองนอนซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของบรรพบุรุษตกทอดมาถึงท่านสามารถขายได้เงินมาประทังชีวิตไปอีกระยะหนึ่งแต่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดให้ไกลหน่อยค่าเช้าบ้านยังถูกอยู่ค่าครองชีพยังไม่สูงนักตอนย้ายไปใหม่ๆนี้ข้าวแกงจานละสิบบาทเองก๋วยเตี๋ยวบางร้านก็สิบบาทตัวท่านมีครอบครัวประกอบด้วยภรรยากับ แ, แม่ยายทั้งหมดก็สามชีวิต ก็ใช้จ่ายแบบเข็มๆ เ, เดือนละหมืน่นค่าไฟค่าเช่าบ้านอีกสองพันก็พออยู่ได้ไม่เหลือร้อนระหว่างนั้นมือถือเครื่องละสี่ห้ามื่นที่ใช้อยู่เป็นประจำก็ตกยุคพ้นสมัยไปแล้วหาซื้อแบตยากเนื่องจากผู้ผลิตนี่เขาเลิกทําแบตรุ่นของท่านแล้วต้องเก็บไว้ในฐา น, นะวัตถุบโบราณใช้การอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะซื้อรุ่นใหม่ให้สิ้นเปลืองอีก อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีเงินทองมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาแต่จ่ายออกอย่างเดียวไม่มีเงินไหลเข้ามาบ้างไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องหมดจนได้ท่านกริเริ่มหางานพิเศษทำเพื่อหาลาําไพยมาเลี้ยงดูครอบครัวโชคดีที่รถป้ายแดงในอดีตของท่านยังแข็งแรงทนทานอายุงานสิบ ป, ป, ปีก็ยังไปได้สวยท่านใช้รถอย่างคุ้มค่าขับประเวนไปยังแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนวัดวา่าอารามแถบถิ่นชนบทซึ่งมีประวัติ เก่าลี้ลับน่าสนใจจัดการถ่ายรูปบันทึกเรื่องราวที่น่ารู้น่าอ่านส่งทางไปสื่อถึงสำนักพิมพ์หลายแห่งพอมีอรายรับเข้าบ้านเดือนหนึ่งก็หลายพันไม่ต้องกินเงินเก่าอย่างเดียวเช่นเมื่อแรกที่ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ท่านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนลา่างร่วมสิบปีคราวนึ่งขับรถเข้ากรุงเทพเพื่อจะติดต่อสำนักพิมพ์แห่งใหม่ ประจวบเหมาะเคราะดีพบเจอน้องสาวบนศูนย์การค้าแห่งหนึง่งน้องสาวในเขารวยย้ายจากบ้านหลังเดิมไปอยู่กับสามีในย่านใจกลางเมืองหลวงหลังจากพูดคุยไม่กี่คำน้องสาวก็ออกปากให้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านชานกรุงซึ่งเธอปิดทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องการในใครเช่าถ้าให้เช่าต้องได้เงินเดือนละหมื่นพอบาดเป็นอย่างน้อยท่านก็ดีใจจนบอกไม่ถูก ในน้ำใจของน้องสาวก็รีบอพยพครอบครัวมาพักอาศัยที่บ้านย่านชานกรุงทันทีเสร็จแล้วน้องสาวยังเอื้ออาทรมอบเงินสดให้ก้อนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ติดต่อกันเพราะว่าบ้านเดิมของเธอไม่ได้ใช้โทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์มานานแล้วเจตนาของน้องสาวต้องการให้ท่านซื้อมือถือรุ่นใหม่ป้ายแดงเครื่องละ 20, สองหมื่นเศษครั้นแยกกับน้องสาวบนศูนย์การค้าท่านก็เดินดูในห้าง ก็พบร้านขายโทรศัพท์มือสองเปิดบริการลูกค้าเป็นสิบสิ บ, สบร้านสนนราคาก็เครื่องละพันเศษก็ใช้โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือสองติดมือกลับบ้านไปสองเครื่องใช้เองเครื่องหนึ่งให้ภรรยากับแม่ยายใช้โทรติดต่อกับญาติสนิทมิสหายเป็นส่วนตัวอีกเครื่องหนึง่งหมดเงินไปแค่สองพันกว่ายังเหลือติกระเป๋าอีกรวมสองหมื่น ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายได้อีกสองสาเดือนอย่างสบายเพราะไม่ต้องจ่ายค่าชาวบ้านแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอีกน้องสาวนี่ช่วยเป็นธุระให้หมดมือถือเครื่องที่มอบให้ภรรยาไปใช้กับแม่ยายก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนเครื่องของท่านเองก็ไปได้สวยในตอนแรกขณะคืนหนึ่งท่านกำลังนั่งเขียนสารคดีเพื่อส่งให้สานักพิมพ์ขาประจาเสียงกริ่งมือถือของท่านก็ดังขึ้น ซึ่งก็ไม่แปลกถ้าใครโทรหาท่านเสียงกริ่ ง, งมันก็ต้องดังเป็นธรรมดาแค่แปลกตรงที่การโทรพูดคุยกันเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติฮัลโหลผมลุงแก่พูดครับลุงเสียงนั้นทอดยาวยานค้างอย่างหน้าขนลุกจากนั้นก็วางสายไปไม่พูดอะไรอีกท่านก็ลองกดปุ่มดูที่เครื่องซึ่งเป็นรุ่นดีโชเบอร์แล้วก็พบว่าเป็นเบอร์โทรของน้องสาว ก็เลยโทรย้อนกลับไปถามประมาณว่าให้ใครโทรมาจูจ่ๆก็วางสายยังไม่ทันพูดจาอะไรให้รู้เรื่องเรียกลุงอย่างเดียวน้องสาวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้โทรแล้วก็ไม่ได้อาศัยไหววานในใครโทรเมื่อท่านเป็นพายโทรมาก็ดีแล้วจากนั้นน้องสาวก็ไต่ถามสาระทุกสุขดิบทํานองบัติขัดสนเรื่องเงินทองทองก็บอกได้นะพี่น้องกันมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยกันจนสุดความสามารถท่านก็รีบปฏิเสธความปรารถนาดี เพราะไม่ต้องการให้น้องสาวเข้าใจผิดคิดว่าท่านอ้างเรื่องสายเรียกลี้ลับเพื่อจะปูทางมาของเงินใช้ท่านเองเป็นคนรู้หนักรู้เบาไม่มีวันนําเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศแบบนี้แน่หลังจากพูดคุยกันพอเป็นเครื่องระลึกถึงแล้วก็วางสายจากน้องสาวแล้วขณะที่ท่านเริ่มงานเขียนต่อไปอีกกริ่งมือถือก็ดังขึ้นเป็นคํารบสองท่านก็ต้องวางปากกาหันมารับโทรศัพท์ฮัลโหล ผมลุงแก่ผู้สายอยู่ครับลุงท่านเอามือถือออกจากหูจ้องดูตัวเครื่องอย่างแปลกใจแกมพิศวงเอ้ใครกันนามาทำเล่นตลกกับคนแก่วัยท่านซึ่งชั่วโมงเนี้อายุป่าเข้าไปร่วมเจ็ดสิบอยู่รอมรรอแล้วไม่ใช่เพื่อนเล่นที่ใครจะโทรมากระตุกเส้นลุงเส้นขนที่แขนน้องท่านลุกเกลียวไปหมด เมื่อเสียงประหลาดดังขึ้นเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าโดยไม่มีคำพูดอะไรมากไปกว่านั้นท่านนึกรำคาญใจขึ้นมาก็เลยตัดปัญหาโดยการกดปุ่มปิดเครื่องให้สิ้นเรื่องสิ้นราวจะบ้างไงไม่รู้โทรมาพูดคำว่าลุงลุงอยู่ได้สติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านยังไม่ทันวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะทำงานก็มีเสียงดังขึ้นอีกลุง คราวนี้ท่านขนลุกสู้ตั้งหัวจรดปลายเท้าเพราะว่าปิดเครื่องแล้วเสียงประหลาดก็ยังดังให้ได้ยินอีกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวมันยังดังขึ้นเป็นระยะระยะทิ้งช่วงห่างกันครั้งหนึ่งสามสี่วินาทีท่านเกือบจะลุกจากเก้าอี้ออกจากห้องทำงานไปยังห้องโถงซึ่งภรรยากับแม่ยายนั่งดูละครหลังข่าวอยู่พระเอิญก็ฉุกใจได้ว่าท่านเป็นชายชาตรีถึงจะแก่แต่ก็ต้องรักษาศักดิ์ศรี จะแสดงอาการเสียขวัญให้คนในครอบครัวพลอยตกใจไปด้วยไม่ได้เป็นนั้นขาดท่านก็นั่งใจเต้นโครมครามอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจแกะผ้าเครื่องจัดการแงเอาแบตออกจากเครื่องวางทิ้งไว้บนโต๊ะทํางานดูทีหรือว่ามันยังจะมีพิษสงอะไรอีกหรือเปล่าลุงเสียงนั้นยังสามารถดังจากเครื่องโทรศัพท์ได้อย่างไม่น่าเชื่อคราวนี้ท่านตกใจวิดวิดวิตจะคว้างโทรศัพท์ทิ้งซะได้ อเผอิญสิบ ป, ปีที่ผ่านมานี่สอนท่านในเขียมเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาดในแทบเลือดตากระเด็นมือถือเจ้ากรรมก็เลยค้างตึงอยู่ในอุ้งมือของท่านถือมันค้างอยู่กลางอากาศอย่างนั้นแหละหนาทีนี้ถ้ามีผีสางโผล่พรวด จ, จากเรื่องโทรศัพท์มีหวังช็อคาที่หัวใจวายตายแน่ท่านก็ลุกจากเก้าอี้เดินขาสั่นไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดตู้แล้วโยนมือถือประหลาดลงบนกองเสือ้อ ปิดประตูตู้สนิทนั่นดีแล้วเสียงเรียกลุงอันแหบลึกยานคางก็ยังให้ได้ยินแบบแววๆโดยไม่รู้ว่าท่านใช้ตู้เสื้อผ้าปิดปากมันไปเรียบร้อยแล้วแต่การอลาว่าของมันทำเอาท่านลุกนั่งไม่เป็นสุขไม่มีกระจิดกระจายจะเขียนอะไรอีกก็เลยเปิดวิทยุกระเป๋าหิ้วที่ท่านอนุรักษ์ไว้เป็นวัตถุโบราณเพื่อจะฟังเพลงเก่าที่ท่านชอบอ่า ปล่อยให้มันดังกรอกหูแทนเสียงประหลาดกระทั่งทิ้งตัวลงนอนแล้วพลอยหลับไปในที่สุดสายวันรุ่งขึ้นท่านนำแบตใส่เครื่องตามเดิมพอเปิดเครื่องให้ใช้โทรเข้าออกได้ไม่กี่อึดจายเสียงกริ่งเรียกเข้าก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันไม่รอให้ท่านกดปุ่มรับสายแล้วเสียงลุงเสียงประหลาดสําหรับท่านดังขึ้นอย่างทันอกทันใจท่านขนลุกเกลียวไปทั่วตัว แต่ไม่ตกใจขนาดหนักเหมือนที่ได้ยินตอนดึกการเล่นไม่เลิกของเสียงประหลาดทําให้ท่านตัดสินใจพลัดผ้าแต่งตัวออกจากบ้านพร้อมมือถือเจ้ากรรมเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ศูนย์การค้าแห่งเดิมที่ท่านเพิ่งจะซื้อมันมาใช้ได้ไม่กี่วันดูมันจะแค่สองวันเท่านั้นชั่วโมงนี้เพิ่งจะขึ้นวันที่สามเครื่องยังใช้งานได้ดีท่านรีบนําไปที่ร้านเดิมขอเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่สนนราคาแพงกว่ารุ่นเก่านิดหน่อย เนื่องจากรุ่นเจ้ากรรมที่ั่นซื้อไปใช้มีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองเสียงประหลาดดูเหมือนจะรู้ชะตากรรมบาโดนท่านจัดหนักขายทิ้งให้สิ้นเรื่องสิน้นดาวมันหุบปากนิ่งทีเดียวทีนี้ไม่ทำเสียงยานค้างเพื่อจะเขย่าวขวัญใครอีกสำหรับเครื่องมือสองที่ั่นซื้อใช้แทนเครื่องเก่าไม่มีปฏิกิริยาพิลึกพิลั่นเขย่าวขวัญใดใดทั้งสิน้นแถมทนทานอยู่ได้ถึงไหนถึงกันปัญหาจึงอยู่ที่ว่าใครกันละ่ะ จะโชคร้ายซื้อมือถือเจ้ากรรมเครื่องนั้นไปเขย่าวขวัญตัวเองแทนท่านเอแล้วเจ้าของเดิมนี่จะอยู่ปัตช้าแห่งไหนกันหนอครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คนที่ชื่อลุงแก่จึงเป็นนักประพันธ์เล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังคําว่าซ่องเนี่ยเป็นคําจํากัดความสั้นๆ หมายถึงแหล่งรวมของพวกทุจริตผิดกฎหมายเช่นซ่องโจรซ่องโสเพณีเป็นต้นซ่องโจรก็ควบคุมโดยขุนโจรหรือว่าจอมโจใรใช้กฎหมายเถื่อนเป็นสรณะมีบทลงโทษสูงสุดสถานเดียวก็คือยิงทิ้งส่วนซ่องโสเพณีปกครองโดยแม่เล้าหรือว่าพ่อเล้าควบคุมโดยนักเลงหรือว่าตำรวจนอกรีต มีบทลงโทษตั้งแต่โหดน้อยไปถึงโหดมากและลงโทษทั้งโสเพณีประจำซ่องรวมทั้งนักเที่ยวผู้หญิงที่เกะกะเกเรทำผิดกฎของซ่องเมื่อปีพศ2500เมืองไทยมีซ่องโจนและซ่องโสเพณีนับไม่ถ้วนแห่งในที่นี้จะกล่าวถึงซ่องโสเพณีเพียงอย่างเดียวแล้วกล่าวเฉพาะซ่องในเมืองกรุงเท่านั้นซ่องโสเพณีนี้ถือกาเนิดขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคลางของกรุงรัตนโกสินทร์ซ่องที่โด่งดังที่มีชื่อจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ก็ได้แก่ซ่องหายกลีบเป็นต้นยายกลีบนี่เปิดกิจการซ่องอยู่ที่ตอกเต้าซึ่งปัจจุบันก็คือซอยเจริญกรุงสิบสี่ย่านตรอกเต้านี่เป็นแหล่งใหญ่ของซ่องโสเภณีทั้งชั้นสูงแล้วก็ชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างๆมีลูกค้านักเที่ยวนิยมมาใช้บริการกันคับข้าง นอกจากย่านตรอกเตาแล้วยังมีซ่องใหญ่น้อยกระจายตัวไปเปิดบริการทั่วทุกมุมเมืองเช่นซ่องย่านบูดพรมย่านสาวจิงชาย่านสถานีรถไฟ ห, หัวลำพงย่านบางขุนพรมและย่านท่าเขียวไข่กาเป็นต้นซ่องโสพินีแห่งหนึ่งที่ตั้งสำนักอยู่ในละแวกโรงหนังเฉลิมธานีที่ปัจจุบันทางการอนุรักษ์ไว้ในฐานะโบราณสถานแห่งชาติ เป็นซ่องชั้นล่างๆเปิดบริการสําหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยนางลมที่ประจําการอยู่เป็นผู้หญิงจําพวกเก่าที่ไหนก็มาใหม่ที่นี่คือสมัครใจมาเองเพื่ออาศัยเป็นแหล่งหากินแห่งสุดท้ายก่อนจะปลดประจําการไปหากินในแบบนางลมอิสระหรือเรียกกันตามสำนวนนักเที่ยวว่าคุณโสหลังสงครามคําว่าสงครามก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเอง แมงดาคุมซ่องในตรอกแห่งนี้มีหน้าที่ดูแลนักเที่ยวประเภทอันธพาลแย่งผู้หญิงขึ้นห้องหรือเมาแล้วเอะอะอาร ว, วาดเท่านั้นไม่ต้องเข้มงวดกับผู้หญิงที่สมัครใจมาขายบริการเพราะว่าไม่มีคนไหนคิดหลบหนีมีแต่ต้องการหาทุนก้อนสุดท้ายไปใช้สอยในบ้านปลายของชีวิตตอนนั้นมีแมงดาคนหนึ่งนามว่าจ่าดำเป็นตำรวจสมัครใจมาคุมซ่องเอ ง, เ, องเนื่องจากรู้จักสนิทกับแม่เล้า อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็เลยหาลำไายนอกเวลา ง, งานด้วยการคุมซ่องถึงจะแก่ชาราอายุห้าสิบแล้วแต่อาศัยว่าร่างกายยังกายำสูงใหญ่แค่นั่งสดเล้าอยู่หน้าร้านในตรอกนักเที่ยวก็ยำเกรงไม่กล้าแสดงความอหาหังกามาตีรันฟันแทงพอแย่งขึ้นห้องกับผู้หญิงที่นี่เดิมทีจะาดำไม่คิดจะเป็นมังดาเผอิญความโสดโดดเดี่ยวทาให้เขาแวะมาใช้ความโสดกับ นางโลมที่ซ่องแห่งนี้ก่อนเข้าซ่องเขาก็มักจะแวะหาอาหารรองท้องที่แผงลอยในตรอกแล้วก็ถูกใจรูปร่างหน้าตาของแม่ค้าขนมจีนน้ํายาคนหนึ่งหลังจากพูดจาหยอกเย้ากระซ้าแย่จนรู้ว่าแม่ค้าหน้าสวยหุ่นดีมีสมญาที่นักเที่ยวผู้หญิงตั้งให้ว่าน้องใหญ่เป็นนางโลมที่ปลดประจําการจากซ่องชั้นสูงแล้วก็สมัครมาหาเงินใช้ที่ใน ซองในตรอกนี้พื้นเพเดิมเป็นสาวเหนือผิวพรรณดีใบหน้าคมเข้มต่อมาก็โดนชายใจฉุดล่อลวงมาขายเข้าซองชั้นสูงซึ่งนางโลมสามารถปฏิเสธการขึ้นห้องได้ถ้าฝ่ายชายมีรูปร่างหน้าตาไม่ถูกสเปหลังจากขายบริการโดยไม่เต็มใจอยู่หลายปีหล่อนก็ถูกลดชั้นลงมาอยู่ในซองระดับปานกลางท้ายที่สุดน้องใหญ่ก็ถูกปลดประจาการเนื่องจากอายุมาก ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งชอบสาววัยรุ่นเป็นหลักถึงกระนั้นตอนสมัครมาประจำการในซ่องชั้นล่างๆแห่งนี้น้องใหญ่ก็ยังมีหน้าตาสะสวยรักษาสั่วทรงไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังดำรงความมุ่งหมายเดิมคือเลือกขึ้นห้องกับคนที่ใช่ชายที่ชอบเท่านั้นไม่ยอมค้างคืนกับชายใดเด็ดขาดตอนกังวันนางลมส่วนใหญ่ซึ่งอดหลับอดนอนก็ยังนอนหลับเป็นตาย น้องใหญ่จะประกอบอาชีพแม่ค้าขนมจีนน้ำยาเป็นหลักมีผู้ชายที่ไม่รู้อิโนอิเน่ก็แวะมาอุดหนุนกันหนาตาเนื่องจากชอบใจในความสวยของแม่ค้าเช่นจ่าดำเป็นต้นอันว่าจ่าดำก็คือตำรวจที่แม่เล้าไว้วางใจตั้งให้เป็นแมงดาคุมซ่องความรักไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกการเวลาหรือว่าโอกาสบทที่ใจมันนึกจะรักเนี่ย กว่าเจ้าของหัวใจจะรู้ตัวก็หลงรักจนถอนใจไม่ขึ้นซะแล้วจ่าดำก็พูดจาเรียบเคียงถามความรู้สึกนึกคิดของน้องใหญ่ อ, อ, อ้อมจา่าพี่นะเป็นจ่าฐานะไม่ดีเด่นอะไรอายุก็ปาเขาไปตั้งห้าสิบแล้วแต่ว่ารับรองได้เลยนะว่ารักใครรักจริงนะไม่ทิ้งกว้างหรอกคุณสมบัติแค่นี้เพียงพอที่อ้อมจะเห็นพี่อยู่ในสายตาหรือเปล่า แม่พี่จ่าพูดอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงอย่างฉันมันเหลือเดนผู้ชายหาคุณค่าอะไรไม่ได้สักอย่างพี่จ่าจะมาพูดให้หลงดีใจไปทำไมกันก็ไม่รู้แต่พี่เห็นคุณค่าของน้องนะแล้วถ้าหากว่าน้องอ้อมเชื่อใจจ่าดำเนี่ยเรามาอยู่กินกันอย่างถูกกฎหมายให้โลกลือกันสักทีดีไหมล่ะจ่าดำก็ยืนยันคาพูดอย่างหนักนน่นแล้วก็เที่ยวมาตอกย้ำให้เชื่ออีกหลายครั้ง จนน้องใหญ่ตกปากรับคำจะอยู่ด้วยตอนนี้จะเลิอกอาชีพนางลมหากินทางเป็นแม่ค้าขนมจีนอย่างเดียวพอเพราะว่าขายดีมีลูกค้าอุดหนุนทั้งวันอยากจะเก็บเงินจากแผงตรงนี้อีกสักปี น, นพอให้มีเงินเก็บจนอุ่นใจหน่อยจากนั้นเรื่องแต่งงานอยู่กินค่อยมาว่ากันอีกทีวายจ่าดำก็สบายใจที่น้องใหญ่ให้ความหวังก็เลยไม่เร่งรัดรอวันชื่นคืนสุขอย่างใจจดใจจอ่อ ยามใดฝ่ายหญิงหมดธุระาจากแผงขนมจีนน้ำยาจ่าดำเท่านั้นที่มีสิทธิขึ้นห้องกันหล่อนไม่ว่าจะแบบชั่วคราวหรือว่าค้างคืนแล้วก็จ่ายค่าขึ้นห้องเต็มจำนวนเนื่องจากทางซ่องเป็นคนรับเงินก่อนจะแบ่งผลประโยชน์ให้น้องใหญ่คนละครึ่งรุ่งสางของคืนหนึง่งคืนที่จ่าดำเข้าเวีกลางคืนเมื่อเพื่อนตำรวจมารับเวนีนต่อจ่าดำก็รีบแวะไปยังตรอกนางรมทันที เนื่องจากมีหน้าที่พาสาวคนรักซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปรับขนมจีนจากตลาดรวมทั้งเครื่องครัวที่ใช้ปรุงเป็นน้ํายาแต่ว่าปากตรอกทางเข้าซ่องคืนนี้บรรยากาศเยน็นเยียบผิดปกติไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนทุกคืนทั้งๆ ท, งที่ชั่วโมงนี้เพิ่งจะผ่านฤดูร้อนมาหยกหยกอากาศในกรุงเทพร้อนจัดตลอด24ชั่วโมงใต้าชายคาตึกแถวหน้าปากตรอก มีร่างสูงเพยียวของน้องใหญ่ยืนสงบนิ่งอยู่ในความมืดข้างตัวไม่มีตะกร้าหวายและกระจัดที่เคยเตรียมไปจับใจข้าวของเหมือนทุกครั้งจาดำจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างพุทธบาทแล้วฝ่วายหญิงก็ยืนนิ่งเฉยไม่กระวีกระวาดมานั่งซ้อนท้ายซึ่งผิดปกติวิสัยไปจากเดิมมกจาดำก็เลยต้องเอ่ยปากถามด้วยความสงสัยเอา้ายืนเฉยอยู่ทำไมละไม่รีบไปจ่ายตลาดหรื อ, อยังไง ฉันมารอบอกพี่จ่าเท่านั้นแหละว่าเราคงไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้วพี่จ่าไม่ต้องเสียเวลามารับฉันไปจ่ายตลาดอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันคนละโลกแล้วนะพี่อย่าดำขมวดคิ้วย่นอย่างประหลาดใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเผอิญเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาเขากับน้องใหญ่ในมีปากเสียงกันเล็กน้อยเข้าใจว่าฝ่ายหญิงยังเจ้าแง่แสง่ง ตามประษาผู้หญิงที่ชอบคิดและกคิดน้อยอ่าก็ยังไม่เอะใจกับคำพูดประหลาดประหลาดแล้วก็บรรยากาศอันไม่ชอบมาผากกลเออคือถ้าหากว่าสิ่งที่พี่พูดเมื่อตอนหัวค่ำนี่มันขัดหูไปหน่อยก็ถือซะว่าลิ้นกับฟันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาพี่ก็แค่หวังดีอยากจะให้เราสองคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าอยู่แถวนี้ ฉันไม่ได้ดูถูกน้ําใจพี่จ่าอย่างนั้นที่มารออยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะบอกพี่จ่าว่าฝันของเราสองคนล้มสลายไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ําพี่ไปเข้าเวรประจําอยู่ที่โรงพักจ่าแหวงเพื่อนพี่แวะมาที่ซ่องเขากินเหล้าเมามาจนหน้าแดงกล่ําเขาบอกกับแม่เล้าว่าก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ยังไม่มีพี่จ่ามาคุมซ่อง เขาเองก็เคยขึ้นห้องกับฉันหลายคืนเขาติดใจฉันเขาบอกว่าคืนนี้ไอ้จ่าดำมันเข้าเวรถ้าหากว่ามันไม่ได้ขึ้นห้องกับฉันมันจะยิงแม่เล้าทิ้งเดี๋ยวนี้ละ่ะมันว่าอย่างนั้นเฮ้ยไอ้แหวงมันกล้าปีนเกลียวกับคนอย่างจ่าดำขนาดนั้นชัวเหรอเล่ามันทำไม่ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอละพี่พอแม่เล้ายืนการานว่าฉันจะขึ้นห้องกับจ่าดำคนเดียว เพราะว่าเป็นนางโลมอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกฎกฎติกาของทางซ่องจ่าแหวงมันก็ชักปืนออกมาจะยิงแม่เล้าส่วนฉันเห็นเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่ก็เลยวิ่งไปขวางทางปืนไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะบอกมาเร็วๆ เ, เ, เข้าจ่าแหวงเมาจนควบคุมสติไม่อยู่มันเอานิ้วสอดเข้าไปในกรงไกจะจงใจยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนฉันได้ยินเสียงดังเปรียงใหญ่เหมือนกับฟาผ่าเปรียงเดียวก็น่ามืดล้มวูบลงนอนอยู่กับพื้นห้องมารู้สึกตัวอีกทีก็มีสภาพอย่างที่พี่เห็นอยู่ในตอนนี้พูดขาดคำร่างสูงเปรียวก็เดินออกมาจากเงามืดใต้าชายคาตึกแถวทำให้ฝ่ายที่จับตาอยู่เห็นชัดว่ากลางหน้าผากนั้นมีรูกลวงโบทะลุถึงท้ายทอยแน่ละว่าจะแหวงลั่นไกด้วยโทสะจริต ส่วนหล่อนวิ่งไปขวางทางปืนก็เลยโดนยิงเจาะหน้าผากทะลุท้ายถอยเปรี้ยงเดียวตายคาที่อึดใจนั้นความรู้สึกของจ่าดำก็สับสนโอมานไปหมดรู้สึกตกใจหวาดกลัวจนขนลุกเกลียวตั้งแต่หัวจรดเท้าเพราะเกิดมาห้าสิบปีก็เพิ่งเจอผีอย่างจังหน้าเป็นครั้งแรกอีกทั้งรู้สึกรักและอะไรสาวคนรักจนอกจะแตกตายแล้วก็รู้สึกโกรธแค้นจ่าแหวงตํารวจโรงพักเดียวกันชนิดสุดขีดทีเดียว ตอนนั้นอารมณ์อันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันระเบิดออกมาเป็นเสียงตะโกนลั่นเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกับกูนี่โว้ยพริบตาที่กระแสเสียงแผ่กระจายไปในความมืดตอนตีสี่เสร็จร่างที่ปรากฏอยู่ใต้ใชายคาตึกก็หายวับไปกับตาบรรยากาศอันหนาวเยือกก็คืนสู่ความร้อนอ้าวดังเดิมแต่จากการได้พูดโต้อ ต, อตอบเป็นเวลานานพอสมควรทาให้เขาเชื่อสนิทว่าทั้งหมดที่เกิดเนี่ยเป็นเรื่องจริง มีผีมาสำแดงร่างเพื่ออําลาเขาจริงๆอาการขนลุกสู้ยังคงอยู่กับเขาตลอดเวลาจา่าดำก็บอกตัวเองว่าผีมาบอกก็ดีแล้วกลัวก็อยู่ส่วนกลัวแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเนี่ยไอจ้จ่าแหวงต้องพบจุดจบแน่จา่าดำก็จอดรถไว้ริมถนนบุกไปถึงซ่องโสเพณีในตรอกสอบปากคาแม่เล้าและผู้เห็นเหตุการณ์จนรู้ว่าก่อนหน้านี้เพียงครึ่งชงั่วโมง จะแหวงก่อคดีอุกจักรันขึ้นในซ่องที่แรกก็บรรดาลโทรสะตั้งใจจะยิงแม่เล้าแต่ว่าน้องใหญ่เข้ามาขวางไว้ก็เลยถูกยิงตายไายทางซ่องเพิ่งจะส่งคนไปแจ้งความที่โรงพักจะดำก็พลุมาถึงพอดีส่วนจ่าแหวงมือสังหารหลบหนีไปตั้งแต่แรกแล้วส่วนศพน้องใหญ่เคลื่อนย้ายไปนอนสงบนิ่งอยู่ในห้องซึ่งแม่เล้ายกให้เป็นห้องส่วนตัว จ่าดำได้เห็นร่างอันไร้วิญญาณกับตาตัวเองก็ยิ่งเชื่อโดยปรศ จ, จากความเครือบแคลงว่าผีมีจริงหรือเมื่อ ก, กี้นี้มีวิญญาณเฮียนสแสดงร่างเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษจ่าแหวงจริงๆไอแหวงมึงหนีไม่พ้นมือกูละจ่าดำปฏิญาณกับตัวเองอย่างนั้นก็ด้วยความเป็นเพื่อนซีกับจ่าแหวงรู้ที่มาที่ไปของเพื่อนเป็นอย่างดีก่อนพ้าสรคืนนี้มัน ยังไม่ทันสั่งเมาอย่างน้อยจะต้องหลบไปนอนพักที่บ้านสัก ง, งีบหนึงก่อนก่อนจะเพ่นหนีไปหลบซ่อนที่ต่างจังหวัดส่วนเขาเพิ่งออกเวรยังไม่ได้แตะเหล้าสักหยดเดียวความเป็นผู้รักษากฎหมายอย่างซ่านอยู่ในสายเลือดก็รู้ว่าควรจะทํำยังไงในสถานการณ์เร่งด่วนขณะ น, นี้คนของซ่องนางรมเพิ่งแจ้งความกับจ่าเวรเสร็จแล้วจ่าดำก็ปรากฏตัวขึ้นบนโรงพักพูดจาระษาตํารวจด้วยกันครู่เดียว สารวัตรใหญ่ก็จัดหน่วยไล่ล่าขึ้นรถจิบราโลควบตามมอเตอร์ไซค์ของจ่าดำไปยังบ้านที่พักจ่าแหวงแล้วก็รวบตัวได้โดยละม่อมก่อนที่จ่าเจ้าทษัจะส้างจากความมึนเมาหลังจากนำตัวมาสงบสติอารมณ์บนโรงพักได้ไม่นานตอนสายของวันรุ่งขึ้นจ่าแหวงก็สารภาพหมดเปลือกยอมรับว่าเป็นมือสังหารน้องใหญ่โดยไม่เจตนาที่แรกตั้งใจจะชักปืนขู่แม่เล้า อเผอิญน้องใหญ่วิ่งมาขวางหน้าตัวเองนึกว่าเป็นแมงดาคุมซ่องอ่าก็เลยยิงออกไปนัดหนึ่งเพื่อป้องกันตัวนึกไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นน้องใหญ่ที่ตนต้องการจะขึ้นห้องด้วยสารวัตรใหญ่ซึ่งสอบปากคำได้ตัวเองก็ตัดสินใจยัดจ่าแหวงเข้าห้องขังห้ามเยี่ยมห้ามประกันเพราะเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่อาจจะค่มขู่แม่เล้าทําให้คดีพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ปัจจุบันจ่าดำนะั้นล่วงลับไปแล้ว เรื่องทั้งหมดนี้คุณประเวศได้ยินคนเล่าให้ญาติผู้ใหญ่ฟังในวงเล่าอ่าก็เลยนำมาเล่าให้ฟังอีกทอดหนึ่งคดีเนี้ยจ่าแหวงยอมสารภาพทุกข้อกล่าวหาศาลตัดสินจำคุกยี่สิบปีถึงช่วงนี้ก็อำลาโลกไปแล้วเช่นเดียวกันครับ พูดถึงเรื่องของผีตายทั้งกลมเนี่ยท่านผู้ฟังตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณศพของหญิงตายทั้งกลมเนี่ยเขาจะไม่ทำการชาปน ก, กิจในทันทีคือยังไม่เผาทันทีหลังสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแล้วเนี่ยจะเอาไปฝังหรือว่าเก็บศพไว้ระยะหนึ่งแล้วถึงเผาในภายหลังเพราะว่าเกรงกลัวฤทธิ์เฮี้ยนของวิญญาณผีตายทั้งกลม ยิ่งการเป็นการตายแบบผิดปกติเช่นถูกฆาตกรรมด้วยแล้วก็ยิ่งนนากรัวมากนะปรากฏว่าที่วัดยางไม่มีสัปเหร่อมืออาชีพมีแต่พระอ่าพระอาจารย์เป็นสปัปเหร่อแล้วก็ลูกศิษย์ท่านซึ่งเป็นสัปเหร่อมือสมัครเล่นเท่านั้นท่านอธิบายบอกว่าการทำงานชาปนากิจของวัดเรา ใช้วิธีประยุกต์เป็นแบบสมัยใหม่อาตมาเองละเป็นผู้ทำหน้าที่สั ป, ปรเรอ่อตลอดมาแปดปีกว่าแล้วสั ป, ปรเร่อเก่าๆก็ค่อยๆหมดไปที่ทำแบบใหม่เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมไม่เหมือนเก่าแล้วสมัยนี้โรคร้ายมีมากด้วยกันมันเป็นอันตรายต่อตัวสั ป, ปรเรอศพที่ส่งมาถึงวัดทางโรงพยาบาลเขาจัดการเรียบร้อยดีแล้ว สับเบอร์ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปวุ่นวายแต่ต้องศพอีกหรือถ้าแต่ต้องก็ให้น้อยที่สุดเฉ พ, พาะเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นยกศพลงบรรจุโลงหลังพิธีรดน้ำศพแล้วอันนี้ก็ต้องมีเครื่องป้องกันมีถุงมือสวมมีผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อถามถึงเรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณ ว่าคนเรามีวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กทารกในท้องเริ่มมีวิญญาณหรือยังตายแล้ววิญญาณไปไหนเนี่ยท่านบอกว่าไอ้เรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยอาตมาไม่อยากออกความเห็นแต่ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าตัวตนก็มีห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องนี้ก็มีอยู่ในตำราส่วนที่เป็นวิญญาณของผู้ตายหรือว่าผีนั้น ตั้งแต่อาตามาทำหน้าที่สั ป, ปเหร่อมานี่ไม่เคยเจอผีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ช่วยก็ไม่มีใครเคยเจอสักคนเอ่อนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์มีวิชาอาคมขลังหรือเปล่าครับไม่มีอาตามาไม่ได้ใช้คาถาอะไรอาตามาใช้เพียงใจของตัวเท่านั้นใจที่รู้สติของตนดีว่าสั ป, ปเหร่อทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้คนรู้จักปลง ให้คนที่เห็นคนตายได้มันเจริญมรณสติมันระลึกถึงความตายอยู่เสมอหัดทําจิตให้รู้สึกตัวว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ก็ควรจะตัดความห่วงใ ย, ยในทรัพย์สมบัติทั้งปวงมีจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาใกล้ตายก็นึกว่าอืมตายนี่ถึงเวลาแล้วว่าอย่างนั้นที่นี้เรื่องตายทั้งกรมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทราบว่าทางวัด เผาไปศพหนึ่งโดยที่ไม่ได้เอาไปฝังหรือว่าเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่ขัดกับความเชื่อสมัยก่อนเลยครับอาจารย์ก็อบอกไปแล้วไงว่าวัดนี้ประยุกเขาทำแบบใหม่สมัยใหม่อาตมาเป็นสัปเะเรอสมัยใหม่ก็ถือเอาความสะดวกของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเป็นสำคัญเขาต้องการในเผาก็เผาผีวิญ ญ, ญาณลายทั้งกลมที่ว่าเฮี้ยนนั้ไม่เกี่ยวกับการเผาศพหรอก เราทำวิธีถูกต้องส่งเขาไปสุคติแล้วก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้างานชาปน ก, กิจวัดยางก็กล่าวถึงงานชาปน ก, กิจของทางวัดว่าเป็นแบบสมัยใหม่ที่ประยุกมาจากแบบโบราณทีนี้ถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผีตายทั้งกลมนี่เขาทำกันยังไงครับ เมื่อมีคนตายก็มีพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การอาบน้ำศพจนถึงเผาซึ่งก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันและแต่ละขั้นตอนก็ผิดแผกแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นพิธีกา ร, รอย่างหนึ่งในท้องถิ่นนี้อีกท้องถิ่นหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้พิธีกรรมของสั ป, ปเหร่โบราณที่จะเล่าให้ฟังนะครับจากการเปิดเผยของลุงออไพรวันอายุห้าสิบสองปีอดีต วัดไรมิตรหรือว่าวัดสามจีนกรุงเทพมหานครลุงออส เ, เคยมีประสบะการณ์ในหน้าที่เจ้าพนักงานชาปน ก, กิจหรือว่าสัปเหร่อมาแล้วลุงออสเล่าบอกว่าพิธีกรรมงานศพนมีผู้กะระทำสืบต่อกันมานานนับหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่วัดยังไม่มีเมนเผาเขาก็เผากันแบบเชิงตะกอนเอาไม้ฟืนมาสมกองเอาโลงศพขึ้นตั้งบนกองปืนแล้วก็จุดไฟ ก็เหมือนเอาหมูเป็ดไก่ไปเผาอย่างนั้นเนะ่ยแล้วเริ่มขั้นตอนพิธีแรกเลยละครับเมื่อมีคนตายจะต้องทำยังไงก่อนครับเออพูดถึงพิธีทางาศาสนานะครับทางด้านกฎหมายไม่ต้องพูดถึงพิธีกรรมแรกก็คือการอาบน้บําศพอาบน้ำนะครับอาบน้บนะําศพนั้นไม่ใช่รดน้าศพนะเพราะบูราณ น, นะเขาอาบเขาอาบกันจริงๆการรดน้ําแค่มือศพนั่นมีในยุคหลังเป็นแบบสมัยใหม่ เพื่อให้สะดวกแล้วก็ประหยัดขึ้นไม่ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็เป็นภาพอูจารในตาเอาแล้ววิธีการที่จะอาบน้บนําศพนี่เขาทํำยังไงบ้างครับคือน้ําสําหรับใช้อา บ, น, บน้ําศพเนี่ยต้องเป็นน้ําต้มต้มด้วยหม้อโบราณใช้หม้อดินตอนต้มก็เอาใบไม้ใส่ลงไปด้วยจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้โบราณก็ไม่ได้ระบุไว้ เขาจะใช้น้ําร้อนนี่อาบก่อนแล้วค่อยอาบน้ําเย็นเอาสบู่ปอกจําระล้างสิ่งโส โ, โครกให้สะอาดหมดจดเสร็จแล้วก็เอาขมิ้นสดแล้วก็ผิวมะกรูดตั๊มคั้นเอาแต่น้ํามาชโลมทาให้ทั่วดูเหลืองสวยงามเป็นศพที่มีสง่าราศีการอาบน้ําให้ศพแบบนี้มักจะนิยมให้ศพที่เจ็บป่วยตายถ้าตายหงุดนี่เขาไม่ไม่นิยมอาบภัยอ่ะ หลังจากอาบน้ําเรียบร้อยก็เป็นการแต่งศพการแต่งตัวนี้ใช้ผ้าขาวนุ่งชั้นแรกเอาเสื้อสวมทางที่มีกระดุมไว้ข้างหลังนะแล้วก็เย็บเนาเป็นตะเข็บตั้งแต่แขนมหาเอวทั้งสองข้างก็ทําอย่างนี้หมายความว่าแต่งตัวให้ผีแล้วใช้ผ้านุ่งกับเสื้ออีกชุดหนึ่งสวมใส่ศพแต่ว่าหันชายพกและกระดุมไว้ข้างหน้าหมายความว่าแต่งตัวไปเกิด เมื่อใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ใช้ผ้าหรือแพรห่มสบายเฉียงอีกผืนหนึ่งหลังจากแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อยก็ยกศพขึ้นวางบนเตียงทอดมือขวาให้ผู้มาอาบน้บําศพรดน้ํามือศพด้วยน้ําหอมพอเป็นพิธีการแต่งตัวศพที่ว่าอมันสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากผ้านุ่งเป็นกางเกงแล้วก็ไม่ได้แต่งสองชุด ต่อมาก็าเอาศพเข้าโงแต่ว่าโลงนั้นต้องมีการเตรียมไว้ก่อนนะต้องทำวิธีเบิกโรงซะก่อนวิธีการก็คือเอาเผือกซึ่งทำด้วยไม้ไผ่วางซ้อนก้นหีบเจ็ดชั้นแล้วก็เอาไม้ปากกาสามสิบแปดอันเรียงปากหีบไว้ในระยะห่างกันพอสมควรไม้ปากกานั้นทำด้วยไม้ไผ่อันเล็กๆผ่าออกมันทำไม้ปิ้งปลายาวประมาณคืบนึง เอาสายสินผูกปลายไม้ปากกาโยงวนให้รอบปากหีบเอาเทียนแปดเล่มติดที่ปากหีบทำกระทงเย็บด้วยใบตองสี่มุมใส่ของขาวหวานเป็นเครื่องเส้นวางบนปากหีบทั้งแปดทิศเมื่อจุดเทียนทั้งแปดเล่มแล้วก็เริ่มทำน้ำมนเขาเรียกว่าธรณีสารเมื่อเบอิกลงแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาผ้าขาวทำถุงสวมศีรษะ สวมมือเท้าทั้งสองข้างส่วนมือให้พนมมื อ, อมือถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนมีทูบหนึ่งดอกให้สบถือเพื่อจะได้นำไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโน่นจากนั้นก็ใช้สายสินทบกันเป็นเส้นใหญ่เหนียวพอที่จะรองรับแรงดึงรั้งไม่ขาดทำเป็นบ่วงสวมคอเป็นบ่วงแรกเขาเรียกว่าตราสัง โดยขณะเอาได้ดิบหรือว่าสายสินทำบ่วงสวมคอให้ให้บริกรรมว่าปุตโตคีเวจากบ่วงคอก็โยงมากลางลําตัวเป็นบ่วงตะกรุดเบ็ดมัดให้หัวแม่มือทั้งสองข้างติดกันอยู่ในท่าประทมอาปนมมือไว้ที่หน้าอกบริกรรมคาถาว่าภริยาหาัดเถแล้วก็โยงต่อมาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างมัดให้เท้าติดกันบริกรรมคาถาว่าธนังปาที อย่างนี้แหละเขาเรียกตราสังเอาแล้วทําไมต้องตราสังศพถึงสามห่วงลนะครับแล้วแต่ละห่วงนี่หมายถึงอะไรฮะลุงบ่วงที่ผูกคอก็คือห่วงลูกอ่าบ่วงมือคือห่วงเมียห่วงท้าคือห่วงสมบัติพอตราสังเสร็จก็ยกศพลงโลงที่เบิกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ว่าจะตั้งศพไว้ที่บ้านหรือว่าบําเพ็ญกุศลหรือว่าจะฝังหรือจะตั้งบนเชิงตะกอนสาหรับเผาก็ตาม จะต้องหันหัวศพไปในทางทิศตะวันตกเสมอนี่ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมามีการตั้งศพไว้ที่บ้านด้วยเหรอลุลงสมัยก่อนนะมีศพตายในบ้านเขาก็บำเพ็ญกุศลที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยรายไม่ว่าจะบำเพ็ญกุศลกี่วันก็ตามในระยะเจ็ดวันนับตั้งแต่วันตายจะต้องมีการจัดตั้งอาหารให้ศพวันละสองเวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากับเย็น มีอาหารขาวหวานมาเส้นไหวเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่เคยได้กินเวลาเอาไปตั้งก็เคาะลงเบาๆเป็นการปลุกเรียกให้กินด้วยพิธีกรรมต่อไปเป็นการบำเพ็ญกุศลพิธีกรรมปัจจุบันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงของเดิมหรอกคือมีภิกษุสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมก่อนจะลงมือสวดเจ้าภาพกอจุดทูบจุดเทียนอาราธนาศีล ญาติมิตรลูกหลานเคาะข้างลวงบอกรับศีลเจ้าหน้นาที่ชาปนากิจหรือสั ป, ปเหร่อของทางวัดเขาจะทำหน้าที่อาราธนาศีให้แล้วก็แนะนำพิธีการต่างๆจนเรียบร้อยแต่ละคืนพระจะสวดสีจบมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มยาตมิตรแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมประเพณีนี้แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป การทำบุญเลี้ยงพระเจ็ดวันสิบวันหรือว่าร้อยวันหลังจากวันตายก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพสำหรับขั้นตอนชาปนกิจการนำศพจากบ้านไปฝังที่ปา่าช้าหรือว่าไปเผาต้องให้พระภิกษุอย่างน้อยรูปหนึ่งนำหน้าวิญญาณไปสู่สวรรค์โดยจะมีสายสินโยงจากโลงให้พระจับนำไป เมื่อถึงป่าช้าหรือว่าเมนเผาศพก็ต้องนำศพเดินเวียนซ้ายสามรอบก่อนก่อนที่จะยกศพขึ้นเชิงตะกรหรือว่าขึ้นเมนก่อนเผาต้องมีพิธีสวดอภิธรรมอีกนหนึ่งแล้วก็เปิดโลงเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนะครับใช้น้ำเอื่นๆไม่ได้เหรอลุลงอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีสืบต่อมา ตามตำนานกล่าวว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดเพราะว่ามีเครื่องห่อหุ้มหลายชั้นคุณลองคิดดูสิครับเปลือกมะพร้าวออกหนาแล้วยังมีกะลาอยู่อีกมันต้องสะอาดแน่ๆน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนั่นต้องให้พระล้างก่อนแล้วก็ตามด้วยญาติแต่ในทางปฏิบัติสัปเพเรอนั่นแหละเป็นคนล้างพอทุบมะพร้าวแตกโปะกราดน้ำลงไปเลยทันทีพระก็ญาติอยู่ข้างๆก่อนแล้วกัน จากนั้นก็ชาปนกิจก็คือเผาศพปัจจุบันนะ่ะเผาที่เมนของวัดสะดวกสบายคนที่มางานก็ถือดอกไม้จันทร์ขึ้นไปวางตอนเผาแล้วใครจะอยู่เผาจริงหรือไม่อยู่ก็แล้วแต่อัธยาศัยในกรุงเทพช่วงเผาจริงเนี่ยมักจะเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อแล้วก็เมนเตาเผาของวัดในกรุงเทพ เ, เดี๋ยวนี้นะส่วนมากเขาใช้ไฟฟ้าไม่มีข่าค ว, วันเป็นมลพิษแต่วัดต่างจังหวัดยังใช้ฟืนเผาอยู่ก็มีเข่าค ว, วันอยู่บ้าง แต่ถ้าเผาแบบโบราณบนเชิงตะกอหรือว่ากองฟอนอันนี้ลำบากหน่อยบางทีศพลุกนั่งกลางเปลวไฟได้ต้องใช้ไม้ทิ่มบังกดบังให้นอนลงดูแล้วมันอนาถลูกตาแล้วหลังจากเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพิธีอะไ ร, รเปล่าลงุงเก็บกระดูกไงเก็บกระดูกแล้วลอยอังคารการเผาที่เมนในวัดเนี่ยนิยมเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้น ส่วนการเผาเชิงตะกรต้องปล่อยไว้สองสามวันบางพื้นที่ถึงเจ็ดวันบางทีไฟมอดแล้วเผาซากไม่หมดก็ต้องหาปืนมาเผาใหม่เผาจนกว่าจะหมดเหลือแต่กระดูกและเท่าฐานเก็บกระดูกแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนนี้นิยมเอากระดูกส่วนหนึ่งใส่โกรเก็บไว้บ้านผู้มีฐานะดีก็สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิบางวัดก็ทาหน้าที่บรรจุไว้ ตามกำแพงบ้างตามผนังโบสถ์วิหารบ้างเป็นช่องๆมีภาพมีชื่อสกุลของเจ้าของเอาไว้พร้อมทั้งวันเกิดวันตาย เ, ออเมื่อครู่ลุงบอกว่าไฟมอดแล้วยังเผาไม่หมดต้องเผาใหม่นี่เคยได้ยินมาว่าบางศพไม่ไหม้คนโบราณเขามีวิชาดีมีของดีของขลังอยู่ในตัวตายแล้วก็เผาไม่ไหม้อันนี้สัปเหรอจะมีวิธีแก้เคล็ดยังไงลงุงมีหลายอย่าง ต้องรู้ว่าศพมีของดีอะไรถึงไม่ใหม่ถ้ามีพระเครื่องของขลังติดตัวอยู่ก็เอาออกแบบนี้ลูกหลานกับญาติแย่งกันเป็นเจ้าของถ้ามีรอยสักก็แก้ความขลังห้องรอยสักนั้นหากไม่รู้ว่าศพมีของดีอะไรอยู่ก็ใช้วิธีแบบง่ายๆคือแก้อาถันความขลังได้ทุกอย่างก็คือใช้ผ้าถุงมาห่มมาคลุมเท่านั้นแหละเรียบร้อยไม่เป็นเท่าไม่มีเหลือซากเลย นี่คือพิธีกรรมเผาศพของสั ป, ปเหร่แบบโบราณจากการเปิดเผยของลุงออสแล้วก็ขอทําความเข้าใจอีกครั้งนึงครับว่าอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เคยรู้จากพิธีกรรมเผาศพจากที่อื่นเพราะว่าพิธีกรรมในย่อมมีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามภูมิภาคตามความเชื่อและจากธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมาครับ วันนี้จะเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระภูมิให้ฟังท่านผูกฟังย้อนอดีตไปเมื่อครั้งสงครามโลกยังปัทุอยู่การจัดการมีบรรดาศักดิ์ชั้นคุณหลวงได้อบยะพครอบครัวลีภัยสงครามไปพักอาศัยอยู่ที่วัดย่านปากเปร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีใกล้ที่ทำงานของท่านแต่เกรงว่าบ้านในเมืองหลวงจะถูกพวกโจรยึดครองใช้เป็นชุมชนของมัน ก็เลยปิดประกาศให้เช่าในราคาที่ไม่แพงนักเครื่องเรือนทุกชิ้นทำด้วยไม้สักอย่างดีก็ยังทิ้งอยู่ในบ้านผู้เช่ามาตัวเปล่าก็อยู่อาศัยได้ทันทีโต๊ะบั่งตู้บั่งเตียงบงั่งแล้วก็ชุดรับแขกและเครื่องครัวทิ้งไว้ให้ใช้อย่างครบคันตัวแทนเจ้าของบ้านคือคุณนาประยูนเป็นหญิงไม้ลูกติดเจ้าของสวนกลางเมืองหลวงลูกชายแกรับราชการทหาร ลูกอยู่ดูแลบ้านเมืองคุณนาก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกไม่อพยยเหมือนกับคนอื่นแกสนิทกับภรยาคุณหลวงก็รับหน้าเสือให้เช่าบ้านแทนกันได้แกเล่าว่าผู้เช่ารายแรกเป็นโต๊โผบอนพนันชื่อในกวงในกวงคนนี้เป็นชายไทยเชื้อจีนวัยหกสิบเศร็จละเต่าอบายยศมาจากแผ่นดินใหญ่สมัยรัชกาลที่สี่มาทามาค้าขายเหมือนคนจีนทั่วไป แต่ในกวงเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นชอบทำทุจริตผิดกฎหมายมีฝีมือทางโกงไพ่เก่งพอตัวก็เลยเปิดบ่อนเป็นอาชี พ, พเผอิญเคหสถานบ้านช่องโดนเครื่องบินพ่ายสมัมรนามิตรทิ้งระเบิดใส่พินาศเป็นจุนโชคดีที่ในกวงไปทำธุระนอกบ้านก็เลยรอดตายอย่างหวุดหวิดเมื่อรู้ข่าวว่าคุณหลวงปล่อยบ้านในคนเช่าในกวงเห็นตัวบ้านโออาภูมิฐานดี ee, มีรั้วรอบขอบชิด ก็ริมาตกลงเช่ากับคุณนาประยูนยก่อนใครเพื่อนนักเลงพันนันเป็นพวกที่ชอบวัดดวงไม่กลัวตายกลัวอย่างเดียวก็คือเล่นเสียอันว่าบ้านน้องคุณหลวงนี่เป็นเรือนไม้สองชั้นชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้างขวางประดับด้วยชุดรับแขกชั้นบนก็มีห้องโถงหนึ่งห้าห้องนอนส่วนห้องน้ำห้องส้วมก็แยกแตักหักจากตัวเรือนตามความนิยมในสมัยนั้น บอลพ น, นันก็เปิดให้เล่นได้เสียกันที่ห้องโถงชั้นล่างใครง่วงนอนก็ขึ้นไปเอนหลังที่ชั้นบนได้อ่าแต่บางไรายไม่ง่วงก็แวบขึ้นไปเอนหลังเล่นเพื่อรอให้ทิดอั ป, ปมงคลทิดเหลาเหล็กทิศผีหลวงเป็นต้นเคลื่อนพ้นไปจากที่นั่งของตนเสียก่อนบางรายก็แวบไปอาบน้ําล้างหน้าเพื่อล้างสวยล้างเสนีย์จันไรออกไปจากตัว ระหว่างนั้นก็ถือโอกาสปลุกเสกคาถาอาคมเล่นวิชาขุนสยัยใครกำลังมือขึ้นก็ขอให้ดวงตกดวงหล่นมีแตแจ้งกะแจ้งทั้งนี้ก็เพราะนักเลงการพนันในอดีตนี่เขาถือโชคถือหลงังไม่ยอมเล่นพนันแบบตาดีได้ตาร้ายเสียเปน็นอันขาดแต่ถ้ามาใช้วิชาขลังขังที่บ้านชาวหลังนี้ปรากฏว่าทุกอย่างจะดูกลับตลับบัดไปหมดเช่นคนเคยพักการเล่นชั่วคราว เราวิ่งเวลาให้ทิศไร้ยร้เปลี่ยนไปทางอื่นเมื่อกลับมานั่งประจำที่เดิมของตนซึ่งจองไว้ตั้งแต่แรกที่มาถึงก็กลายเป็นว่านอนเพลินจนหลับไปเลยเติ่นขึ้นมาอีกทีทิศไร้ไร้ก็วนกลับมาที่เก่าพอลงไปเล่นต่อที่นี่เสียได้เสียดีมีแต่เสียแทบจะนุ่งใบตองแทนกางเกงกลับบ้านพวกที่ลุกไปอาบน้ำหรือตักน้ำในตุ่มล้างหน้าล้างตา เป็นการล้างความสวยให้ไหลไปกับสายน้ำประอิญตอนนั้นทางการก็สั่งประชาชนทุกบ้านในพรางไฟใครมีไฟฟ้าห้ามเปิดมีตะเกียงก็ห้ามจุดแม้กระทั่งเทียนไขก็ไม่ให้จุดเครื่องบินขวายศัตรูจะได้ไม่มองเห็นเป้าหมายที่จะถล่มด้วยระเบิดบ่อนพนันในบ้านเช่าก็ต้องพรางไฟด้วยการเอาผ้าใบผืนใหญ่มักขึงไว้สีทิศใครออกไปล้างหน้าก็ต้องอาศัยแสงดาวแสงเดือนเป็นหลัก กำลังล้างหน้าพร้อมกับไร้คาถาเรียกทรัพย์อยู่เพลินเลดันมีสิ่งประหลาดห้อยลงมาจากยอดมะขามซึ่งยืนต้นระ ง, งานอยู่ข้างตุ่มน้ําจําเพาะมันจะห้อยลงมาเรียบๆปากตุ่มพอดีพอเอาขันจ้วงน้ําขันก็เลยโดนสิ่งนั้นเข้าอย่างจังต้องหยุดบริกรรมคาถาลืมตาขึ้นดูก็เห็นผีห้อยหัวลงมาจากยอดมะขามมองสบตากับนักพนันขม็งเชียว เห็นแวบเดียวเท่านั้นนักพนันก็ร้องเสียงหลงวิ่งหนีกลับเข้าบ้านแทบไม่ทันในกวงเจ้าของบอลต้องลุกมาถามมาเกิดอะไรขึ้นนักพนันก็บอกถูกผีหลอกทั้งวงไพ่วงไฮโลโปปันก็หยุดเล่นเพนไปยืนเบียดกันเป็นกระจุกเรื่องของเรื่องก็คือไม่ใช่นักพนันรายนี้เป็นคนแรกที่เจอผีก่อนหน้านี้เขาก็มีคนเจอดีมาแล้วหลายราย ทั้งที่บ้านคุณหลวงไม่เคยมีกิติศัพท์เกี่ยวกับความเฮี้ยนใดๆทั้งสิน้นพวกที่หลบไปนอนชั้นบนเพื่อรอให้ดวงเปลี่ยนก็เคยเจอฤทธิเดชผีมาแล้วตกลงในกวงก็เลยเช่าบ้านทําบอนไม่ครบสองเดือนก็โบกมือลายอมให้กินมัดจำไปฟรีๆซะหนึ่งเดือนเสร็จเมื่อบอนจากไปพวกขี้เมาก็มาเช่าอยู่แทนเนื่องจากนักเลงเล่ายุคสงครามโลกมีชีวิตแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย วันนี้มีลมหายใจแต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีชีวิตหรือเมื่อจะไปปลิดปลงสเมื่อไรขี้เมากัวนี้ก็ยังโสดสนิทมีทั้งหญิงทั้งชายตั้งวงเล่าร่วมกันเพราะทำากลางไยสงครามซึ่งมีสิทธิตายโหงได้ทุกเมื่อก็ทำให้บรรดาขี้เมาใช้ชีวิตอิลุย่ยสุยแฉกตามใจชอบคล้ายๆกับพวกเสพติดยาบ้าสมัยปัจจุบันนี่แหละนึกถูกใจจะควงใครขึ้นเตียงก็ทำกันทัน ท, ทีไม่รีรอให้เสียเวลา ยกเว้นเหล้ากับกับแกล้มนี่ต้องหามาเองทำตีขลุ่มซดเหล้าคนอื่นทีฟรีไม่ได้เงินทองสมัยสงครามมันหายากยังงงมเข็มในมหาสมุรทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินเหล้าก็ต้องซื้อติดมือมาด้วยห้องโถงชั้นบนของบ้านคุณหลวงมีตู้เสื้อผ้าใบาใหญ่มาหือมาผีมือช่างเสียงไห้ซึ่งอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ประตูตู้สองบานติดตั้งกระจกเงาส่องเห็นได้เต็มตัว สาวขี้เม า, าเพอทำเรื่องพันอย่างว่าเสร็จก็อาบน้ำเตรียมเข้านอนตอนนุ่งป้ถุงมายืนส่องกระจกจู่ๆก็เกิดเอะใจแ ง, แงนมองไปยังหลังคาตู้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่พอแงนหน้าขึ้นมองก็เห็นผู้หญิงแก่หน้าตาน่ากลัวนั่งอยู่บนหลังตู้ก้มมองศพตาหลอนอย่างเกรียวกรัดในตาลุกแดงยังกระแสน้ว หล่อนคนนั้นหวีดร้องบ้านแทบแตกด้วยความตกใจสุดขีดก่อนจะล้มทั้งยืนสิ้นสติชายคู่ขาก็หิ้วปีกไปนอนบนเตียงก็ไม่ฟื้นเอาแต่นอนละเมอเรื่องผีผีสางๆล้มป่วยไข้ขึ้นสูงป่วยอยู่นานสองนานก็ต้งหายเป็นปกติแต่ว่าผมบนหัวนี่หลุดร่วงเป็นย่อมย่อมจนไม่เหลือติดหัวแม้แต่เส้นเดียวเหมือนกับเยเชีบวดใหม่ทีเดียว คนที่เจอดีอย่างหล่อนเนี่มีมากหน้าหลายตาพวกผู้ชายที่จับไข้หัวโขนจะหน้าบางกว่าผู้หญิงไม่กล้าโผล่หัวออกจากบ้านตอนกลางวันต้องรอจนพาเพื่อนจะซื้อหมวกให้ใส่ถึงจะกล้าออกไปทุระนอกบ้านคำพังเพยที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานำมาใช้กับคนเช่าบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้ต่อให้ซดเหล้าเมาแอะแค่ไหนจะโดนผีหลอกเป็นต้องตกใจจับไข้หัวโขนทุกราย ลงท้ายก็ปลีกตัวไปอยู่ที่อื่นทีละคนสองคนจนต้องปิดประกาศให้เศร้าอีกคราวนี้กิติศัพท์ความเป็นบ้านผีดุก็แพร่สะพัดไปไกลกว่าจะมีคนใจเด็ดใจกล้ามาอยู่บ้านผีเฮี้ยนเนี่ยกิกนเวลานา น, านร่วมสี่เดือนรายนี้เดิมมีบ้านอยู่แถวสถานีรถไฟหัวลำโพงแต่ว่าโชคร้ายเจอระเบิดไม่เหลือชิ้นดีเดชบุญยังวิ่งลงหลุมหลบภัยทัน รอดตายมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดพวกผู้ชายนะตายเรียบบุฒิเหลือแต่ผู้หญิงและคนแก่คนเก่ารุ่นคุณย่าเพียงสามสี่ชีวิตคิดว่าอยู่บ้านผีดุก็ยังดีกว่าระเหเร่ร่อนเป็นนกขมิ้นไร้รังคุณย่านี่ชื่อย่าสีวัยประมาณเจ็ดสิบหน้าตาใจดีเป็นอุบาสิกาชอบเข้าวัดฟังเทศตั้งแต่สาวยันแก ญาสีสั่งสอนลูกหลานให้ขยันไหว้พระสวดมนต์เหมือนท่านลูกหลานฝ่ายหญิงแม้กระทั่งลูกสะใภ้ก็น้อมรับโอวาทผิดกับลูกหลานฝ่ายชายซึ่งเอาแต่กินเหล้าเมาหัวราน้ําเมื่อคราวเคราะห์หนักเวียนมาถึงก็พากันโดนระเบิดตายเรียบวุฒิเหลือฝ่ายหญิงตามท่านมาอยู่บ้านเช่าของคุณหลวงทั้งทั้งที่กิติศัพท์ความเป็นบ้านผีดุหน้าหวาดกลัวยังกะอะไรดีตอนมาติดต่อขอเช่ากับคุณน้าประยูน คุณนาประยูนก็ยังเตือนได้ทราบถึงเรื่องไม่ชอบมาพากลของบ้านหลังนี้คุณย่าสีก็บอกไม่เป็นไรรักผีก็เป็นคนไทยด้วยกันเรามาดีเขาคงไม่เสือกใส่ไล่ส่งไม่ใจ่ายไม้ไส้ระกรรมรอกเมื่อทําใจได้ขนาดนั้นนาประยูนก็ยอมให้เช่าพักอาศัยปรากฏว่าคืนแรกที่อพยพเข้าอยู่ในบ้านย่าสีกับลูกหลานก็พร้อมใจกันไหว้พระสวดมนต์เสียงดังกระหึม ยามศึกยามสงครามนี่พอบลบคาถนนทุกสายจะงเงียบสังอาจปราศจากเสียงอึ ก, กทึกทําให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินเสียงสวดกันถนถัดหูเหมือนกับอยู่ใกล้วัดกว่าอารามคุณอาประยูนก็รอดูทีท่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เห็นว่าครอบครัวญาติสีที่อยู่บ้านเช่าก็ดีเฉยอยู่ไม่มีเสียงร้องเอะอะตอนกลางดึกเหมือนกับรายอื่น น้าประยูนก็แวะมาเยี่ยมเยียนตอนกลางวันก็เห็นภายในรั้วบ้านและตัวเรือนสะอาดเอี่ยมอ่องปัดกวาดเช็ดถูไว้เรียบร้อยหมดจดแล้วก็อยู่ได้กันเป็นปกติสุขไม่ได้ปรับทุกเรื่องผีผีสังสางให้ฟังสักคำเดียวนั่งคุยกับย่าสีพักหนึ่งก็ทราบอย่างอัศจรรย์ใจว่าเหตุการณ์ในบ้านปกติดีทุกอย่างพอตกค่าทีไรก็จะมีกลิ่นหอมจางๆหอมอบอวลไปทั่วบ้าน ซ้ำยังนอนหลับฝันเป็นมงคลกล่าวคือได้พบเห็นชายวัยกลางคนหน้าตาใจดีแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนคนในรั้วในวังสมัยโบราณปรากฏตัวออกมาทักทายปราัยอย่างเป็นกันเองบอกว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขในฝันนั้นย่าสีย้อนถามไปว่าเคยได้ข่าวเรื่องผีเฮี้ยนออกอลาว่าจนใครต่อใครก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ พระภูมิท่านยิ้มอารมณ์ดีอธิบายว่าผีเหล่านั้นเป็นท่านเองใช้ฤทธิ์สร้างภาพหลอนขึ้นเองเพื่อขับไล่คนผ่านเกเรทำแต่เรื่องบัตรสีเช่นมั่วสมเล่นการพนันหรือใช้บ้านเป็นแหล่งอบบยมุกกินเหล้าเคราโล ก, กีไม่รู้จักอายผีสางเทวดาคืนอยู่ต่อไปก็เป็นเสนีย์จันไรให้แก่บ้านคุณหลวงก็เลยขับไล่ไปเสีย ท่านบอกกล่าวให้รู้อย่างนี้แล้วก็หายวับไปจากความฝันญ้าสีสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งทบทวนความฝันก็ทราบดีว่าฝันดีเป็นมงคลมีพระภูมิมาเข้าฝันบอกเหตุท่านยังบอกอีกด้วยว่าเสียงสวดมนต์นั้นเป็นคลื่นความถี่ละเอียดสามารถแผ่กระจายข้ามมิติได้ตามกำลังสติแล้วก็สมาธิของผู้สวด ถ้าขณะสวดมีแรงศรัทธาในบทสวดมากเหมือนสวดอยู่เบื้องพระพักพระพุทธองค์เทวดาซึ่งอยู่ในมิติหรือว่าพบภูมิที่ใกล้กันก็จะได้ยินชัดเจนทำให้เพลิดเพลินในธรรมไม่ประมาทหลงไหลกับกามสุขในโลกที่เกินไปสุขได้จะเสมอเหมือนความสงบแห่งจิตย่อมไม่มีเทวดาฝ่ายสมาทิฐิจึงพยายามสร้างสมความคุ้นเคยกับสภาวะอันสงบให้มากเข้าไว แล้วก็เสียงสาทยายทำด้วยการสวดมนต์นั่นเองที่เป็นสพานเชื่อมโยงจิตเทวดาให้เข้าถึงสภาวะแห่งความสงบได้โดยง่ายด้วยเหตุผลดังกล่าวพระภูมิมีความยินดีมากที่ได้ดูแลครอบครัวญาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขทุก ท, กทวาราตรีการเป็นอันว่าคุณนาประยูนไปมาหาสู่ญาสีได้อย่างสบายใจเพราะการได้คบหาคนดีมีคุณธรรมย่อมเกิดความเป็นสริมงคลแก่ตัวเอง สมดังพาสิทธ์ว่าพบพานพานพ า, าไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนมีนิสัยอบัณฑิตอย่างย่าสีก็ทําให้คุณนาและชาวบ้านรู้อันที่จริงบ้านคุณหลวงไม่ใช่บ้านผีดุอย่างที่เข้าใจกันแต่แรกเพียงแต่เจ้าที่แรงใครเป็นคนพานจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด ตกลงแย่สีอยู่บ้านเช่ากระทั่งไฟสงครามมอดดับไปในปีพุทธศักราช2489ตระกูลแย่สีเป็นคนฐานะดีช่วยกันปลูกบ้านหลังใหม่บนที่ดินผืนเดิมใกล้สถานีรถไฟหัวลำพงให้คุณย่าอพยพกลับพินเดิมส่วนคุณหลวงและครอบครัวก็กลับนมัสการลาหลวงพ่อสมพานวัดย่านปากเกร็ดกลับมาทักอาศัยที่บ้านท่านอย่างมีความสุขสืบต่อไป เหตุการณ์ต่างๆที่คุณนาประยูนเล่าให้ฟังก็ยังคงเล่าสืบๆกันมาในหมู่ลูกหลานของคุณหลวงมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับเรื่องของกระสือดุเรื่องเนี้ครับคนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณภูมิคุณภูมิเล่าว่าตอนนั้นเกนยังเป็นเด็กเด็ก สมัยนั้นพ่อก็ทําสวนแล้วก็อยู่บ้านปิดกับปูก่กับย่าคุณภูมิในมีน้องสาวสามคนแต่ว่าตายไปสองคนเป็นไข้แล้วก็ตายอายุแค่ขวบกว่าทั้งคู่ใกล้กับบ้านย่าก็มีบ้านของยายจันอีกหลังหนึ่งพ่อบอกว่าตอนที่น้องสาวของคนที่ต่อจากคุณภูมิป่วยแม่กับพ่อก็นอนเฝ้าอย่างใกล้ชิดไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอก็บอกว่าเป็นไข้ธรรมดาก็าให้ยามากินแลว้วก็ให้กลับบ้านพ่อตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าปวดฉี่ก็ลงไปฉี่ข้างล่างบ้านนะ่ะเป็นบ้านสองชั้นพ่อบอกว่าตอนจะขึ้นบ้านพ่อกําลังจะขึ้นก็เห็นแสงเหมือนกับแสงกระสือนี่ลอยเข้าหน้าต่างห้องนอนของพ่อที่นอนกับน้องที่ป่วยแล้วก็แม่ก็ท้องอยู่ตอนนั้นอ่า ส่วนคุณภูมิเนนอนกับปู่กับย่าพ่อรีบวิ่งขึ้นบ้านเข้าห้องนอนก็ไม่เห็นอะไรมองตรงหน้าต่างก็ไม่มีอะไรพ่อบอกว่ามันหายไปเร็วมากแล้วพ่อก็ไม่ได้ตาฝาดแล้วรุ่งขึ้นพอตอนสายๆน้องก็ตายทุกคนเสียใจายมากพ่อบอกว่ากระสือมันต้องมาจับกินน้องแน่ๆเลยพ่อไม่คิดว่าจะมีกระสือก็เลยนอนเปิดหน้าต่างรับลม สมัยนั้นถอยปายังไม่มีพ่อแค้นมากบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นกระสือมากินน้องพ่อจะยิงให้ตายหลังจากงานศพน้องผ่านไปพ่อก็แอบดูอยู่หลายคืนกะว่าเห็นดวงไฟก็จะยิงให้กระจายพ่อก็ซุ่มคอยดูอยู่หลายคืนด้วยความแค้นใจมีอยู่คืนหนึ่ง พ่อเห็นแสงเขียววูบๆเนี่ยอยู่ใต้ถุนบ้านใยญยจันท์ที่เป็นไม้แล้วอยู่ตัวคนเดียวพ่อก็เลยศาสตร์กระสุนเข้าใส่จนชาวบ้านชาวช่องตกใจยายจันท์ก็เปิดประตูมาดูแล้วก็ตะโกนถามว่าใครยิงกันน่ะโดยที่แกก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวอะไรทั้งเพื่อนบ้านและปู่ย่าก็ตื่นมาดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกทุกคนว่ายิงกระสือมันอยู่ใต้ถุนบ้าน ยายจันท์ต้องเป็นกระสือตัวนี้แน่เลยที่มากินลูกสาวจนตายพ่อน่ยปักใจว่าเป็นยายจันท์พ่อก็ด่าว่ามันหัวร้ายทำได้แม้กระทั่งเด็กแต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อยายจันท์ก็บอกว่าจิบหายแล้วนี่หมู่บ้านเรามีกระสือแถมเข้ามาไต่ถุนบ้านข้าด้วยสงสัยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งป่วยอดอดแอดแอดนี่ค่ะคงจะต้องไปอยู่วัดแล้วละจะขอบวชชีไปจนตาย พ่อก็ยังแปลกใจว่ายยจันเป็นกระสือทำไมไม่กลัวพระชาวบ้านก็กลัวก็พากันปิดประตูหน้าต่างนอนกันทุกบ้านเสร็จแล้วย่าก็บ่นว่าปวดท้องพ่อก็พาย่าไปหาหมอก็ตรวจก็ไม่เจออะไรหมอก็ให้ยาแก้ปวดกับยาแก้รูกระเพาะมากินย่าก็ไม่ดีขึ้นยา่าบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็หายเองไม่นานแม่ก็คลอดน้อง พอคลอดแล้วเนี่ยปู่จะเอารกไปฝังย่าก็บอกว่ารกของหลานก็เนี่ยย่าจะฝังเองปู่ก็บอกว่าย่าป่วยอยู่นี่จะเอาแรงที่ไหนไปขุดหลุมฝังไปขุดตื้นๆเดี๋ยวหมาก็คุยมากินย่าก็บอกว่าไม่อยากให้หลานตายอีกย่ากเกิดปีขานน่ะดวงแข็งจะฝังรกหลานเองพ่อกับปู่อยาขัดได้ไหมย่าแสดงอาการไม่พอใจด้วย พ่อก็บอกกปู่ว่าตามใจแม่เขาเถอะเดี๋ยวแกฝังเสร็จแล้วเราค่อยไปขุดฝังใหม่ก็แล้วกันเสร็จแล้วปู่ก็ส่งหม้อดินที่ใส่รกขยาไปตอนนั้นก็เกือบเที่ยงคืนแล้วยาก็กอดหม้อดินมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ถือตะเกียงเดินไปหลังกอไผ่หลังบ้านที่ยาเอาพลั่วไปวางรอไว้แล้วย่าหายไปสักพักก็กลับมานั่งกินหมากกับหมอตำย ถ้าทางย่าดูดีขึ้นคุยเสียงดังพ่อก็บอกว่าขอมีลูกอีกคนเดียวละแล้วก็จะพาแม่ไปคลอดแล้วก็ทําหมันมีลูกแค่สองคนเนี่ยมันน้อยไปอีกหลายวันต่อมาก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านเห็นกระสือลอยมาทางบ้านพ่อแล้วก็มาเล่าอธิบ้านพ่อฟังย่าก็แสดงอาการไม่พอใจบอกว่าหลานข้าพึ่งจะคลอดนยะอย่ามาพูดเรื่องกระสือนะ เองเมาแล้วเห็นหิงห้อยเป็นกระสือหรือเปล่าไอ้มิ่งย่าว่าตะคนที่มาบอกกันแหละปู่ก็แอบบอกพ่อว่าวันที่เราไปขุดหลุมฝังรกใหม่เนะเปิดดูหม้อดินรกมันไม่มีเออแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงไม่รู้รกมันหายไปได้ยังไงตามิ่งแกบอกย่าบอกว่าเมื่อคืนนยค่ับไปวางเบ็ดนะครับไม่ได้เมานะแกเมื่อวานเย็นนะครับไม่ได้กินเหล้าสักหยดเงินไม่ค่อยมี วันนี้ก็คงไม่ได้กินเมียข้ามันป่วยด้วยลูกเต้ามากันเต็มบ้านจะมานั่งกินเหล้ากลัวเขยกลัวสะพ้ยมัน ว, ว้าเอ่าเออมันมากันเมื่อเช้านี้ย่าก็บอกว่าเมียเองเป็นอะไรละ่ะวันก่อนยังเห็นมาเก็บผลรพาที่บ้านข้าไปใส่แกงแต่มิงก็บอกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันกลางวันมันนอนคลางยังกะคนเป็นไข้ข้าจะพาไปหาหมอมันก็ไม่ยอมไป กลางคืนมันก็ไม่หลับไม่นอนข้าตื่นมาที่ไรก็เห็นมันอยู่ในครัวถามมันว่าหิวข้าวเหรอมันก็บอกไม่หิวมันจะต้มน้ำชงยาหอมที่บ้านข้านกไก่ก็ตายสองสามตัวเครื่องในถูกควักไปกินเขาว่ามันต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยถ้าเป็นพวกสัตว์นะมันคงจะกินทั้งตัวพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องระวังให้มากขึ้นแล้วละ พักนี้มันชักจะเอาใหญ่แล้วที่แรกก็นึกว่าหญ่จันท์เป็นกระสือแต่ตอนนี้แกก็ไปบวชชีแล้วสมัยก่อนก็เห็นแต่ที่บ้านเหนือเขาว่าคนแก่ที่เจ็บป่วยหลายคนเน่ยถูกกระสือกินตับกินไส้ตายไปหลายคนเขาว่ามีหมอผีมาขับไล่ก็เลยเงียบไปแถวบ้านเรานี่มันก็เพิ่งจะมีนี่แหละลูกข้าก็ต้องมาตายเพราะอีกระสือร้ายนี่แหละเดี๋ยวจับได้มันจะยิงให้ใส่แตกเชีย จะได้วันนั้นยิงไปสองสามนัดไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าย่าก็บอกว่ามันก็คงโดนบ้างแหละไอ้มิ่งเอ็งกลับไปดูเมียเอ็งเถอะอย่ามาพูดเรื่องกระสืออยู่เลยพ่อกับปูก่ก็เดินไปเยี่ยมเมียตะมิ่งเมียตามิ่ ง, งแกไม่หันมามองปู่กับพ่อตอนนั้นลูกหลานก็มาเฝ้ากันเต็มบ้านอยู่ได้สองําวันเมียตะมิ่งก็ตายย่าไม่ไปเยี่ยมหรือว่าไปงานศพเลย บอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนหลานที่อยู่บ้านอบอกว่าห่วงสะพายกับหลานที่เกิดใหม่เนะชาวบ้านต่างก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆน า, นานาที่เมียตะมิ่งตายทั้งที่ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่มาป่วยกระทันหันสู้ผอมไปในเวลาไม่กี่วันก็คิดว่าคงจะโดนกระสือสิงสู่แน่นอนเพื่อความสบายใจของชาวบ้านจะเอาว่าที่ท่านปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรม ท่านก็แจกฝ่ายผูกแขนให้กับชาวบ้านทุกบ้านที่ต้องการก็มาเอาไปได้พ่อก็เลยเอาไปฝากปูก่กับย่าแต่ย่าบอกว่าป้โทูเอ้ยก็ไอแค่เชือกเส้นเดียวมัะจะป้องกันผีเผืออะไรได้คิดไปกันเองปู่ก็ดูเอาบอกว่าเอ้ยย่าดูถูกพระดูถูกเจ้ามันไม่ดีนะย่าก็ไม่พอใจปู่ก็แยกมานอนอในห้องนึงปล่อยให้ปู่กับคุณภูมินอนด้วยกัน ทุกคนผูกแขนด้วยฝายหรือว่าสายสินของท่านเจ้าวาดยกเว้นย่าพ่อก็เป็นห่วงย่ามากในตอนนั้นรู้สึกย่าดูหงุดหงิดไม่พูดกับใครแล้วก็และดูผอมไปพ่อก็ถามว่าแม่เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าย่าก็บอกเปล่าเอ็งอย่ามาพูดเศร้าซี่แล้วค่ะลำคาญต่อมาน้องของคุณภูมิก็นอนตาลอยไม่เล่นไม่ยิ้มหรือว่าหัวเราะ พ่อก็ร้อนใจพาไปหาหมอไปสองคนกับแม่หมอบอกไม่มีไข้ไม่เป็นไรล็รอกเด็กเริ่มเดินได้ก็คงเบื่ออาหารเป็นเรื่องธรรมดาก็ให้วิตามินมากินบํารุงน้องก็อาการไม่ดีขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ก็ทุกข์ใจย่าก็มีอาการเป็นห่วงออกหน้าออกตาวันหนึ่งพ่อเอาผลไม้ไปส่งตลาดเช่นเคยก็มีคนหมู่บ้านเหนือที่ค้าขายอยู่ รับผลไม้ของพ่อรายหนึ่งก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยมีคนตายก่อนตายลูกหลานเอาหมอผีมาไล่แล้วก็เข็นจนมันบอกชื่อนามสกุลแล้วมันก็ถูกไปได้ไหวจนกระทั่งออกไปแล้วเขาก็บอกกับพ่อว่ากระสือน่ยมันชื่ออะไรนามสกุลอะไรพ่อพอจะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักชื่อนี้ไหม พ่อตกใจเมื่อได้ยินเขาบอกชื่อมันก็คือชื่อย่านั่นเองแต่ว่าพ่อก็ทำเฉยๆไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาบ้านปรากฏว่าน้องสาวคุณภูมิน่ะตายพ่อเสียใจมากพ่อไม่มองหน้าย่าเมื่อเอาศพน้องไปวัดพ่อก็บอกปู่ปู่ก็ตกใจว่านี่วิญญาณไรน่ะมาแฝงอยู่ในตัวย่าตั้งแต่เมื่อไรหรือว่าย่านี่สืบเชื้อสายมาจากวงตระกูล ปู่ก็ว่านี่มันหิวขนาดกินหลานตัวเองเชียวเหรอหนิพ่อก็บอกว่าอ้าวแล้วทาไมเจ้าภูมิมันรอดละพ่อเจ้าภูมิไม่เห็นตายปู่ก็บอกว่ายาเขาคงรักเด็กผู้ชายพ่อก็อกว่าถึงยังไงแม่ก็ไม่ควรจะกินหลานตัวเองนะปู่ก็บอกเองอย่าเอ็ดอึงไปพูดกันแต่เรารู้กันแค่สองคนแล้วก็ค่อยหาทางแก้ไข เรื่องนี้พ่อไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่จะกลัวแล้วถ้าแม่กลัวแม่คงไม่กล้าอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแน่พ่อบอกว่าต้องทนขมขื่นแทบอกระเบิดตอนเย็นน่ะย่าจาเป็นจะต้องไปฟังสวดที่วัดย่าจะพายเรือมาเองก็มีชาวบ้านมาร่วมงานกันหลายคนเต็มสลาย่าพายเรือมาตอนเกือบ5้าโมงเย็น พายเรือมาได้ไม่ไกลก็ปรากฏว่ามีผู้ชายขับเรือมาเทียบเรือยาเขาปิดหน้าใส่หมวกเสร็จแล้วยิงยาในระยะเผาขนหลายนัดจนยาหัวกระจุยคนยิงบอกว่าตายซะอีกสือเลวว่างั้นหลายคนเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจมากเมื่อหายตกตะลึงก็รีบไปบอกกปูวันนั้นก็เลยวุ่นวายไม่ได้สวดศพน้องขุนภูมิ พ่อกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไปแจ้งความรอตำรวจมาชนะสู่ศพปู่ก็ร้องไห้แม่ก็ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจัดการเรื่องศพเสร็จปู่ก็บอกขายที่ไม่นานก็มีคนมาซื้อเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางบ้านแม่คุณภูมิซื้อที่ใหม่เปิดร้านขายของเอาปู่มาอยู่ด้วยต่อมาแม่ก็มีน้องสาวอีกคนเรื่องผ่านไปเกือบห้าสิบปีด้วยที่ไม่มีใครรู้ ว่าใครยิงญ่าตายคุณภูมิก็ได้ทํางานที่ธนาคารแห่งหนึ่งน้องสาวคุณภูมิเป็นพยาบาลปู่ตายไปหลายปีส่วนพ่อกับแม่ก็แก่มากแล้วแต่พ่อออกแข็งแรงดียังขายของอยู่กับแม่มีเมียคุณภูมิคอยช่วยส่วนน้องสาวนะ่ะมีลูกสองคนพ่อคุณภูมิมักจะพูดเสมอว่าถ้าลูกสาวสองคนไม่ตายบ้านเราก็คงจะคลึกคื้นกว่านี้คงจะมีหลานอีกหลายคน แต่พ่อก็ทําบุญให้ย่าเป็นประจำแล้วก็สั่งลูกหลานให้ทําบุญให้ย่าตลอดไปย่าจะได้เกิดเป็นคนปกติคุณภูมิกับลูกและน้องสาวและหลานๆที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปฏิบัติตามทําบุญให้ปู่ทวดและย่าทวดตลอดคุณภูมิไม่ได้อับอายที่มีย่าเป็นกระสือแต่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของคนในอดีตให้ลูกหลานในยุคใหม่ฟังว่าเรื่องลี้ลับ เช่นเรื่องของกระสือเนี่ยมันมีจริงๆนะครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งทางภาคอีสานท่านผู้ฟังหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นพระกรรมฐานนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เสร็จแล้วมีอยู่คืนหนึ่งท่านกําลังนั่งวิปัสนาฝึกจิตเข้าออกอยู่ในสมาธิกําหนดรู้ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเองเวลานั้นทองฟ้าที่เพิ่งจะผ่านวันเพ็ญมาเพียงคืนเดียวแต่ว่ากลับเป็นม่านดําสนิทเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนกับบางอย่างตะกายดังขึ้นบนหลังคาโบสถ์แล้วตกกลิ้งลงมาตามลาดของหลังคาที่แรกหลวงพ่อก็คิดว่าเป็นเสียงแมว ท่านก็ลืมตาขึ้นมองเสร็จแล้วก็เห็นร่างหนึ่งยืนตร anggan อยู่ข้างหน้าห่างจากจุดที่ท่านนั่งไม่เกินสามเก้าเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาหน้ายำเกรงเสร็จแล้วเขาก็ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นอ่ะหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเป็นใครอะ่ะมีธุระอะไรกับอตาตมาเหรอร่างสูงทรรมบุญ น, นั้นก็ซุดตัวลงนั่งคุกเขา่า ถ้าทีมีความเคารพยำเกรงในพระในเจ้าทั้งที่ตัวเขามองดูน่ากลัวนะอ่าหลวงพ่อท่านรู้โดยยานเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆเขายกมือพนมอย่างผู้มีคารวะเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเขารับกระผมคือยมมาทูตผู้ได้รับบัญชามาจากพญามัจจุราชให้มาตามจับคนในวัดของหลวงพ่อละครับเอ วัดของท่านมีเพียงพระและสมมเนนไม่กี่รูปล้วนตั้งอยู่ในความสมถะงสงศีลบริสุทธิ์สมเป็นบรรพชิตฉะไหนจะกลายเป็นผู้ร้ายทำความผิดจนมียมมาทูดมาตามจับตัวแบบนี้ก็ผมได้รับคำสั่งจากพระยามัจจุราชให้มาตามจับคนหนีนรกมาเกิดยังเมืองมนุษย์ครับเพราะว่าเขายังชดใช้เวรกรรมในนรกไม่หมดสิน้น แต่ได้หนีมาเกิดยังเมืองมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นสมณเณรอยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่และครับแล้วคนที่หนีนระกมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วหนีมาบวชเนนที่นี่นะชื่ออะไรนะโยมเอ่อชื่อสมณเนสุชาติครับสิ้นคำโยมมาทูดหลวงพ่อจะเอาว่าก็ตกใจแต่ด้วยท่านเป็นสมณนะมีสติทุกเมื่อท่านก็ไว้ตัวเล็กน้อย สามเนนสุชาติอยู่ในวัดของท่านจริงนะอย่างที่โยมมาทูดกล่าวอ้างอายุสิบสิบห้าปีบวชได้สองพรรษาแล้วหลวงพ่อก็บอกกับโ ย, ยมมาทูดบอกว่าโยมโยมมาทูดเอาอะไรมาพูดกันเนนสุชาติก็จะหนีจากเมืองนรกได้ยังไงเณนเกิดได้สิบห้าปีแล้วบวชได้สองพรรษาแล้วนะโยมมาทูดเขา้าใจผิดแน่ๆหลวงพ่อกรับ เวลาในเมืองมนุษย์กับเมืองนรกมันมีความแตกต่างกันมากสา ม, มนเนนสุชาติหนีจากเมืองนรกทั้งๆ ท, ท, ที่ชดใช้เวรกรรมที่ตัวก่อไว้ไม่หมดแล้วก็หนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ท่านพระยา ม, มั จ, จุราชจึงได้ให้กระผมมาตามอาวิญญาณสา ม, มนเนนสุชาติเพื่อไปชดใช้กรรมอย่างเมืองนรกต่อหลวงพ่อโปรดอนุญาตด้วยนะครับหลวงพ่อจึงก็นิ่งไปอ่าท่านมีความรู้สึกสงสารสา ม, มนเนนสุชาติผู้อยู่ในความดูแลของท่าน สัมมาเนศสุชาติเป็นลูกชาวนาจนๆคนนึงอยู่ในอำเภอท่าอุเทนแล้วมาบวชเป็นสัมเนศอยู่ในวัดกระท่านสองปีแล้วด้วยความรักและเมตตาในสัมมาเนศลวงพ่อก็พยายามพูดนวงเหนียวโยมบอกว่าสัมเนศสุชาติเ น, นี่ยเขาหนีนรกมาเกิดมีอะไรเป็นหลักฐานตามมาจับกลุ่มคือในโลกมนุษย์นี้นะจะกล่าวหาว่าใครทำผิดหากจะมีการจับกลุมก็ต้องมีหลักฐานแน่ชัด ยึงจะตามจับกุมไปลงโทษได้ท่านยมทูตมีอะไรเป็นหลักฐานล่ะยมทูตอมนุษย์ร่างใหญ่ก็ขยับตัวควักกระดาษสีเหลืองออกมาสบัดให้กระดาษกลางออกเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นมาตรงหน้าหลวงพ่อแม้ว่าตรงนั้นจะมีเพียงแสงจันทร์คืนแรมข้าหนึ่งแต่ว่าดูกระจ่างสว่างสวัยเหมือนกลางวัน หลวงพ่อมองเห็นภาพเต็มตัวของสัมมเนนสุชาติเจ้าของภาพในพบโนนกับสัมมเนนสุชาติในพบนี้ไม่แตกต่างกันเลยหลวงพ่อดูจากภาพนี้นะครับตรงปลายคางสัมเนนสุชาติจะมีปานดำยาวลงมาจนถึงใต้คางอันเนียคือตำหนิเป็นหลักฐานหลวงพ่อพยักหน้าเงึกงักแม้ท่านจะยอมจานวนในหลักฐานแต่ด้วยความเมตตาในตัวสมมเนนท่านก็ยัง พูดต่อเออเอาอย่างงี้ได้ไมโยมอาตมาขอบินทบาทชีวิตสามเณรไว้ก่อนเถอะแม้ว่าเนรจะหนีนรกมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็จริงแต่เขาก็ได้บวชเป็นสามเณรชดใช้กรรมเวรคนที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยย่อมถือว่าได้ทำบุญแผ่กุศลให้คนอื่นได้นับเป็นการชดใช้กรรมอีกอย่างหนึง่ง อาตามาเห็นว่าเนนไม่จําเป็นจะต้องไปชดใช้กรรมที่เมืองนรกเอาอย่างนี้ได้ไหมอาตามาขอบิณฑบาตอายุสามเณรเธอนะเออกระผมทําตามที่หลวงพ่อขอร้องไม่ได้หรอกครับกระผมเป็นเพียงผู้ทําตามคําบัญชาของพระยา ม, มัจุราชเท่านั้นสามเณรสุชาติตอนที่อยู่เมืองนรกอยู่ในความดูแลของกระผมที่เนนหนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ทั้งที่ชดใช้กรรมไม่ทันหมด ก็เป็นความผิดของกระผมอยู่แล้วหากกระผมไม่ทำตามบัญชาความผิดของกระผมก็จะเพิ่มเป็นสองเท่ากระผมคงจะทำตามที่หลวงพ่อขอร้องไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็อั้อึงไปอีกครั้งท่านก็พยายามจะคิดหาทางช่วยชีวิตสามเณรสุชาติทั้งที่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของพบก่อนของสามเณรผู้นี้ ทำไมก่อนที่จะบวชให้สัมมาเนรหลวงพ่อไม่สอบประวัติเขาให้ละเอียดล่ะครับอ้าวจะมาว่าอาตมาได้ยังไงอะมันเป็นเรื่องของวิญญาณพูดผีไม่ใช่เหรออาตมาบวชสั ม, มเนรสุชาตินี่บวชตอนเป็นคนนั้ไม่ได้เป็นผียมทูตไม่ได้เอ่ยคําอะไรแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลางเลือนหายไปหลวงพ่อจเจ้าว่านั่งสมาธิจนเวลาตีบอกสองยาม ท่านก็เห็นว่าดึกพอจะไปพักผ่อนแล้วขว่าจะหลับเรื่องอันไม่น่าเชื่อของสมณเนนสุชาติก็หวนกลับมารุกราวอยู่ในมโนสํานึกของท่านตอนที่นั่งสวดมนต์ท่านก็สวดวิงวอนและแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรของเนรน้อยขอผ่อนหนักเป็นเบาซึ่งท่านก็ได้คาดผลได้ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องของวิญญาณต่างภพภูมิท่านก็หวังจะให้เนนมีอายุยืนยาวจนถึงวัยอันควรนั่นเอง หากว่าเนนจะจากไปเพื่อชดใช้เวรกรรมตั้งแต่วัยแค่นี้มันจะรวดเร็วเกินไปหลวงพ่อท่านจำวัดหลับไปประมาณตีสี่ท่านก็ถูกปลุกโดยเสียงเคาะประตูห้องแล้วก็เสียงเรียกเร่งเรา้าเหมือนกับเกิดเหตุอะไรอย่างหนึ่งขึ้นในวัดของท่านมีอะไรหรือหลวงตาฮะหลวงพ่อครับเนนสุชาติไม่รู้เป็นอะไรครับอาเจียนทั้งลงทั้งรากจนแทบจะหมดแรงแล้วครับ เป็นมานานเท่าไหร่แล้วเป็นมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับผมเอาอยากแก้ท้องเสียให้กินก็ไม่หยุดผมเห็นแกอ่อนแรงมากก็เลยตัดสินใจมากราบเปลี่ยนหลวงพ่อครับเออเ อ, อ, เ, อ, อเดี๋ยวผมจัดยาดแล้วจะตามไปนะหลวงพ่อบอกแล้วก็ปลุกหายไปจากประตูขณะเตรียมสมุนไพรที่เคยรักษาผู้คนให้หายจากโรคท้องร่วงท้องเสียม า, มามากต่อมากแล้วอันนี้ท่านมียาผีบอกที่ท่านได้ตอนออกตุดงกลางดงใหญ่ ขณะว่าเอาหอยาเดินออกจากกุฏิท่านก็นึกเห็นแต่ยมมาทูตเวลาช่วงเที่ยงคืนท่านกําลังสนทนากับยมมาทูตอมนุษย์จะพบวิญญาณก็ได้ต่อรองกันอยู่ดึกดื่นไม่เป็นที่ตกลงกันได้ขั้นยมมาทูตหายตัวไปก็เป็นช่วงใกล้ๆสองยามอ่าเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่เนนน้อยเกิดอาพาธปัจจุบันทันด่วนตอนหัวค่านิด เนนน้อยยังมาต้มน้ำร้อนใส่ป้า น, น้ำชาถวายหลวงพ่อดูแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดหลวงพ่อท่านก็รำพึงอยู่ในใจว่าเอ๊ะแล้วนี่ยมมาทูดกุมาตามเอาวิญ ญ, ญาณเนนน้อยจริงๆแล้วอ่ะอยังไม่ทันปริปากเอ่ยคาอะไรให้ใครรู้ท่านก็นั่งผลยาสมุนไพรอยู่ข้างๆร่างเนนที่อาเจียนแล้วก็ขับถ่ายจนหมดแรงอะหลวงตาหลวงตามานี่หน่อยนี่มาช่วยประคองเนนให้กินยานะเพื่อจะดีขึ้น เสร็จแล้วก็ส่งขันน้ำยาสีขุนให้หลวงตาทิมหลวงตาก็รับแล้วก็ประคองศีสะเนนเนนเนนกินยาของหลวงพ่อหน่อยนะท่านมาผลยาให้กินเดี๋ยวก็หายหลวงตาทิมก็ประคองทั้งเนนแล้วก็ขันน้ำน้ำยาสมุนไพรหลวงพ่อเจ้าวาดคู่หนึ่งเนนน้อยก็โก่งคออาเจียนและยังอุจจาระไหลยอยู่ ทั้งหลวงตาทิมแล้วก็พระนมอีกรูปก็ช่วยกันล้างชำระความทำความสะอาดให้เอไม่รู้ว่าเป็นโรคอาฮิวาหรือเปล่าหลวงตาทิมท่านก็เป็นห่วงมองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสารท่านจเจ้าวาดก็เกิดความสงสารจับใจคิดถึงเรื่องยมมาทูตที่มาขออนุญาตกับท่านเมื่อตอนสี่ทุ่มจนเกือบจะถึงเที่ยงคืนก็พูดต่อรองกันโดยไม่ตกลงกันได้ เสร็จแล้วยมมาทู่ก็หายไปต่อหน้าต่อตาท่านก็พึมพำอยู่ในใจอ่า เ, ออเนเนยหลวงพ่อคงจะช่วยไม่ได้แล้วยาคงจะไม่เป็นผลซะแล้วละหลวงตาเออผมเองก็ให้กินยาไปหลายขนาดแล้วครับหลวงพ่อครับเนนก็ทั้งลงทั้งรากไม่หยุดเลยเมื่อเห็นอาการเนนสุชาติไม่ดีขึ้นหลวงพ่อจะอาวาตร์ก็เตรียมหารถเพื่อนาส่งโรงพยาบาล โดยให้พระหนุ่มไปตามรถบ้านผู้ใหญ่บ้านกว่ารถยนต์ของผู้ใหญ่จะมาถึงวัดป่าเนนน้อยก็หมดบุญซะแล้วหลวงพ่อครับเนนหมดลมซะแล้วครับหลวงตาถิมบอกเสียงสทานเนนน้อยผู้อยู่ร่วมกุฏิจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความสะเทือนใจให้กับท่านไม่น้อยหลวงพ่อจเจ้าว่าทัางก็าสายหน้าเออ หลวงพ่อช่วยชีวิตเนนไม่ได้จริงๆไปเป็นสุขเถอะเนนน้อยเอ้ยเนนจะต้องไปรับกรรมที่เหลือค้างอยู่ที่เมืองนรกหมดเวรกรรมแล้วค่อยมาเกิดใหม่นะตอนสใส่วันนั้นหลังจากถวายพระทหารชาวแล้วญาติโยมทั้งพ่อแม่ของสมณเณนสุชาติออกมาที่วัดท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้ได้กล่าวปลอบใจ เนนเขาทำบุญมาน้อยอะโยมเขากำหนดชีวิตมาให้เท่านี้่าตโยมก็ทำใจนะร่างกายคนเราก็เท่านี้แหละมีเกิดก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมีอยู่เท่านั้นแหละความตายมันก็แขวนคออยู่กับทุกคนสังขารน่ะไม่จรรังเท่ากับความดีที่เราสร้างสมไม่หรอกก่อนจะบรรจุร่างไร้วิญญาณของเนนน้อยลงหีบศพ หลวงพ่อก็ให้มีการรดน้ำศพหลวงพ่อก็นำญาติโยมรดน้ำศพเนรน้อยเป็นคนแรกสิ่งที่หลวงพ่อได้เห็นชัดเจนวันนั้นก็คือที่ใต้คางสามเณรสุชาติมีปานดำขนาดใหญ่ที่ใต้คางลงมาตามลำคอนั่นคือหลักฐานจากคนหนีนรกลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์เข้ามาตามเพื่อนำกลับไปรับใช้กรรมยังเมืองนรกอย่างที่เขาได้เอ่ยขอจากหลวงพ่อจริง ณมิยะมานสสะพวันติตานาแปลว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ใดป้องกันได้สัตว์จะตายวายวางสิ้นทางสู้ไม่มีผู้ป้องกันทั้งนั้นหนอให้มีฤทธิ์สิทธจักมหักคอจะต้านต่อความตายอย่าหมายเลยเมื่อถึงคราวล้มตายต้องวายวอดไม่มีรอดดอกหนานิจยาเอ๋ยไม่ทันไรไปจาก ไม่อยากเลยมันลงเอยด้วยตายกลายเป็นดินสวัสดีครับ